ไม่ค่รสบายดีเนะสบายดีค่ะท่านอาจารย์ประกาบท่านอาจารย์นะคะแล้วก็เดวิดฝากปามฝากกลับท่านอาจารย์ด้วยค่ะจากเซาแคอร์นียโคลมเบียเลยอากาศอโคลมเบียอากาศอยู่ที่โคลมเบียเลยค่ะท่านอาจารย์เดอากาศหนาวเลือร้อนวันนี้อากาศเอเริ่มดีแล้วค่ะช่วงนี้ะค่ะท่านอาจารย์ ค่ะไม่หนาวนะไม่ใช่ว<า>่าจะมีพายุเข้าอย่างเีง้นี่เมื่อเมืม่อสองวันก่อนเนี่ยค่ะ อ, อฟ้าเฝอแล้วก็ฝนตกหนักอ่ะค่ะพายุโทเนโรอะไรยังค่ะไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าฝนฟ้าขนองเฉยๆยค่ะท่านาอาจารย์ค่ะถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวก็จะไปที่ท่านต่อไปเลยนะขอบคุณมากค่ะหนูกฟังไอ้เอ่ผ้า ที่ท่านพระอาจารย์บอกเมื่อคราวก่อนนะคะท่านสื่อแล้วคะ่ะเอตั้งเลยคะ่ะท่านพระอาจารย์ประบาทพระอาจารย์มั่นนะปฏิปทาพระเโด็นะใช่ค่ะท่านพระอาจารย์แต่หนูยังฟังไม่จบค่ะค่ะฟังไปได้เลยค่ะขอพอบคุณมากคะ่ะท่านพระอาจารย์ปฏิทัศน์ต่อไปคุณเสก ค, คุณเสกช คุณล่าอันนี้ไหวเขาได้ยังโอเคที่ไหนคุณเสกพูดได้นะสวัสดีครับพระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินได้ครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่กาญจนบุรีครับเคยเข้ามาแล้วยังเคยเข้ามานานแล้วครับอวันนี้มีมมยังถามอะไรไหมวันนี้มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์ แล้วก็เรื่องความอาฆาตพยาบาทนะครับที่เป็นเรื่องของในครอบครัวครับก็ตนเองก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าในพี่น้องกันผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถเข้ากันได้ดีแล้วก็กำลังจะหาทางว่าเราควรจะออกไปทำงานของตัวเองจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าเวลาผ่านไปหนึ่งปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับตนเองเป็นเป็นคนที่ คือที่บ้านเป็นร้านขายยานะครับก็เขาแต่ว่าก็มีเภสัช ท, ที่อยู่ประจําอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาประจําแล้วคุณพ่อคุณแม่คงอยากให้ผมกลับมาช่วยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราผมกลับมาช่วยก็จะมีปัญหาทัศนคติกับคนที่อยู่อยู่ที่ร้านขายยาเป็นประจําก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่เภสัชแต่ว่าเขาเขาทํางานอยู่นานแล้วเขาก็ คลองกว่าผมเยอะในเรื่องในเรื่องการค้าการขายแล้วในในครอบครัวเนี่ยลักษณะการขายมันต้องเป็นแบบที่ครอบครัวเขาเขาอนุมัติหรือว่า เ, าเป็นชอบใจไม่ใช่ในแบบที่เราคิดเป็นตรงตามวิชาการที่เราเรียนมาอย่างนี้ครับผมเองเรียนเภสัชมาตอนปริญญาตรีแต่ว่าตอนนี้ตอนที่เรียนสูงขึ้นมาก็ไม่ได้เรียนทางเภสัชก็ลืมๆไปบ้างแต่ว่าตนเองก็ยัง มีความรู้ในด้านสุขภาพอยู่อะไรเงี้ยก็หลายครั้งที่รู้ว่าความรู้ทางวิชาการที่เราเรียนเรียนมามันไม่ตรงกันนะกับคนที่เขาอยู่หน้าร้านแล้วมันเกิดคอน FLICT ครับมันเกิดความขัดแย้งแล้วมันบางทีเป็นความพ่อคุณแม่เขาก็จะต้องต้องเอาน้องคนนั้นที่อยู่ที่ไม่ใช่เทศัตรูแต่ว่าเขาเป็นตัวหลัก่งก็คือเขา ก, ก็ต้องถือห่างเขาอะ่ะเขายังเคยพูดเลยว่า ถ้าถ้าถ้าถ้าเราเดินออกไปพ่อแม่ก็จะเดินออกไปเหมือนกันนะคือถ้าเกิดไม่ไหวก็จะ ก, ก็คือเราพ่อแม่ก็จะตามไปเหมือนกันเหมือนกับว่าเขาเป็นเป็ น, ปนลูกสาวศึกทีรักของทิศของลาแล้วเป็นตัวแบบว่ากําหนดอะไรทุกอย่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันมาพอเวลาผมมาอยู่เลยแล้วแล้วผมรู้สึกอึดอัดนะครับผมก็เลยย้ายไปทํางานที่เป็นงานงานบ้านแทนเช่น ล้างห้องน้ํากว่าอะไรที่มันใช้แรงงานที่ไม่ต้องมาปะทะ ก, กับเขาอย่าเงี้ยแต่ว่าเวลาผ่านไป น, นานๆผมก็รู้สึกว่ามันมันทําให้มันผมควรจะมีงานที่ผมสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่ามามาพึ่งกับที่บ้านแบบนี้มันมันผมรู้สึกไม่ดีเพราะว่าอืมถึงแม้จะช่วยงานที่มันเป็นงานใช้แรงกายหรือว่างานงานเขาเรียกอะไรงาน ว่าปัดกว่าเช็ดถูยเนี้ยที่ไม่ได้ใช้หัวมากเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนคิดเยอะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ได้รู้สึกภูมิใจนะฮะเวลาเขาให้เงินเดือนมาแต่ละเดือนคือมันมันจะน้อยกว่าคนคนที่อยู่ที่ที่หน้าร้านที่เขา ท, ที่เขารับผิดชอบเรื่องการขา ย, ยาผมก็เลยกำลังตัดสินใจแต่ว่าจะจะปรึกษาอาจารย์ด้วยว่า อย่างนี้คือผมสติผมก็ยังไม่แข็งแรงคือผมก็ฝึกอยู่อยู่อยู่เป็นประจำแล้วเวลาที่มันมีโทรศัท์นะผมต้องรีบออกไปอ่ะรีบเดินออกไปไม่งั้นหลายครั้งแล้วเดี๋ยวจะเกิดแบบว่าปะทะกันแล้วใช้ความรุนแรงเงี้ยผมก็รู้สึกถ้ามันเกิดขึ้นผมมันมันก็จะรู้สึกเป็นบาปต่อตัวผมเองแล้วผมผมก็รู้อผมก็กลัวอยู่ว่าอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาก็เป็นคนแข็งในทัศนะของเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคือ บรรยากาศในบ้านนะไม่ค่อยดีคือผมมันจะสนุกดันจะาเาอะไรจะถามอะไรที่จะถามก็คือผมผมรู้สึกว่าเวลามันเกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยสติของผมเนี่ยยังยั ง, ย, งยังฝึกอยู่แต่ว่ามันยังไม่สามารถตัดโทสะตัดความอาคตาพยาบาทที่เกิดขึ้นอ่ากับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า อ่าออปชันที่ดีคือการออกไปหางานที่อื่นจะดีกว่าใช่ไหมครับามากกว่าทนอยู่อย่างนี้เนี่ฮก็แล้วแต่คนจะตัดสินใจนะ<ม>ก็ลองดูลองดูไปแล้วเป็นยังไงดีไหมอันนี้เราไม่รู้รายละเอียดมันต้องทดลอง เ, อเองพิสูจน์เองถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปคือโดยหลักเนี่มีพระเคยประกาศ ถามพระอาจารย์มันว่าจะขอลาไปอยู่ที่อื่นดีไหมปรอาจารย์มันก็ตอบว่าถ้าอยู่ถ้าไปดีก็อยู่ก็ไปถ้าอยู่ถ้าอยู่ดีกว่าไปก็อยู่ถ้าอยู่กับไปเท่ากันอยู่ก็ได้ไปก็ได้อันนี้ก็เป็นหลักการตัดสินใจ เวลาเราจะทำอะไรเราก็ดูผลที่จะตามมาว่ามันดีแล้ไม่ดีเสียงคุณหายไปไหนไหม่ทราบไม่ฮัลโหลครับคได้ยินแล้วโอเคครับครับพอใจไหม้าใจครับก็ตอบได้กลางๆอย่างนี้แหละส่วนคุณจะตัดสินยังไงก็อย่ามาว่าเราเป็นคนสูงมหัวให้ตัดสินเรืนนะ่อนะครับเดี๋ยวทางบ้านก็อาจจะไม่พอใจถ้าคุณ ตัดสินใจไปในทางที่เขาไม่พอใจเดี๋ยวเาก็จะหาว่าพระมายุ่งเกี่ยวอะไรกับชาวบ้านเนี่ยแล้วพอเวลามีโทรศัพท์มันไม่อยู่อาจารย์ผมพูดโทรพุโ ท, โ ท, โทแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พยายามทาเป็นเป็นผู้รู้อย่างเงี้ยไม่อยู่ครับผมโทรศัพท์ไม่เคยจากทิศถีของเราเรายังถือว่าเราเก่งเราอะไรอยู่ยการที่จะอยู่กับคนอื่นได้โดยที่ไม่มีปัญหาก็คือเราต้องยอมหยุดเย็นยนี่หม ให้ยอมเขา้าให้เขาเป็นช้างเท้าหน้าแล้วเป็นช้างเท้าหลังอืนี่มันก็จบแต่ถ้ า, าต่างฝ่ายต่างจะเป็นท้าช้างเท้าหน้าด้วยกันมันก็ชนกันเลยเขาก็ใหญ่แล้วก็ใหญ่ความเห็นเขาถูกความเห็นเราก็ถูกมันก็ชนกันเลยมันก็โกรธแต่ก็อย่างที่ว่าเราก็ร้อยู่แล้วว่าผลที่จะเป็นยังไงเราก็เป็นฝ่ายที่เขาไม่สนับสนุนเราเราจะมีผลอยู่ยเขาทําไม แล้วก็ถอยถอยดีกว่ายอมหยุดเย็นถ้าอยู่ก็อยู่แบบช้ำเท้าหลังไปครับงคุณทำเนี่ยไปล้างห้องน้ําไปทํางานอะไรที่ไม่ต้องไปชนอยู่เขาครับครถ้าคุณคิดว่าชีวิตของคุณมีคุณค้ามากกว่าการอยู่ล้างห้องน้ําถึงก็หางานของคุณทำครับครับครับเข้าใจไครับนะ เข้าใจครับเข้าใจครับครับกราบขอบพระคุณครับสาธุอาจารย์พรหมพิรายสวัสดีจ้าเพื่อนคุณอาจารย์กับพื่อคุณเข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับสวัสดีค่ะสวัดีนะยามแพ้หายดีเรียบร้อยดี่ะทุกอย่างโอเคเลยครับปกติไปเล่นกอล์ฟแล้วด้วยครับเออดีเดี๋ยวไปพบแพทย์ค่ะวันศุกร์ค่ะโอเค อะไรไหมไม่มีค่ะก็ฟังของเมื่อคืนนี้ก็มีหลายประเด็นนะคะแต่ว่าพอจะทําความเข้าใจได้เออาไปเรื่อยๆมันจะช่วยให้การปฏิบัติเราดีขึ้นไปตามลํำดับเพราะว่าเมื่อวานนี้จะพูดเอ่อหลายท่านพูดเรื่องของ wisdom เรื่องของปัญญาแต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องของการนั่งสมาธิเท่าไหร่นะคะแต่ว่า เรื่องของสมาธิมันมันไม่มีอะไรมากว่าให้มีสตินั่งดูลงไปอั้รเนี่ยแล้วนั่งพุโทโธไปแล้วก็อย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่นั่ง่ะอันนั้นก็ปฏิบัติอค่ะวันนี้นนไม่มีอะไรค่ะเดิไม่รบกวรค่ะเพราะว่ามีหลายท่านอาทิตย์สัปดาห์ที่ทแล้วก็ดึกมากเลยนะคะได้ค่ะ ตอนนี้เฟซบุ๊กสดถ่ายทอดสดได้แล้วนะถ้าเกิดใครอยากจะทราบอันนี้ผ่านจาก O B S แล้วผ่านจากเฟซบุ๊กโดยตรงอันนี้ใช่ซูมค่ะผ่านทางผ่านทางเฟซผ่านทางเฟซบุ๊กโดยตรงเลยครับจากจากซูมไปที่ไปที่เฟซบุ๊กเลยครับเอาแล้วนะเดี๋ยวขอไปที่ท่านต่อไปคุณเอกจากเชียงร การนับเทศกาลพระอาจารย์ครับชัดดีว่ามีอะไรว่ามาเลยก็สัปดาห์นี้ก็มีอะไรครับพระอาจารย์เข้าประกาศพระอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ฟังไปแล้วกันะสั่งไปครับผมสั่งพระประดบารมีสั่งพระประดับปัญญาบารมีครับผมดีสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้เราก็จะได้รู้ ที่เรารู้แล้วถ้าได้ฟังอีกก็อาจจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นปในด้านบางับผมไในกําจัดความสงสัยต่างๆได้ทําให้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นต้องปฏิบัติอย่างไรครับผมถ้ามีอะไรก็ไปท่านต่อไปนะครับผมครับผมบาองี่ต้องทําช่วงนั้นๆต้องทําเวลาหน่อยเพราะมิฉะเดียวมัน อาจะเลิกเป็นห้าหทุ่มนึงครับผมใช่ครับถ้าผม่แล้อาจจะต้องขอทำเวลาหน่อยถ้าเกิดมีเวลาเหลือใครอยากจะถามรอบสองก็ค่อยว่านะครับผมได้ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมครับเชิญต่อไปคุณหมอภาสนาพันธแพทย์ มรสการพระอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณบอลคุณหลาคุณชัยก็วันอาทิตย์นี้นะคะเพื่อได้หนังสือจากคุณหลานะคะขอบคุณคุณหลามากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณชัยเพราะว่าฟังเทปของฟังเือของลุงตามหาโบกวเกือบจบแล้วค่ะชุดธรรมะเต็มพร้อมก็ได้อะไรคือฟังเริ่มเข้าใจเยอะขึ้นแล้วก็ได้อะไรเยอะเลยก็สิ่งที่ทําเพิ่มของอาทิตย์นี้นะคะพระอาจารย์ก็คือว่าไปเริ่มทําทางเดินจงกลมที่บ้านเพื่อจะได้ให้ให้ชินกับกับ ต้นไม้ป่าเขาเพาปกติตัวเองเนี่ยพอตอนคืนจะไม่เดินลงไปข้างนอกแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเตรียมตัวเองก็เลยทําทางเดินจงกรมรอบบ้านก็จะเดินในต้นไม้คือจะไม่เดินข้างบนและจะเดินข้างนอกตอนกลาคืนนะคะอาจารย์แล้ว ก, แวก็แล้วก็ที่เพิ่มก็คือเออถือเออถือซิลแใช่ไหมอดเช้าเย็นก็คือ4ี่วันใน7วันทุกอาทิตย์นะคะก็คือสี่วันแล้วก็ชุดงดมัดหนึ่งวัน ก็ตอนนี้ก็คือพิจารณาใจรักกับที่พระอาจารย์แนะนําก็คือว่าพิจารณาใจรักในรูปลูกติดเสียงแล้วก็เรื่องของโรคกระทำแตดซึ่งดูแล้วก็คือสามารถที่จะเหลายๆอย่างก็ค่อยๆเบาเบาวางลงการที่เราดูเรื่องของโรคโกรหลงเนี่ยเรื่องความโลภเนี่ยดูแล้วคือคื อ, ค, อคือดูแล้วมันตัดได้ค่อนข้างาจะดูแล้วตอนนี้ความโลภเนี่ยจะโอเคคือไม่ไม่ได้เป็นความโลภในชื่อเสียงร้ยายอะไรทั้งสิ้นแล้วนะคะพระอาจารย์ความโกรธเบาบางลงเยอะเพราะว่า ตัดที่ความอยากอะพระอาจารย์เี่ยที่มันต้นต่อก็เลยรู้สึกว่าความโกรธเนี่ยเ อ, เอตัดไ ด, ได้เยอะมากขึ้นแล้วก็เรื่องของความหลงอะก็คือเริ่มเราพิจารณาเรื่องกายเนี่ยมันทําให้เราคือลดเรื่องของความหลงในเรื่องของเรื่องลูกเรื่องอะไรอะคือแบบมันจะเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นอะพระอาจารย์ก็คือพอาายายามปฏิบัติทั้งอาทิตย์เต็ที่พระอาจารย์แนะนําค่ะแล้วก็แล้วก็เพิ่มนั่งสมาธิเป็นสี่ เทวศิลป์ทานนี่เรากินมื้อเดียวดูมหรืว่ามื้อเดียววันเดียวมื้อเดียววันเสาร์ที่ทําทุกที่แบบกวนข้าวนะคะาอาจารย์เพราะว่าต้องการตัดเรื่องรถเพราะว่าต้องการตรวจคือเอาข้าว ม, มาคลุกรวมกันนะคะาอาจารย์อ๋อจะเอากินอาหารมาเลยนะก็ที่บ้านสนับสนุนมากเลยเพราะมีแต่คนช่วยคลุกแล้วอาจารย์มีแคนผอกว่าจะเอ า, าช่องผสมกับแกงแหแบบทุกคนแบบรู้สึกจะชื่นชอบมากแต่ว่าตอนที่ไปที่เขาชิโอนพี่ตุ้มน่ารักมากเลยค่ะบอกว่า เพราะว่าบอกพี่ตุ้มว่ากินมือเดียวก็คลุกเลยพี่ตุ้ม้องเขาต้มมาให้อะไรเงี้ยคือแบบเออก็คือกายังก็ยังไม่ได้คลุกนะอาจารย์คือกินง่ายแต่ถ้ที่บ้านเนี่ยจะครุกจะจะโหกว่าค่ะก็เป็นสีในเจ็พระอาจารย์แล้วก็พิจารณาตอนช้ากับตอนเย็นก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะอาจารย์ทั้งทั้งทั้งหกทั้งห้าบับนะครับเพราะว่าเออเพราะว่าเออใช้ปานามาณสติอยู่แล้วก็ก็คือพิจารณาแล้วก็ทําตามที่พระอาจารย์บอกคือ เมืพิจารณาไม่เที่ยมพิจารณาหน้ตาพิจารณาสุภาพไม่สวยงามแล้วก็พิจารณาละเอียดเลยพระอาจารย์เพราะว่าอยากจะให้มันเหมือนกับฟังที่พระอาจารย์พูดเท่แล้วก็ตรงตาเท่แต่ถ้าเกิดเราคิดถึงเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ทําให้เราสามารถที่จะรัดจิงได้แล้วก็อย่างที่บอกทั้งที่เรียนพระอาจารย์อ่ะถ้าเกิดไปที่ที่ที่เขาซีอิลใหม่เนี่ยจะวันนี้เตรียมพร้อมแล้วว่าจะทําอะไรบ้างก็เลยเตรียมตัวเองที่นี่เลยค่ะพระอาจารย์ ก็พิจารณาทั้งหกอย่างทำไปเรื่อยๆนะเป้าหมายก็คือชำระความอยากตให้หมดไปจากใจความอยากที่ไม่ดีเนี่ยความอยากที่ดีก็เก็บไว้ความอยากปฏิบัติทำอยากทําบุญนะอะไรพวกนี้อยากความอยากอยากได้ลูกเสียงกลิ่นนั่นความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นทั้งของเราทั้งทั้งคนอื่นนี่ก็ตัดนะให้มันนี่ อยากไปยุ่งกับใครอยากไยุ่งกับอะไรเราสามารถอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้ยังมีความสุขมันเหมือนตัดได้มันเหมือนตัดได้แบบเร็วขึ้นง่ายขึ้นมันเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับง่ายที่น้าพระอาจารย์กาแฟอย่างเงี้ยไม่กินก็คือเฉยๆก็คือปกติเป็นคนกินกาแฟเยอะมากเลยนะพระอาจารย์สิบก้วต่อวันแล้วความโกรธอ่ะคือรู้สึกนะคับใจเรื่องความโกรธมากเพาะว่าตัวเองจะค่อนข้างจะแบบเอารมณ์คือจะเป็นคนที่เร็วเงฮะแต่พอทํามีสมาธิอ่ะคือ คือเข้าใจที่ทีอาจารย์แนะนำเลยว่าต้องทำสมาธิเพราะว่ามันทำให้เรานิ่งแล้วมันทำเรื่องความตัดความอยากในเร <Okay, S 2> ื่องของความโกรธได้เหรอคะอาจารย์โอเคดีทำต่อไปนะอาจารย์แล้วก่อนจะไปที่ท่านต่อไป <c oughs> อยากจะบอกแอดมินหน่อยว่าแอดมินลองเปลี่ยนวิวดูได้ไหมสลับกันดูว่ามันจออกทางสนด้เปล่าจากแกลลอรี่มาเป็น คนต่อคนดูสลับคนไปดูได้ไหมสปิเกอร์วิวใช่ไหมฮะอโอเคตอนนี้ตอนนี้ผมสลับเป็นสปิเกอร์วิวอ่าที่มันก็ที่จอของคุณแต่จอของเราเราถ้าเราไม่ตั้งมันก็คงไม่สลับแต่อยากจะรู้ว่าที่ในเฟซบุกคนจะสลับหรือเปล่าตอนนี้ในเฟซบุ o กยังเป็นยังเป็นแกลเลอรี่อยู่ฮะอี๋ยวลองดูนะถ้าลองดูครับโอเคท่านต่อไปคุณแนงสุภดาเชิญ อยู่ที่ไหนจ้าทางราชการค่ะท้าราชารได้ยินไหคะอ่าได้ยินนะค่ะอยู่อุดรค่ะอุดรค่ะกลัเข้ามาแล้วใช่ไหมเข้ามาอาทิตย์ที่แล้วค่ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีเราพากันเฉยๆนะโอเคได้ขออนุญาตนะตอนนี้ทาง Facebook ออกมาเป็นสปีกเกอร์วิวครับเป็นแล้วเลครับเป็นสรับ สลับกันนั่งให้มันมีรสชาตลลิอะไรสลับไปสลับมาให้คนจะได้ดูเห็นอะไรแปลกๆบ้างแต่อย่าสปิเกอร์ไปตลอดนะเดี๋ยวสลับไปสลับมามันจะได้ดูแล้วไม่เหมือนดีไหมได้ครับส่วนจอของพวกญาติโยมอยากจะดูสปิเกอร์วิวก็ต้องไปคลิกดูเ อ, เองนะที่ทมุมขวาบนเนี่ยมันจะมีวิวเสามารถ ตังไงมันเป็นเฉพาะเวลาใครพูดก็มีนุดปาของคนนั้นคนเดียวก็ได้เขามีให้ดูแบบสองแบบโอเคเั้นขอไปที่ท่านต่อไปาอาจารย์สายทิพย์จะอาจารย์สายทิพย์กราบนำา้ำรสการพระ อ, อาจารย์เจาัาค<ม>่ะค่ะมีอะไรก็ว่ามาไม่แน่ใจว่าเสียงไปถึงหรือเปล่ามามาถึงแล้วค่ะ ช่วงนี้ก็ถ้ารายงานการปฏิบัติก็สี่ห้านี่ถือปกติค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่มกุศลกรรมบทสิบเข้าไปแต่ก็ ก, ก็ทํามาเรื่อยๆอยู่ค่ะจะมีเรื่องคําพูดเรื่องเพรสเซอร์บ้างที่ยังยังอาจจะคุมได้น้อยกว่าอันอื่นค่ะแต่อันอื่นก็ดูโอเคทีนีม้มีเรื่องที่จะถามพระอาจารย์อยู่สองเรื่องค่ะก็คือเรื่องของการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิค่ะ อการนั่งสมาธิหนูได้ยินว่ามันมีการนั่งอยู่สามสามแบบก็คือแบบเอาขาเป็นพื้นราบแล้วก็นั่งขัดขวาทับซ้ายแล้วก็นั่งขัดสมาธิเพชรเนี้ยค่ะสามอันนี้มันแตกต่างกันยังไงหรือว่าอต้องอันไหนดีกว่าหรือว่ายังอนั่งแบบไหนก็ได้เจ้าคะแบบไหนที่เราถนัดก็แล้วกันเราถนัดก็ได้แล้วเราถนัดโดยทั่วไปเท่าที่เห็น กูบาาจารย์นั่งนั่งก็นั่งขวาทับซ้ายกันหรือซ้ายค่ะแบบปาบัพตะลูกมาทับซ้ายแต่แบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะอแล้วแต่เราจะใช้เราทดลองดูว่าผลเป็นยังไงก็ได้ว่าทางแบบนี้แล้วดูที่ผลว่านั่งแล้วแบบไหนดีกว่ากันก็เอาแบบแต่มันไม่ ผลจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งมันอยู่ที่สติมากกว่า <c oughs> เพราะว่าวันนี้เริ่มาไหนามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ดี <c oughs> เริ่มนั่งอีกลองวันนี้ลองนั่งท่าที่แบบเอ่อเท้าหรือขามันพื้นราบทั้งทั้งสองติดติดพื้นดูนั่งสบายที่สุดค่ะแต่เลยไม่แน่ใจว่าเอ้มันจะมันจะมีผลหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นท่าที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บขาอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยมาถามพระอาจารย์ <c oughs> อีกอันนึงก็คือเดินตรงกลมค่ะ เราก็เดินไปเรื่อยๆทีนี้ตอนที่ตรงถึงที่หยุดแล้วก็จะกลับเราควรที่จะต้องหยุดให้หยุดยืนแล้วก็พิจารณาอะไรไหมคะหรือว่าไปเดินแล้วไปกลับแล้วก็เดินต่อไปไม่ต้องยืนแล้วก็เอาไปสุดทางแล้วก็เลี้ยวกลับไม่ต้องเดินต่อสุดทางก็เลี้ยวกลับไม่ต้องเฉยๆไม่ต้องอะไรนอกจากอยากจะยืนเฉยๆก็ได้ไม่ห้ามไม่ได้จําเป็นว่าต้องหยุด หยุดเพื่อดูสติอะไรใช่ไหมคะอ่าก็มันต้องมีสติขนาดนี้ด้วยมันมันต้องมาดูตรงไหนเอืมคเพราะเพราะว่า<ๆ>บางทีเราไปเราไปเราเราไปอ่าเคยไปหลายที่อะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ต้องหยุดยืนแล้วก็ดูขึ้นลงร่างกายแล้วก็หรือบางทีก็ แต่เราก็ไม่ค่อยจะชอบหยุดเท่าไหร่ค่ะหมายถึงว่าเราถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะโมนแล้วก็กลับแล้วก็เดินเล ย, เยแต่ทีนี้กลัวว่าการยืนแล้วพิจารณามันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าก็าเลยมาถามพระอาจารย์ด้ครับพระองค์ท่องออถามตัวเองในการปฏิบัตินันปฏิบัติลองโมเตะดูเองว่ามันดีหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมคะก็ได้ทั้งนั้นแหละหยุดมันจะหยุดแล้วก็สร้างสติใหม่แล้วก็เดินต่อไมได้ ถ้าสติไม่เผลอแล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วก็เดินต่อไปเลยก็ได้ก็คือทำยังไงก็ได้ขอให้มีสติอ่านั่นแหละสติเป็นหลักการท่าเดินเป็นรองนะค่ะเห็นให้ดูให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่องจนเป็นสัพชัญญาคือไม่เผลอไม่แวะไปคิดรื่องนั้นไม่แวะไคิดอย่างนี้บบ อ, ยนอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับเท้าที่เราเดินอย่างไร อันนี้มีคําถามแค่แค่สองเรื่องนี้เจ้าค่ะโอเคสาธุค่ะรัอบอาจารย์เดี๋ยวไปที่ท่านตอบไปนะนคุณพัชเชิญพัชนะจากสี่ไหนลพ บ, บุรีเลยการนมัสการครับพระอาจารย์สวัสดีพี่บอยพี่หลาแล้วสวัสดีพี่ทุกคนครับลพบุรีครับเแต่ลพ บ, บุรีครับมีอะไรไหมวันนี้ครับมีครับก็ จะมารายงานผลการของปฏิบัติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ<ม>ก็เมื่อช่วงอครึ่งแรกเนี่ยรู้สึกว่าทําได้น้อยแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยทําได้อมากแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะชนะชนะต่อเนื่องประมาณเนี้ยครับก็เลยมากราบเราให้พระอาจารย์ฟังครับใช้เป็นอุบายในการปฏิบัติจะได้มีเรื่องมาเล่าครับไม่ใช่มาเล่าแล้วแบบไม่ได้ปฏิบัติเลยเนะครับผมนี่ครับ พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆเพราะการปฏิบัตินี่จะเป็นตัวที่จะให้ผลส่วนการเรียนการฟังนี่เป็นการเป็นการเสริมการปฏิบัติให้ให้ถูกต้องครับถ้าไม่เรียนไม่ฟังก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องผลก็ไม่เกิดครับก็ต้องต้องฟังด้วยแต่ฟังแล้วต้องนำมา ป, ปฏิบัติ อเคผมมีคําถามหนึ่งพระอาจารย์ครับผมดีเคยเคยนั่งเรือแล้วเมาเรือทีนี้ก็ไปอ่านมาบอกว่าประมาณชาญนแปดเนี่ยมันจะแบบไม่รู้อะไรเลยถ้าเราแบบเข้าชา้นแปดได้เนี่ยจะแก้มเมาเรือได้ไหมครับมันมันแบบไร้สารละเนะี่ยอยากจะทราบเฉยๆเม่ต้อง <นะ S 1> ถึงชั้นแปดแล้วแค่ชาญนสี่มันก็มันก็หลุดออกจากร่างกายไปนะ้วร่างกายเป็นอะเรมันก็ไม่รับเลยนะโอ้คับ ครับไม่ไม่ไมีอะไรจะถามมาครับโอเคแต่ท่านได้ชาติสีเวลาเ อ, อกมามันก็สามารถคุมจิตได้จะเมาเรือมันก็คุมไม่ให้เหมาได้ครับโอ้คือแม้มันที่มันเมาเ่าะมันไปตามการการเคลื่อนไหวของสิ่งรอบๆนี่มันก็เลยทําให้เห ม, มาขึ้นมาครัแต่ท่านดึงจิตให้อยู่ข้างในให้เฉยๆไม้ไปรับรู้ภายนอกมันก็ไม่เมา ครับไม่ไม่มีคำถามแล้วครับเราปฏิบัติไปฝึกสติไปแล้วเราจะควบคุมจิตของเราได้ครับพระอาจารย์ครับจะจะแชร์ได้ไหมครับพอดีว่ามีหลวงพี่ท่านแนะนําแอปพลิเคชันรู้สึกว่ามันช่วยในให้ผมปฏิบัติได้สําเร็จได้ครับมันเหมือนจะมีเสียงลักคังบอกเลยครับแล้วก็แบบใกล้จะถึงแล้วก็สู้กับมันอีกให้มันมีเสียงลักคังอะไรนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องไปมีอะไรดีดกวไ ม, ไม่มีอะไรดีกว่า ชื่อไปยังารหมดแรงดีมันไม่ต้องรอระครังมันทีมันแบบเออแบบหมดแรงมันรู้สึกว่าเหมือนไกลครับถ้าแบบมีระครังเแนบบี่ยเอ้ยเป๊ะนึงก็ต่ออีกหน่อยยังต่ออีกหน่อยนะครับมันก็แบบว่าเราไม่ได้เอาระครังเป็นหลักนะเอาเอาผลของการปฏิบัติเปนหลัรับครับถ้ายังไม่ได้ผลก็อย่าเพิ่งหยุดนะครั บ, รบโอเคเพราะามันมีระครังเนี่ยมันใจมันจะมาคอยคิดคอรอระครังอยู่เลย การที่จะอยู่กับการปฏิบัติมันก็ให้ระคังเมื่อไหร่จะมาทุกทีอครับถึงเสียเปล่าเปล่าครับทำนานผิดปกติจานเลยใช่มันครับแต่ไม่มีอะไรดีกว่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านภาวนาในป่าในเขาไม่มีแอปออะไรครับครับครูบาอาจารย์ในไม่มีแอปแออะไรครับผมไม่แสติอย่างเดียวครับคิดแบบพระอาจารย์ครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเราแบบยังอ่อนหัดอะไรอย่างนี้ครับ ต้องใช้เครื่องช่วยเสริมก่อนให้แบบว่าแข็งแรงไม่เราอย่าไปใช้มันเลยเดี๋ยวการเป็นคนพิการหรยอจะไปติดมันเองครับได้ครับแล้วไปใช้อะไรเลยในที่สุดใช้ของที่มีอยู่ในตัวเราในที่สุดครับสตินครับความเพียรพยายามสองตัวนี้ใช้สองตัวนี้ดีกว่าครับอเพียรพยายามสู้ไม่ถอยทําไปเรื่อยๆครับฝึสติไปเรื่อยๆครับเพราะได้สองตัวนี้แล้วมัน เปิดทางทุ้อยากให้เราเอง ค, นะความเพียรกับสติน ะ, ะไม่ก็ในอรูสถึงความเพียรเท่าไหร่แต่เวลาปฏิบัติสติก็ต้องมีความเพียรอยู่ในตัวโอเคะ okay, นะครับกล่าวนาสการครับดูท่านต่อไปคุณซ s ชวีรอตจะทาบว่าเปิดกล้องหรือเปล่า มีแต่เก้าอี้นะฮะเอองั้นไปที่ท่านเราไปก่อนก็แล้วกันทวิสาอยากสวิตเซอร์แลนด์เชิญมัสการท่านภระอาจารย์ค่ะยังไงวันนี้วันพระเนี่ยวันนี้รักษาสิแปดใช่ไหมอยู่จงังหวัดเราทำพระาจารย์ค่ะรักษาสิบแปดค่ะก็จะทําให้ได้ทุกวันพุธนะคะพรอาจารย์แล้วก็ค่ารู้สึก บ้างหรือว่าสะดวกวันไหนก็จะเพิ่มอีกเหมือนที่ท่านพระอาจารย์แนะนำค่ะอะันนี้มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะก็ได้รับคำตอบจากญาติธรรมที่ถามก่อนหน้า น, นั้นแล้วค่ะอาจารย์โอเคค่ะขอรับฟังค่ะอาจารย์ยงไปที่คุณคุณคุณซอยดาวแล้วะยชวนาเขตคุณซอย ได้ยินไหมคุณสอยดาวเรื่องไงสุวนรณอาเข้าอผิดต้อขอต่อไปด้วยใคจะไม่ได้ยินนะฮะฮัลโหลคุณที่อยู่สวรรอาเขตได้ยินไหมอ่ า, มาแล้วพูดดังหน่อยเสียงเบ า, าเข้ามาใกล้ๆหน่อยเสียงมันคล้อยมากาโอเ ค, คอมีอะไรไหมวันนี้ ก็รายงานการปฏิบัตินะคะพอด้าวาทานข้าวันมื้อเดียวค่ะอาจารย์แล้วก็การนั่งสมาธิก็รู้สึกสงบเย็นขึ้นนะคะอาจารย์มือเดียวในช่วงที่ถือศีลแตนี่เยอมือเดียวทุกวันจะเริ่มทุกวันเลยค่ ะ, ะาอาจารย์ก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ แล้วถือศีลแปดไปด้วยเลยวันแรกทรมานมากเลยค่ะอาจารย์แล้วก็วันพอวันที่สองวันที่สามก็เอ่อธรรมดาเลยครับ่ะอาจารย์คือจะถือว่าเป็นปการปฏิบัติเป็นปกติไปเลยทุกวันเลยใช่ค่ะอาจารย์ก็จะทําไปเรื่อยๆเมื่อเดี๋ยวก็คู่ไปกับถือศีลตปดไปในตัวด้วยได้ไงดีว่าก็ ถือหรือบางทีก็ไม่ครบทั้งแปดค่ะแต่เอามือเดียวแน่นอนค่ะแน่นอนก็คือทานวันมื้อเช้าแล้วก็หยุดทานเลยค่ะว่าอาจารย์ลืมกระน้าเปล่าก็ทําให้หน้าหุ่นดีไปเนยนะน้ำหนักลดลงนะก็ประมาณนั้นนะคะพระอาจารย์ก็มีหลายอย่างาก็ดีไปด้วยนะคะรันเดียอ น, นี่สองนี่ประหยัดเงินด้วย ยกคียุโควิดด้วยหลายด้านไม่ค่อยมีก็ต้องลดการกินให้น้อยลงหน่อยไปหนูเป็นฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะอาจารย์เป็นพยาบาลเหรอใช่ค่ะพยาบาลที่ลาวเลยเขาไม่เขาให้ฉีดแตเราไดมาฉีดที่เมืองไทยเออฉีดที่ลาวเนี่ยนะค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมีมีระบาดขึ้นมาที่ลาวด้วยเออทางเราก็มีให้ฉีดวัคซีน ฟรีค่ะฟรีแล้วก็ให้พวกแพทย์พยาบาลก่อนนียมาช่วงนี้ใช่ค่ะให้ก็มีเรื่อยๆค่ะพ่าจารย์จีนยี่ห้อไหนอ่าน่าจะเป็นของของของจีนของจี น, จนชินโนแวกชินโนแวกน่าจะเป็นเนี้โอเคดีหนูก็ไม่รู้เหมือนกันครับ่ า, าหนูอยากขอพรจากพระอาจารย์นะคะขออะไรล่ะ ขอพรให้มีกําลังใจในการปฏิบัติต่อไปแล้วก็ออชาตินี้ไม่อยากจะเกิดอีกแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก็ต้องต้องศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆจึงจะมีกําลังใจอย่าอย่าทิ้งธรรมะคำสอนของพระเจา้าเหมือนฟังเทศฟังธรรมนึกเข้ามาสนามุนทาธรรมกั้นอย่างน้อยก็ทิศละหนึ่งครั้งขึ้นไปทุกครั้งที่ฟังเทศฟังธรรมนึกสุนทรธรรมมันจะทําทให้เกิดมีกําลังใจ มันจะเตือนสติเมื่ที่เราลืมเรื่องธรรมมากไปเรามากังวลเรื่องกิเลสพอามาฟังธรรมบทีมันก็ทําให้เราคลิกใจเรากลับขึาา้นมาใหม่เน้นอย่าทอดทิ้งการฟังธรรมนะการฟังธรรมการสนทนาธรรมท่านนี้จะเป็นตัวที่จะให้กําลังใจกับการปฏิบัติของเรามราถูกทางแล้วเนี่ยถ้าช้านกินมื้อเดียวก็ได้นี่ก็ถือว่าเอนี่ม เดินเขาที่เข้าทางแล้วค่ะบางทีก็หลุดบ้างค่ะพระอาจารย์มันไปมันไปมันทำงานกินเมื่อเดียวนี่เลยอ๋อเริ่มเริ่มเริ่มทานแล้วค่ะพระอาจารย์เริ่มทานมือเดียวไม่ไม่เดือดร้อนในเวลาทํางานไม่รู้สึกหิวเลยไม่รู้สึกเลยค่ะพระอาจารย์ก็เฉยๆค่ะตอนแรก็จะทรมานเพื่อนๆก็ไม่ชวนกินอะไรเลยอ๋อหนูไม่ค่อย คุยกับใครอะคะว่าอาจารย์โอเคค่ะก็จะอยู่อยู่คนเดียวอะค่ะชอบอยู่คนเดียวมากกว่าโอเคดีนัปฏิบัติต้องอย่างนี้แลหละไม่คุก ค, คีีวันนี้มีแม่มาด้วยเออเขาก็มาตั้งทายกันหน่อย ไ, ได้ไหม่รวัาาติทักทายประว่ า, าสวัสดีจ้ะสวัสดีส สบายดีทางเราก็ทักทายแล้วกันเพราะว่าสบายดีด้วยอยู่กันสองคนค่ะอาจารย์อยู่กันแม่ก็เป็นผ้าฐารของของลูกนะลูกจงเลี้ยงดูแม่ใดีนะได้บุญเยอะชวนแมาปฏิบัติธรรมดีที่สุดชวนแล้วค่ะว่าอาจารย์แต่ว่าแม่ก็สุขภาพดีนะไม่ดีก็ได้ จุกกระพ่านนม่งนอยดีค่ะนั่งาาไม่ได้บแบบนอนก็ได้นอนสวดก็ได้สวดมนต์ไปพยาย<ม>ามบอกแม่อยู่ให้นโมตสาตหัดสวดมนต์อิติปิโสไปร้อยจบด้ยวหดดยหัดสวดอิติปิโววาาสปตะว่าอรหัสมาสัพพุโธดูแล้วนอนถ้านั่งพักเพียงไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งเก้าอี้ไม่ไหวนอนสวดก็ได้ ดีเราไม่ทําอะไรเลยนะในการฝึกสตินสาธุครับอาจารย์โอเคส า, สาธุสาธุาธมีอะไรไหมไม่มีแล้วคะพระอาจารย์ข อ, อให้พรอาจารย์ชื่ออะไรนะลืมเมื่อซอยดาวแล้วแบบนี้สอนดวงพรเด็ดค่ะสอนดวงพร ส, สอนดวงพรสอ น, สอ น, ส, อนสอนดวงโอเคอขออภัยนะเพราะอ่านหนังสือภาษาลาวไม่เป็น อสาธูไม่ลองเขียนเป็นภาษาไทยบ้างเหรอเวลาเข้ามาในห้องนี้โอเคค่ะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้เปลี่ยนได้เลือกชื่อได้ถูกนะโอเคคาทูเอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามต่อโอเคเดี๋ยวกลับไปที่คุณเซียสเมื่อกี้นี้ผ่านข้ามมาคุณเซียชวีลาดเหรอเดทเดทคระบอาจารย์ขอโทษครับตะกี้มีธุระด่วนกับคุณแม่เลยต้องหนีจ่อไป อยู่ที่ไหนอยู่ที่จตุจักรกรุงเทพครับ<อ>เคยเข้ามาแล้วใช่ไหมเคยเข้ามาแล้วครับมีคําถามอะไรไหมมีมีคําถามเกี่ยวกับเออทุดงวัดนิดหน่อยอครับอาจารย์ที่อยู่ที่มีข้อที่ว่าให้อยู่ป่านะครับผมสงสัยว่าปกติเวลาผมนั่งสมาธิเนี่ยผมจะต้องกลางมุมเพราะว่าขนาดอยู่ในบ้านนะครับคือมันมียุ่งกัดคือไม่อยากให้ยุงมารบกวนอยากจะ้นนิ่งคราวนี้สมมติผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าพระสงฆ์ถ้าอยู่ป่าเนี่ย จะทำไนเพราะว่ามุงก็ไม่มีแล้วยุงก็เยอะมี่ท่านจะมีกรดท่านท่านจะเอากรดซึ่งเป็นร่มแล้วก็มีมุงที่ครอบครอบใช้ใช้ใช้ใช้ใ ช, ใ ช, ใ ช, ใช้ใช้ตัวร่มนี่เป็นหลังคาแล้วก็มุ้งนี่ทอนออกมารอบหลังคารอบตัวตัวร่มกลายเป็นเป็นเป็นมงุงมุ้งอีกแบบไม่ใช่มุงแบบที่เราการด้วยสี่สี่เหลี่ยมนี่เป็นมุงกลม เห็นเี๋ยวต้องลองไปซื้อมาใช้ดูใช่ครครับได้ครับด้านขายสังกัดพันอย่างนี้ก็มักเขาจะมีขายกันครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครานี้เออเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องไตจีวอนะครับคือตอนแรกนึกว่าพระสงฆ์มีผ้าสามชุดแต่ว่าพอไปฟังที่ป้าอาจารย์คุยมาเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นเสื้อผ้าชุดหนึ่งเป็นผ้าห่มชุดหนึ่งแล้วก็ผ้าห่มกันหาวอีกชุดหนึ่ง ผมก็เลยเริ่มองสัยแล้วว่าเอ๊ะมันจะ เ, เวียนผ้ากันทันได้อย่างไรคือผ้าหลักเนี่ยจะมีแค่สามผืนคือเรียกว่าผ้าใจจีวรใจแปลว่าสามคือผ้านุ่มเรียกว่าสบองหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มที่โหมคุมเนยเรียกว่าเรียกว่าจีวรแล้วก็มีผ้าที่ท่านใช้ผ้าหลายเห็นไหมอีกผืนหนึ่ง อันนั้นเป็นผ้าห่มกันหนาวเป็นสองชั้นอันนี้เป็นเป็นผ้าหลักของผ้านก็เรียกว่าผ้าคลองนะถ้าเป็นผ้าธุดดงผ้าที่ต้องถือทุดงดงที่เอาแค่สามผืนนี้เทนั้นเองแต่ก็มีมีผ้าก็เรียกว่าผ้าเสริมเช่นผ้าที่อ่าสบงแบบเวลาที่เอามานุ่งอาบน้ําอะไรพวกนี้หรือเวลาที่ไม่ได้ใช้ผ้า ที่เป็นผ้าผ้าคลองหรือผ้าคลองนี้เราจะให้ใช้ในเฉพาะเวลาทําพิธีกรรมรเวลาทําพิธีกรรมหรือว่าเวลาไปไปข้างนอกหรือไปทําอะไรที่เป็นทางการหน่อยแต่ถ้าอยู่วัดนี้ก็ให้ใส่ผ้าผ้าก็เรียกผ้าผ้าอาศัยผ้าผ้านุ่มอาศัยถบงอาศัยซึ่งอาจจะมีสองผืนไม่เปลี่ยน นุ่งวันนี้แล้วเวลาสงน้ําก็ซักมันแล้วก็เปลี่ยนอีกผืนหนึ่งแล้วก็มีผ้าอังสะนรงที่เราเรียผ้าสบายอีกสองผืนแล้วนี้เป็นผ้าเสริมครับเราแล้วเวลาเวลาเวลาที่ใส่นี่ตัวหนึ่งนี่ใส่กี่วันครับอ๋อแล้วแต่เราเราจะซักเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่ามันมันเหม็นเมื่อไหร่เราก็เราก็ซักมันเมื่อนั้น เนือถ้าเราเป็นคนขี่สะอาดกจะซักทุกวันก็ได้แล้วแต่เราอันนี้ไม่มีการบังคับแต่ถ้าเราไปอยู่กับที่วัดป่านี้วัดป่าท่านจะมีวันซักผ้าท่านจะมาให้เพอา ก, การซักผ้าของวัดป่านี้ไม่ได้ซักแบบด้วยน้ําเยน็นน้ําประปาอะไรนี้ท่านจะต้องต้มน้ําแกงขนนมแล้วเอามาซักซักผ้าแล้วก็ย้อมผ้าย้อมสีซักไปด้วยย้อมไปด้วยไม่มีปุกมะปอกแล้ว ไม่มีคือสมัยก่อนก็ไม่มีมของเช่พ่อไงธรรมเนียมของผ้าป่าสมัยก่อนต้องอาศัยการต้มน้ําแล้วก็ใส่แก่นกขนุนเข้าไปเพื่อเอาน้ําแก่นที่ออกมาเป็นสีเหลืองๆย้อมไปในตัวย้อมผ้าไปในตัวอันนี้เป็นการซักผ้าแบบของผ้าป่าไม่มีใช้แฟบไม่มีใช้น้ำปลาป่าน้ําเย็นอะไรไม่ใช้ท่านจะต้มน้ําซักกันท่านก็จะมีวันซักผ้าซึ่งมักจะ ทุกสองอาทิตย์วันก่อนที่จะเป็นวันพระใหญ่ที่หนึ่งก็ในวันวันก่อนลงปฏิโมกขนี่ท่านก็จะในวันซักผ้ากันแล้วทั้งวัดก็จะมาเข้าคิวซักกันต้มน้ํากันแล้วก็มาช่วยกันซักส่วนผ้าผ้าผ้าเสริมที่พูดถึงนี่ก็ซักทุกวันเวลาอาบน้ําก็ซักผ้าผ้าผ้าผ้าเสริมเช่นผ้าสบงเสริมกับผ้า ผ้าอังสันี่ที่เป็นผ้าสบายที่เวลาท่านไม่ได้นุ่งห่จีวรท่านก็ใส่ผ้าสบายแล้วก็ผ้าอังสะกแล้วก็ผ้าสมบองสเสริมนี่อันนี้ซักทุกวันเวลาอาบน้ําก็ใช้เป็นผ้าอาบน้ำไปในตัวคืเพราะผ้าผ<า>้าป<า>่ า, า, าท่านจะไม่ได้อาบเขา้าน้ําือนท่านอยากไปที่สักไปที่ข้างบ่ออะไรแล้วก็อาบแบบ น, นี้แต่ยุคนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะแต่เมือ่อยุค ก, ก่อนเป็นยังไงครับขอบคุณครับ แล้วแล้วอีกข้อนหนึ่งครับข้อที่ว่าในสัตวชี้อะครับที่ว่าไม่ไม่เข้าอริยบทนอนใช่ไหมครับใช่ให้ถือสามอริยบทครับอันนี้อันนี้แล้วอย่างนี้เวลานอนก็คือนั่งพิงอะไรนอนอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่านั่งอะไรหลับในสามท่าเนี่ยท่าใดท่าหนึ่งคือ<ม>พิงพิงหลังได้อ่อคือเป้าหมายคือให้นอนน้อยน้อยที่สุดเพราะถ้าถ้าเอ็นหลังล้วมันจะนอนยาวมันสบาย แต่ถ้านั่งหลับนี้นั่งสมาธิไปแล้วกหลับไปเดี๋ยวสื้้ า, า, ามันเช็ดคอมันก็เตื่นขึ้นมามืนไปจะได้รูปทําการานั่งสมาธิต่อไปได้ครับแล้วร่างกายไม่เป็นไรหรอครับ้ก็ไม่ไม่ได้ทําแบบหักโง่ไงทำเป็นพักๆหน่อยเช่นวันพัอาจจะเอาสักครั้งหนึ่งบางวันไม่ได้ไม่ได้เอาทุกวันเลยเอาเป็นพักๆช่วง อาจจะเอาทีละสามวันบ้างห้าวันบ้างแล้ ว, 3, 000, 5, วลแต่กําลังที่จะทําไหวครับ่างกายมันได้ดีสุดมันก็ต้องพักของมันเห็นแต่ว่าจะไม่ให้มันคักมากเกินไปครับเออแล้วแล้วต่อต่อจากเรื่องเนี้ยครับเรื่องเรื่องเรื่องการนอนคือคือผมเห็นนีวันห้าที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเนี่ยท่านท่านเปรียบว่าเออการมสัญญาไม่เหมือนเป็นนี่นะครับแล้วก็ถ้ากโกรธเนี่ยมันก็เป็นโรคถ้า ง่วงง่งนอนเนี่ยเหมือนกับว่าติดคุกอืมอ น, นี้ผมลอยสรงไตขึ้นมาว่าเออเวลาคนเรานอนหลับเนี่ยแล้วหลาตายไประหว่างนอนนะครับมันจะมีวิธีไหนไหมที่จะป้องกันการการหลาตายแล้วไปในเ อ, อทุกคติอะไรอย่างเงี้ยครับเออเรื่องเรื่องตายนี่เราไปห้ามมันไม่ได้ไไดร่งางกายถึงเวลามันจะตายก็ตายแต่เรื่องไปทุกคตินี้เราห้ามด้วยการทําบุญอย่าไปทําบา วเวลาตายนี่บุญกับบาปมันจะมาเป็นตัวจัดการกับจิตของเราว่าให้ไปทางไหนถ้าบุญเรามากกว่า บ, บาปมันก็จะดึงจิตไปทางสวรรค์ไปทางสุคติถ้าบาปมันมากกว่า บ, บุญมันก็จะดึงเราไปทางอาบายัยอยางนั้นทำตามผู้เจ้าสอนบอกละการกระทาบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมแล้วเวลาตายไปจะไปสุคติอย่างแน่ น, นอน อาจารย์ครับเอ่ออีกเรื่องหนึ่งครับคือผมไปอ่านมาเรื่องเกี่ยวกับอนันตริยกรรมเออนอกนอกจากอนันตริยกรรม 5, ห้าเนี่ยครับไม่มีไม่มีกรรมอื่นไหนที่จะขวางเราเข้าสู่การบรรลุธรรมในชาตินี้แล้วถูกไหมครับก็ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าแม้แต่อนันตริยกรรมนี่ก็ไม่ทราบว่าในในคัมภีร์ท่าว่าการมาให้ไปนิพพาน อาจจะต้องไปใช้กรรมก่อนแล้วพากลับม า, อ ย, าอย่างพระเทวทัตนี่ก็ต้องไปใช้กรรมก่อนเก็ทําอันตรายกรรมคือทําให้พระพุทธเจ้าห้อเรือดแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าหลังจากที่ใช้กรรมหมดแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็สามารถบรรลุเป็นพระพุทธพระปฏิเจ้กับพระพุทธเจ้าต่อไปได้อย่างอย่างสมมุติว่าเออถ้าพระสงฆ์ประราชปิดออกมานะครับอืก็ยังจะสามารถบรรลุธรรมได้ในฐานะฆราวาสเหมือนับ แคไม่ได้อยู่ในศูนย์ท้องเออ๋อคือมันยากขนาดต่ก็ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องสุดวิสัยคือถ้าถ้าไม่มีสติขณะที่เป็นพระไม่มีสติหักข้ามใจได้ออกมาเป็นเทวาามันจะรู้สึกจะยากกว่าการที่จะควบคุมใจนั้นแต่ก็มีการยกเว้นอย่างองคุลิมานเนี่ยนะองคุริมานฆ่าคนหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน พอเจอพระเจ้าก็พระเจ้าสอนให้ฆ่ากิเลสแทน เ, เป็นเป็นเป้าหมายมาฆ่ากิเลสแล้ับรรลเป็นพาาาระอรหันต์ไดขอบคุณพระอาจารย์มากครับงั้นเดี๋ยวถามแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรบกวนเวลาถามคนอื่นเดี๋ยวมาถามตอนหลังบายังไมรู้มากเลยบอกว่นีรู้สติตัวเดียวอะดีกว่ารู้สีแต่รู้สติแล้วเอาไปปฏิบัติจะดีกว่า เองวันี้รู้มาแล้วมันก็จะทําให้เรากลายเป็นอาจจะกลายเป็นเครื่องปีดปากก็ได้ทําให้เราเฮ้เราทำผิดอย่างนี้เราจะไปได้หรือเปล่าขึ้นมาลังเล่ยสงสยัยสร้างความลังเลสงสัยต่างๆขึ้นมาก็ให้ฟังหูฟังฟังแล้วก็ปล่อยวางให้กลับมาสนใจที่การการจเจริญสติเป็นหลักก็แล้วกันขอบคุณครับ เป็ไปที่ท่านต่อไปบุนวางได้จึงเบาเป็ี่นชื่อเะไรก่อนตอชื่ออะไรนะการรมัสการพยาการเจ้าค่ะชื่อหนิงเจ้าค่ะแต่ว่ายปโปายมเปลี่ยเจ้าค่ะโยมโยมคือว่าโยมเปลี่ยนชื่อเฟซเป็นวางได้จึงเบาประมาณสักหกเจ็ดเดือนเจ้าค่ะเพราะว่าไปอ่านดูแล้วคือไม่มันเป็นนักตาเจ้าค่ะไม่อยาก ไม่อยากให้มีตัว อ, อะไรนะ เ, เจ้าค่ะชื่อดีชื่อดีวางได้จนเบาแล้วก็ทําใจให้วางไปเรื่อยๆอะไรอย่างเนี้เจ้าค่ะมันก็เหมือนฝึกสะกดจิตตัวเองไปเลยเจ้าค่ะดีดีมากเ <laughs> จ้าค่ะก็เลยเปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าเผื่อเผืออ่อเอาเป็นแนวท่านอื่นอะไรเงนี้เจ้าค่ะจะได้ไม่ต้องมีตัวตนเจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะคระอาจอ๋อโยมวันนั้นโยมลอง ลองไม่เปลี่ยนชุดเจ้าค่ะพระเจาแล้ก็ไปปัดกวาดเช็ดหูหน้าบ้านดีมากเลยเจ้าค่ะมีมีแบบลูกคา้าอะไรย่างเจ้าค่ะเขาก็เห็นโยมใส่ใส่ชุดปฏิบททัติธรรมแล้วก็ทํางานบ้านอยู่เขาก็เหมือนกับว่ามาสนงธนาธรรมกับโยมมากขึ้นเจ้าค่ะโยมก็ดีเหมือนกันเจ้าค่ะเหมือนเป็นสัญลักษณ์เจ้าค่ะก็แอบเผยแพ่ธรรมะไปนิดๆหน่อยๆเจ้าค่ะ เอดีทำไมต้องให้เขาสนใจมาคุยเราไปเราอยากไปบังคับเขามานะเจ้ค่ะแต่ก็ว่าอถ้าใส่ชุดแต่ก็ไม่ถูกกราเทศาอีก <laughs> ใส่ชุดว่าเอแอบใส่เสื้อคลุมสกาวทับก็ไม่เหมาะก็เลย้ทําความสะอาดบ้านอะไรไปแก้ ง, แ ก, งแก้งทําไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ก็ที่จริงก็ไม่ได้ยึดติดกับยูนิฟอร์มนะเจ้าค่ะอาจาแต่โยงก็ว่า ม, มันก็เป็นข้อดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ใส่ชุดขาวที่ใส่อยู่นี่เลยเจ้าค่ะแฟนแซลว่าเธอจะมาใส่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะมากอะไรเงี้ยโยมก็ก็ได้โยไม่มีข้อห้ามตรงไหนเจ้าค่ะพะอาจารย์แต่ตอนช่วงสงการโยมก็ใส่ชุดนี้เที่ยวเลยนะคะก็ก็ดีค่ะดีไปไปที่เขานั่งสนทนาเขาแบบส่สนเสฮากันเงี้ยโยมก็ไปของโยมเงี้ยว่าไม่มีใครไม่มีใครชวนโยมทําไม่ดีเลยเจ้าค่ะ มีแต่คนมาคุยเรื่องธรรมะปฏิบัติอะไรเงี้ยโอ้ดีมากเลยโย่ก็ดีจะได้ที่ว่าเราธรรมะทำโมสหรือคนที่เขาไม่ธรรมะทำโมสเขาจะไม่มาคุยกับเราเจ้าค่ะเหมือนกันการคนที่ไม่เหมือนเราออกไปก็ค่ะดีก <c oughs> ็ดีอ่ะดีไปอย่างุณเจ้าค่ะเหมือนแบบอยู่ในโลกสมบุติ์เนี้ยแล้วก็ โยมก็ยักยัใส่ช่วย อ, อย่างเงี้ยไปไปนิดนดหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ทำเอาเกืเหลืองแล้วเจ้าค่ะก็ทําเจ<ช>้าค่ะก็ น, น่าจะทําประมาณนี้เจ้าค่ะอย่างอื่นโยมไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ควจะเกินเวลาท่านอื่นเจ้าค่ะดีจ้าไม่เป็นไร <c oughs> อ๋อแล้วก็โยมข้อเสือ่อมเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่เวลาโยมนั่งสมาธิอะโยมจะตอนที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมจะนั่งแล้วโยมจะบอกว่าให้ค่ะไปเลยถ้าเกิดนั่งสมาธิแล้วตายอะให้มันทําไปเลยโยมไม่ยอมเนี้ยเจ้าค่ะ มันก็เห็นเป็นอะไรนะเจ้าคะเอ อ, เ อ, อมันก็เหมือนจิตเขาก็เคลียของเขาเองเนี่ยเจ้าคะโยมชอบแบบ <laughs> ชอบสายโหด <laughs> แบบนี้เจ้าคะต้องโหดกีเดยมันต้งมันต้องปวดเจ้าค่ะเออพอบอกอย่างนี้เอ้าก็ไม่เห็นเจ็บปวดอะไรเออก็นั่งได้สงบดีเลไรอย่างนี้นะคะ่ะโยมชอบขูว่ว่ะเออไปเลยนั่งบนมันหัดกูจะตายนั่งนั่งท่าไหนนั่งขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่เวลาลูกนี่บางที ลูกเสร็จจิตยังคือเขาไม่ได้สนใจร่างกายล้มเลยก็มีจาาา๊อกค่ะพ่ะอาจารย์แบบ แ, แบบบางทีทเร า, าเราตพร้อมจนลูกแต่ร่าง ก, กายมันไม่พร้อมจ๊อกค่ะร่างกายมันไม่พร้อมบางทีมีลูกมีอะไรมาเรียกยุมก็เอาไปก็ได้จิตเราไปแล้วแต่ร่างกายมันไม่ไป<笑><笑><笑>หัวเขามั่มเลยทั้งขาขาไม่ไปก็ต้องต้องดูดูร่างกายด้วยมันมันเขาพร้อมพร้อมพร้อมไปกับเราปะ เจ้าค่ะพระอาจารย์กล่าวนมัสการขอพระอาจารย์เมตตาดูแลท่าขันไปอีกหน่อยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุด้วเจ้าค่สาธุเจ้าค่ะหมดแล้วกจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวรอท่านอีเดี๋ยวไปที่ท่านต่อไปคอ้อจากบอวินค่ะคุอ้อเชิญค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ มีนั่งสมาธิแล้วเวลาเราจดจ่อที่ลมแล้วเราจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเราร้อนค่ะก็มันจะร้อนกันเรื่องของมั น, นไม่ต้องไปสนใจมันร้อนบางเย็นบ้างอะไรแล้วแต่มันเราเราไม่นั่มานั่งเพื่อมาควบคุมร่างกายแเรามาควบคุมจิตของเราเนี่อย่าไปสนใจถ้ามันไม่มันไม่เป็นเป็นเรื่องคองขาดบาดตายแล้วก็ยังไม่ต้องไปสนใจกล่อยมนไ ป, ไปตามเรื่องของมัน ส่วนใหญ่นั่งสมาธิเนือกจะแตกอืมถ้านั่งขัดสมาธินี่มันทําให้ร่างกายนี่มันน้อนอนั่งนานๆนี่เงือแตกพักเนี่ยอแต่นั่งไม่ค่อยปวดค่ะเพราะว่าพยายามทาฐานให้มันกว้างก็ไม่เป็นไรก็จะปวดไม่ปวดก็น่าแตกก็สำคัญ ค, ค, คือพอเราเริ่มนั่งแล้วเราอย่าไปสนใจเรื่องเรื่องร่างกายก็แล้วกัน ทางทานดีแล้วเนระิ่มพอเริ่มนั่งร้สนใจที่สติอย่างเดียวสติรู้อยู่กับพุทโธพุทโธรู้อยู่กับลมหายใจไปแล้วไม่ต้องไปสนใจกับอะไรต่างๆ ต, ต้องบอกที่จะมาหลอกมา ล, กล่อลนะ่ะถ้าทิ้งพุทโธ ท, ทิงงงง้งลมแล้วแสดงไปไม่ถึงมันเหมือ น, นลงจากรถนั่งร ถ, น, งรถนั่งรถไปเดียวรถมก็พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเราลงจากรถเมื่อไหร่ปั๊บเนี่มันก็จะไปไม่ถึง เห็นต้องอยู่กับพุโทโธต้องอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นเหมือนรถที่จะพาเราเข้าสู่สมาธิแต่รถก็เบรกบ่กบอยอยู่ค่ะอาจารย์ชอบลงรถเลยชอบเลอไป <c oughs> คิดร่องนั้นเรื่องนี้เรงนี้ <c oughs> เห็นมีร้านขายขนมข้างทางก็จอดแวะซื้อขนมบ้าง <c oughs> ซือของกินบ้างซือของเล่นบ้างมันก็เลยไปไม่ถึงกั้นที่ <c oughs> <c oughs> ต้องอย่านะอย่าไปอย่าแวบไปให้หนึ่งกลับมาให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธหรืออยู่กับลมไปนั่นนี่คือเคล็ดของการนั่งสมาธิถ้าอยากจะได้ผลต้องให้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวอย่าทิ้งไปไป น, นั้นค่ะอะไรจะโผล่ขึ้นมาคันตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมีเสียงมีภาพอะไรโผล่ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้อยู่กับนมอยู่กับพุโทโธไปทั้อย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่เลยหมายถึงทั้งสองอย่างแต่ถ้าใช้ทั้งสองอย่างก็ได้ น, นแต่เราจะใช้แบบไหนค่ะมีอะไรไหมไม่มีค่นะ<แ>เห็นไปที่ท่านต่อไปคนที่<แ>มาไกล<แ>มาจากอเมริกาคุณจิ๊คุณจิจาก U.S.A. แมรี่ลนันนี้มาเร็วเนี่ยวนนี้ทไมมาเร็ว่ ก็ง <c oughs> งแรลวันนี้มาแล้วค่ะก็ไม่ก็ถ้าเข้าได้ก็เข้าค่ะวันนี้พอดีลูกไม่มีเรียนก็เลยเตรียมอาหารเช้าให้ลูกเยอะวันนี้ก็เลยเข้าเร็วได้ค่ะ <c oughs> อ่าพระอาจารย์เป็นไงสบายดีนะเจ้าค่ะสบอันนี้ฉีดสเข็มไ้ยางนิ่งครบเลยเ ฉิดสองเข็มไปเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่สองสามอาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะไม่มีอาการอะไรเข็มที่สองเป็นค่ะเข็มที่สองจะรับขั้นเนื้อขั้นตัวปวดปว ด, ปวดเมื่อยตัวตามตัวเฉยๆค่ะแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่ามอร์เดนาหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนที่ฉีดไปเซอร์ไม่มีใครเป็นอะไรเลยค่ะเออผมดูมเดนาทั้งสองเข็มเนค่ะก็ตอนแรกว่าเอ๊ะเขาไม่ให้ฉีดแยกกันคือแต่ถ้า เ, เราแพ เราฉีดเขมแรกแล้วเราแพ้เขาก็จะแนะนําให้เราไปฉีดที่ห่ออื่นค่ะแตว่า<ม>เข็มแรกไม่แพ้อะไรไม่มีอาการอะไรทั้นั้นเป็นอะไรคะ่ะแค่แข น, นหนักๆเฉยๆค่ะแต่ไม่แล้วนานไม่วันสองวันก็หายเข็มแรกแขนหนักไปประมาณวันหนึ่งค่ะแต่ว่าสองก็จะปวดเมื่อยตัวไปวันหนึ่งเต็ๆมๆค่ะเพลียแต่ว่าก็ไม่มีอาการใไ้ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ นี่สบายใจแล้วใช่ไหมีผูกพ้องกันล้ก็ช่ก็ก็สบายใจขึ้นค่ะเพราะว่ายมต้องขับรถแบบบางทีทำงานต้องไปหลายๆที่ก็ <c oughs> ก็กลัวจะลูกกันนะคะ <c oughs> แต <c oughs> ก็ห่วงคุณพ่อเมื่อวานยมก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ลงทะเบียนที่เมืองไทยอยู่เหมือนกันนะคะเ <c oughs> ออไม่ถ้าคนไทยได้ฉีดมากขึ้นก็น่าจะดีเพราะว่า ทุกคนก็จะได้สบายใจและพระอาจารย์ได้ลงฉีดไหมเจ้าคะลงแล้วได้เดือนหน้าเหนดือนที่เจ็ดเนี่ยอ๋อค่ะคาสาธุ ค, ค่ะค่ะตอนนี้โยมก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะว่าจะลองตอนแรกจะจะลองกินครึ่งวันถึงเที่ยงสี่แปดะคะ่ะที่นี้สี่แปดอะขอทำถ้าเรากินสองมือได้ใช่ไหมคะได้แต่ไม่ไม่ให้เกินหลังเที่ยงวันมาแล้ว เป็นหลังเที่ยงแต่ถ้าหลังเที่ยงเนี่ยน้ําน้ํานมถั่วเหลืองก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นมถั่วเหลืองนมโมจันตินอะไพวกนี้ไม่ได้น้องว่าเป็นนมนมไม่ได้ํ <Louisiana. S 2> ผลลาผลไม้ได้เครื่องดื่มได้เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลอะได้กาแฟแลชานีไได้ผลไม้อันนี้เป็นน้ํามะพร้าวได้ไหมคะถ้าใช่เป็นพรานนี่ไม่ได้ผลผลไม้นี่ต้องไม่ไม่อยา ก, กว่ากําปั้นขนาดของผ ล, ลไม้ที่เราอยา ม, มาทําเป็น เป็นน้ำเนี่ยต้องมาใหญ่กับตังปั้นเช่นแอปเปิลนี่ยังได้อส้มนี่ยังได้อยู่ยยแต่มะพร้าวนี่มะมะพร้าวมะละกอหรือสับเปรีที่มันใหญ่ขึ้นไปอช่อย่างนี้เราก็ต้องเอามาปั่นถึงจะคั้นน้ำไม่ได้กอเคองเขาปั่นแล้วก็ต้องต้องกรองเอาไม่ให้มีเนื้อติดเอาแต่น้ำนวลๆเนื้อใหญ่ติดเข้าไปอันนี้ถือว่าฉันได้ฉันได้ คือต hmm ้เอาน้ำอย่างเดียวไม่ให้มีกรากไม่ให้ม no, ีเนื้อติดแยกเอามีจากน้ำนย่งเดียวค่ะแล้วอีกคำถามค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วถ้าเราถือศีลแปดเราต้องใส่ชุดขาวไหมคะหรือว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่จาเป็นไม่จําเป็นใช่ไหมคะแล้วแล้วแต่แล้วว่าเราไปอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ที่เขาให้ใส่เราก็ต้องใส่ถ้าไปอยู่ที่วัดเราให้ใส่ชุดขาวแล้วก็ใส่ชุดขาวไปแต่แล้วที่บ้านของเราเองเราจะใส่ชุดไหนก็ได้ อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะไปตามปกติ ก, ก็ได้มันไม่เกี่ยวค่ะถ้าเราไม่ได้ไปทําบุญที่สมมติคือวัดแถวบ้านโยมจะอยู่ไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่วัดนะคะทีนี้ถ้าเราไม่ได้ปล่อยเราจะเพิ่มบุญบารมีของเราด้วยการทําอะไรบ้างคะสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศ ฟ, ฟังธรรม ฟังเทศฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการเฉลิมบารมีปัญญาบารมีเจริญสตินั่งสมาธิเป็นการเจริญบุเบขาบารมีอ่าค่ะก็ไม่มีนะคะก็พยายามสัปฏิบัตินั่งสมาธิพยายามแต่บางวันมันเหนื่อยจริงก็เลยแบบนอนหลับไปเลยอะค่ะน่นก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ไหวก็นอนพักนันพักแล้วก็ตื่นขึ้นมาเร็วมาก ค่อยว่ากันไลยใช่คะ่ะแล้วทีนี้เมื่อคืนนิยมฝันว่าเหมือนกับไปเข้าคลินิกในฝันนะคะมีคลินิกที่เขาพวกทําศัลยกรรมเสริมความงามแบบบทอท็อกซ์ฉีดหน้าอะไรเงี้ยในฝันยมก็ในฝนันยมก็มกแสดงว่าจีนยังจิีนยังฝันสิงเหนี้อยู่แล้วเขาก็มาถามยมว่ายมจะทำไหมยมบอกไม่ทาหรอกมันมันไม่เป็นลายหรอกหน้าจะเป็นรอยเป็นไรก็ช่างวันเธอแต่ก็เอ๊ะ แล้วก็หันไป ม, มองคนขายเออหน้าเขาก็ดูเด้งดึ๋งดีเนาะเอ๊ะจิตเราอย่างจิตเรายังมีความคิดถึงมันอยู่<ช>จิต<ะ>สอใจยังสองจิตสองใจจิตยังจิตหนึ่งก็ยังอยากจะฉีดอยู่จิตหนึ่งก็ค้านผมไมได้ไม่กล้ากลัวกลัวเข็มอไม่เป็นไรขอให้อยู่ดูตอนที่เราตื่นก็แล้วกันตอนฝันจะไม่ฉีดไม่เป็นไรแต่ตอนตื่นอย่าไปฉีด <c oughs> ก็แล้วกัน ไอ้สิคะยงกลัวน้ำตับแก้มเยอะอยู่แล้ววิ่งไม่ฉีดเดี๋ยวมันจะแบบคุณป้าปักกระเป๋ามากไปกว่านี้ห้องฝันมันไม่ได้เกี่ยวมากหรือเปล่าครับอาจารย์ว่ามันมันหมายถึงความคิดของเราไะเราชาบคิดอะไรมันก็จะโผล่ในฝันอ๋อแต่ถ้าเราพยายามลดกิเลสลดกิเลสฝันมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นมันก็จะไม่ฝันเรื่องของกิเลิมันก็จะฝันเล้วที่ธรรม เอาตอนนี้ยอมไม่ฝันเรื่องของกินแล้วก็ส่งมได้เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระาอาจรย์ค่ะพระอาจยนะสบายดีนะโอเคกรมาสักการเจ้าค่ะขอไปที่ท่านต่อไปคุณพระฤาดอยากสถิติสมบูรณ์การมาสักการเจ้าค่ะ ไ, ไ, ไ, ไม่มีคำถามไม่มีคําถามมีอะไรจะเล่ามหรืไม่มี ไม่มีค่ะแต่ว่าก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เปิดหนังสือแล้วค่ะเปิดหนังสืออัศร์ท้าเลยนะอ่อกด็ดูปิดไว้ชั่วคราวเลยปิดไว้ชั่วคราวค่ะอพอเริ่มสงบก็เอากลับมาดูใหม่ค่ะอะก็ดูเรื่อยๆให้มันฝังอยู่ในใจเราเวลาเกิดการอารมณ์ก็นึกถึงมันแล้วการอารมณ์มันก็จะดับไปแล้วก็อ่านที่เขาว่าเราว่าศพแต่ละอย่าง แกอะไรอย่างเง่้ยเขาจะมีบอกสิบอย่างค่ะค่ะเราไมันแก่เลยแก่มาถึงแก่อย่างเช่นถ้าชอบสวนทรงหรืออะไรเงี้ยกระดูศพที่อืดหรือว่าชอบฟันมองว่าฟันสวยเงี้ยก็มองว่าเป็นกระดูกเงี้ย ช, ชอบแบบกลิ่นหอมประทินผิวก็แบบน้ำเหลืองที่มันไหลออกมาตามท่ออะไรอย่างเงี้ย มีรายละเอียดนี้นะค่ะเขาจะมีบรรยายเอาไว้ศพแต่ละอค่ะก็อยู่ที่เจริญเราเราชอบอะไ้แล้วก็ดูแบบนั้นไปดูแล้วมันอืแต่ถ้ามันถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีถ้าเกิดมีอาการไม่ดีก็หยุดมันแล้วกลับมาตามใจช่างตกขายยังยังเพแล้ว่าบางทีบางทีกินยาแรงเกินไปมันก็ทําให้เรามีปฏิกิริยาไม่ดีได้ ยังนั่งสมาธิยังมีสงบสงบอยู่ค่ะแต่อาจจะใช้เวลาไ ม, ไม่สงบเล็ว่าอะไรของพวกนี้มันเป็นยาถ้ากินมากเกยนไปมันก็จะทำให้มีอาการข้างเคียงได้ค่ะสัปดาห์ครั้งสองครั้งเจ้าค่ะ อ, อ, อ, อ <laughs> <laughs> จาจารย์โ อ, อเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านต่อไปคุณท่านลพลเจิญคุณทนพล ตอนนี้แฟไม่อยู่แล้วต <มา S 1> อนนี้อยู่ค้างค้างกันค่ะอ่ามีอะไรไหมวันนี้นำ้ำมันสการกครับกาบน้ำมันสการก์ครับอาจารย์ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรดีได้กล่าวเรียนอาจารยเล่าเรื่องว่าบางครั้งนี่พอเราใกล้ใสล้สงบนี่เรารู้สึกว่ามันระคายคอใช่ไหมครับอันเนี้เอ่อก็เลยตอนนี้เราไม่ไป น, นึกถึงมันปุ๊บมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่โผล่มาครับ อแต่ว่าก่อนหน้านี้บางทีแบบว่าพอเราเคยสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราไปนึกถึงมันปุ๊บมันก็มันก็จะโฟมมาอย่างเงี้ยครับนี่เขาล อ, องว่าไม่นึกเลยไม่ไปสนใจมันเลยครันนี้ก็ไม่มาแล้วครับใช่จิตเราทําไม่ไปสนใจมันมันก็ไม่มายุ่งกับเราครับครันนี้ส่วนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอดีว่ามันมันดึกมากจริงๆแฟนเขก็มีคําถามมาครับแต่ว่าเนื่องจากตอนเนื่องจาก ครับก็เลยขออนุญาตถามเป็นสัปดาห์นี้แทนก็คือว่าในช่วงที่ว่าพอเป็นชาญสี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเคยมีอาการที่ว่าเหมือนกับหูดับไปเลยเนี้ยครับก็อยากให้เขาห่างกันเดีย๋ยราเชิญาจา์เจ้าคะ่ะคือถ้าสมมติว่ า, าหูดับอันนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะคือควรจะต้องมีสติอยู่ใช่ไหมคะคือสติต้องมีตลอดเวลาส่วนมันจะหูดับไม่ดับนี่ไม่เป็นไม่เป็นปัญหา ดับก็ได้ไม่ดับก็ได้อืมแต่ว่ามันเป็นลักษณะอาการว่าไม่รับรู้โลกภายนอกเล ย, ยใช่ไหมมันเนิ่นเฉยเฉยมันไม่สนใจกับโลกภายนอกไม่สนใจการรับเสียงกลิ่นรส ต, ต่างๆแล้วม้อาจจะได้สัมผัสรับรู้ก็เฉยเฉยไม่ไปมีอะไรกับมนะันบางทีมันหายไปเลยก็มีรูบเสียงกลิ่นรสหายไปจากการรับรู้ของจิตเลยก็มีเน้อแต่จิตตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารูอ้อตามลำพัง เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วมาช่วงช่วงหลังอ่ะก็พยายามจะฝึกจเจริญสติเจ้าค่ะแล้วก็มาฝึกเถึงหลวงแม่ก็เกว่ออาอะไรนะฝึกเอฝึกอสุภะเจ้าค่ะค่ะพยายามฝึกเออ อ, อสุภะค่ะพระพอาจารย์พอพอมีมิตภาพตรงหน้าค่ะเราก็พยายามที่จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อินกับภาพนั้นนะคะ ก็จะกลับมาที่ลมหายใจแต่ว่ามันก็เหมือนหลุดไปแล้วก็ต้องมานับหนึ่งใหม่เจ้าค่ะแต่ว่าไม่เห็นไปรักแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยอะค่ะคือไม่ต้องทําต่างว่ารักกันเวลาทําสมาธิเราไม่ต้องการเห็นอะไรเราต้องการทําใจให้นิ่งให้มันฮูดับตับไม่ให้มั น, ไ ม, มนไม่ไปรับรู้อะไรทั้งนั้นส่วนเวลาจะจอปัญญานต้องออกจากสมาธิมาก่อน หลังจากนั่งสมาธิแล้วมาเดินจงกรมนี้ก็เริ่มกำหนดดูภาพต่างๆอันนี้จาง ก, ก็ดูความตายนี่ก็เป็นอันนี้จางร่างกายมันในที่สุดมันก็ต้องเข้าสู่ความตายไม่เที่ยง่ากายไม่เที่ยงดูความแก่ก็ได้ดูความเจ็บไข้ได้ป่วยดูความตายนี่ก็เรียกว่าเป็นการดูความไม่เที่ยงของร่างกายแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้ใจก็ทุกข์กว่า <Ừ. S 1> อันนี้เราทําตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิต้องทำคนละเวลากันอาาจย์หนูกําลังคิดว่าหนูเข้าใจหรือเปล่าหนูเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับที่พระอาจารย์พูดก็เหมือนกับว่าเราอ่านหนังสืออย่างนี้มาหลายครั้งแล้วอะค่ะมันมันค่ะแล้วมาคิดต่อคิดบ่อยๆคิดจกนกระทั่งมันไม่ลืมตอนนี้เราอ่านปั๊บเดี๋ยวเราก็ลืม เราก็ยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยางไม่ตายเราต้องคิดจักกะท่าเราเปลี่ยนความคิดของเราใหม่ ต, ต่อไปนี้เราจะไม่เรื่องความอยากไม่แก่นี่จะไม่มีเรายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายพิจารณาเพื่อให้เรายอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายเจ้าคิดว่าเข้าใจเจ้าค่ะเพราะว่าถ้ยังไม่ยอมถ้ายังอยากอยากสาวอยากสวยอยู่ก็แสดงว่า ยังไม่เห็นอนิจจังยังไม่เห็นความแก่ของร่างกายเข้า ใ, ใจแล้วว่าอาจารย์เพราะว่าความคิดตรงนี้มันอยู่ไม่นานเจ้าค่ะมันขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็ยอมรับบางทีก็ไม่ยอมรับเ จ, จ้าค่ะใช่ต้องต้อ ง, ต, องต้องมีพอเวลามันจะอยากไม่แก่พระอาารเอาความแก่ก็มาดัยืนยันไม่ต้องแก่แน่ๆอาจารย์เจ้าคะหนูรู้สึกว่าหนูอินทรีย์อ่อนนะคะเวลาอยู่ใกล้พระอาจารย์หรือว่าเจอ อ, อยู่ในวัด น, นะคะ ก็จะรู้สึกว่าจิตมีความเป็นกุศลดีอะค่ะแต่พอพอพออยู่ทางโลกโลกหรือห่างหายสักวันที่ห้าวันที่หกอะค่ะก็เริ่มเริ่มเริ่มโลกโลกแล้วค่ะอินทรีย์เริ่มอ่อดอะค่ะถ้าก็สติปัญญาเรายังไม่แข็งพอเนี่ยเราต้องฝึกไปเรื่อยๆพิจารณาปัญญาอยู่เรื่อยใจรับอนิจจังทุกขงังอนัตตาแล้วก็มีสติหยุดความคิดเวลาคิดไปทางกิเลสก็หยุดมันเจ้าค่ะ อออะไรเงี้ยดอีกอย่างหนึ่งครับที่ว่าขออนุ ญ, ญาตใช้คลิปอาจารย์สอนลูกนะครับที่ว่าให้เขามานั่งแปลคลิปที่เป็นภาษาอังกฤษนะอครับหลง<ก>ัลงๆเขาก็มีบาดีเขามีพูดพูดถึงขึ้นมานะครับพูดถึงในในในในธรรมะของระอาจารย์ขึ้นมาอยู่ดีๆก็แวบขึ้นมามันก็ถือว่า<ข><ข>ได้ปวดต้องทำคลิปภาษาอังกฤษนะใช่ครับครก็ก็ให้เขาถอดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้เอย่างนี้ดี เป็นที่ที่เป็นยูทูบอะไรพวกนี้ที่เป็นคลิปสั้นๆใช่ไมสองสามนาทีอะไรอย่างนี้เออเขาที่เป็นคลิปยี่สิบยี่สิบนาทีสามสิบนาทีอะไรอย่างนี้ก็มี่เราก็มีที่เท่ๆอย่างนี้เลยใช่กรับที่เป็นเท่ๆครับที่เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละใช่ใช่ครับนเขาเรียนที่ไทยครับแต่ว่าเขาเรียนเรียนภาภษาอังกฤษเข้าไอก็ได้กจะได้ได้ฝึกหัดภายในตัวได้ฝึกธรรมะโดยไม่รู้สึกตัว ก็หลังๆนี้บางทีก็ก็จะมาพูดถึงว่าอาจารย์บอกอย่างนี้รู้หรือเปล่ามาบอกพ่อไหมใช่เรื่อก็ได้ผลนะครับอาจารใช่ทีเราเวลาเราฟังธรรมแล้วคิดไปแบบว่าเราไม่ได้ฟังธรรมปั๊บเดี๋ยวก็กลับไปคิดแบบเดิมใช่ค่ะห่วงเรื่องนู้นห่วงเรื่องนี้ยังยังคิดยังยำยังยังยังยังเหมือนเราไม่ยอมรับว่าอยังไงก็ต้องตายยังห่วงไปเลยใช่ค่ะค่ะ ตอนมันลืมแล้วมันลืมใจแล้วไปแล้วพอมันน้ำหัวน้ำหัวน้ำเ ง, งี้ยใช่ค่ะตอนอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นะคะจะจะเหมือนวางทุกอย่างได้นะคะเหมือนว่าโอเคว่าน่าจะวางได้แต่พอกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะก็เริ่มเริ่มแบบเก็บทุกอย่างอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็วางไม่ได้ ก, ก็มีมีมีมมนิทานก็าเล่าให้ฟังมีคุณหญิงคุณนายไปฟังเพื่อนน้องปู่น้องตา เราบอกยต้งแต่ฟังเทศหลวงปู่มันนี่ความโกรธมันหายไปหมดเลยหลวงปู่หลวงตาเล่าว่าอีตอนแหล่พอพูดแล้วนั้นความโกรธกลับมันยังไม่รู้สึกยังไม่ค่ะกับอาจารแล้วก็กับคนอื่นนะคะความโกรธก็พยายามควบคุมได้ค่ะแต่กับคนข้างๆนะค่ะ ไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้เพราะความอยากลงนุ่งแหละความอยากเก็เป็นไปตามความต้องการเรามันนุ่งแรงพอเขาไม่ทำปั๊บก็โกรธเขาเลยโกดง่ายกว่าคนทั่วไปจ้านั่นเพราคนทั่วไปเราเกรงใจงเราไม่กล้าไปมันเราก็ไม่กล้าไปหวังอะไรจากเขามากเราก็เลยไม่ค่อยโกรธแต่คนใกล้ตัวเราเนี่เราหวังร้อยเปอร์เ็นนี้พอไม่ได้ดังใจปั๊บก็โกรธขึ้นมาทันทีเลย บางทีก็มีสตินะคะมีสติรู้ว่าโกรธนะคะแต่ยังควบคุมไม่ได้เจ้าค่ะต้องควบคุมความอยากอยากก็อยากให้เขาทำอย่างนู้นอย่างนี้เขาจะทำยังไงก็เรื่องของเขานี้วมันก็จะไม่โกรธพอใจนะก็ไม่มีคำถามอไรครับอาจารย์ก่อนนะค่ะถูกเห็นไปที่คุณบริสตค่คุณเบริส์ชร คุณดีซี่ที่ไหนอาจารย์ธนบุรีอาจารย์ตะยองเลยหรอค่ะที่สการ์พระอาจารย์ค่ะสวัสดีพี่วอนค่ะมีอะไระะไหมวันนี้เ อ, อ่อมีคําถามหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคือเวลานั่งมันมันจะมีกึก่งว่าจะลงก็ไม่ลงจะฟุ้งก็ไม่ฟุง้งมันมันกั้มกึก่ ง, ง, งเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนจะ พยายามให้เขาไปข้างหน้าก็ไม่ไปแต่ก็ไม่ฟูงมากอย่าอย่าพยายามผลักมันมันจะไม่ไปต้องให้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธไปไม่รู้ไม่ชี้เลถ้าปยาหยัดปั๊บมันมันไม่ได้ดูลมล้ะมันไม่ได้พุทโธละมันก็จะไปไม่ถึงเป้าหมายดอย่าประยาดอย่าไปดันมัน ให้อยู่กับพูดโธพูดโธไปไม่รู้ไม่ชีมันจะไปแล้วไม่ไปไม่สนใจให้อยู่กับพูดโธรถ้าใช้พูดโธก็อยู่พูดโธรไปถ้าใช้ลมก็ดูลมไปแต่เดี๋ยวมันไปเองแต่ถ้าพอไปไปเด็กไปเก่งไปไปเร่งอะไรเนี้ยมันมันก็จะไม่ไปอ๋อเจ้าค่ะผมอาจจะเกรงมันมากไปก็เลย มัไปรุนพยายามไปรุนเมื่อไหร่จะไปเข้าทันทีเม่อจะสงบทันทีมันก็ยไม่มีวันสงบได้รุนรุนมากไอย่าไปรุนเลยนะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นนานๆแบบสักชั่วโมงกว่าเริ่มแบบทอ้อควรออกมาจเจริญสติเดินเดินจงกรมไม่เจ้าคะหรือหรือนั่งต่อไป คือถ้านั่งแล้วเจริญสติได้ก็นั่งลองนั่งแล้วองท่องพุทโธวุทโธไปเนึเจ้าค่ะอาจารย์แต่ถ้าไม่นั่งไม่ไหวทนไม่ไหวจริงจะลุกขึ้นมาเดินเดินจงกรมต่อไม่ได้แต่ท่านได้ล่ะดีนั่งได้แสดงว่าเรามีกําลังที่จะเจริญสติขึ้นมาใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเจ้าค่ะลองทําดูนะ เหมือนช่วงหลังบางวันมันมันอ่อนก่อนลงเมื่อก่อนมันเหมือนมันตากแน่นกว่านี้นะคะพระอาจารย์เหมือนนั่งได้นานต่อเนื่องนานกว่าช่วงหลังมันหย่อนลงแค่ชั่วโมงเดียวอะไรองนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้เจริญสติก่อนที่เรามานั่งต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆก่อนที่เราจะมานั่ง วเวลานั่งมันจะนั่งได้นานวันนี้มีมีคำถามเดียวค่ะเจ้าขาอาจ้ะโอเคสาธุก็คุณเจา้าค่ะในที่คุณออนกูมาแก้วบวัวจากอุดรธานีลูกจะดีลงตาสวย ง, งามมากเสวยสวยงนงามเจ้าค<อ>่ะ<อ> สาธุค่ะร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะโอเคไม่มีคําถามแล้วสาธุค่ะไม่มีเจ้าค่ะเจะมารายงานเกี่ยวกับเรื่องมัดป่าบนตาตรงนี้คู่สุดตาตอนนี้ก็ตอนนี้หลวพ่อหลวงพ่อสุธรรมท่านเปิดเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งอะเจ้าค่ะฝั่งไหนฝั่งฝั่งกลางเข้าไม่ใช่ไม่ใช่อะค่ะฝั่งก่อนที่จะถึงก่อนที่จะถึงประตูประตูหลักเนาะ ันก็จะมีที่ว่าทางที่จะเลี้ยวเข้าเจดีก็ตรงตรงสามแยกค่ะทีนี้เปิดตรงนั้นเพื่อที่จะเอ่อจะทำเซอร์บายเซอ่์ค่ะตรงนั้นจุดนั้นนะครับางยกทแยกไปบ้านกกสะท้อนนั่นใชอ่อตรงนิดนึงอะค่ะตรงก่อนจะถึงตรงนั้นน่ะเจ้าค่ะอืมเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีที่ว่าเขาขายของตรงหน้าวัดก็คือย้ายไปอีกตรงสามแยกอ่ะค่ะก็คือเป็นฝั่งตรงข้ามเจ้าค่ะอืม ไม่ไไปมางานแล้วคงจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเยอะเยอะเยอะเจ้าค่ะทำไมที่เราอยู่ไม่มีอะไรนอกกาแพงวัดไม่ีเป็นเป็นทุ่งเป็นนาเป็นค่ะโอเคค่ะไรเราไปทำหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุอาจารย์ให้ขออนุญาตฮะเราข้ามคุญสุพัฒนาไปนะฮะปุญสุพัฒนาข้ามไปโดยที่ไม่ได้มีเจตนาเช่น สาธุการพระกราบัการพระจารย์เจ้าค่ะขออย่างสอย่างบอวินเจ้ค่ะก็วันนี้ว่าจะเข้ามาฟังครรมไม่เฉยแต่ก็มีคำถามว่าในขณะปฏิบัติในในการทำงานระหว่างวันนะคะพระอาจารย์ก็พยายามเหมือนกับทำสติให้ต่อเนื่องแล้วมันก็เหมือนกับว่า คือคือไม่ได้นั่งนะคะก็เดินไปเดินมาแล้วอยู่ดีๆก็ก็อยากจะนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยทีนี้พอนั่งสงบไปได้สักพักหนึ่งมันนึกได้ว่าเรายัางไม่ได้อัลัสธนากรรมฐานสมทานกรรมฐานอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเ ะ, ไ ม, ะไม่ต้องเราอันนั้นมันเป็นพิธีกรรมการปฏิบัติจริงๆไม่มีการมันขึ้นเวทีเลยแล้วก็ต่ อ, อยกันเลยไม่ทํอมานั่งมาอคอยมาอะไรไม่ผิดหรอก ก็เลยก็เลยออกจากสมาธิกันเลยแต่ต่ อ, อไปก็คือเราถ้าเรา เ, เหมือนกับไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้อง ไ, ไปทำวิธีอะไรหรอกเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติเลยนอกจากถ้าเราถ้าเรายัางยังคิดว่ามันช่วยทำให้จิตเราสงบ ก, ก็ว่าทำไปไม่ได้ ไม่แบบว่าพอมันอยากมันอยากสงบก็เลยมานั่งนั่งก็องพอมนั่งออย่าแบบธรรมชาตินี่เปล่าธรรตามธรรมชาตินี่เปล่าว่าค่ะส่วนเรื่องการดูอ่าสุภาษนี่คะ่ะถ้าเผื่อว่าใจมันยังทํามันยังมันยังดูไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องดูใช่ไนะคะเออยังถ้ายัางก็ไม่ไม่ต้องดูใจยังไม่เข้มแข็งพอก็ฝึกสมาธิให้มันเข้มแข็งไปมากกว่านี้ก่อน อ๋อถ้าเผื่ว่าสมาธิแข็งถึงจะดูอัตถภาได้ใช่ไหมั๊ะค่ะได้ดูอัตถภาดูความตายได้ถ้าใจยังอ่อนนี้กิเลนมันแรงมันกิเลมันจะต้านมันจะไม่ให้เราดูค่ะก็ค่ะก็ยังยังไม่กล้ามันยังไม่กล้าเปิดดูจ๊ะค่ะก็ก็เพียงจะนั่งสมาธิเฉยๆก็ให้รั้ว่านี่เป็นข้สอบของเรากันนะเป็นการบ้านของเราที่เราต้องฝึกได้เลยนะอ๋อค่ะ ตอนนี้ก็พยายามมีสติในในในในพยายามต่อเนื่องค่ะอาจารย์บอกว่าให้ตั้งใจตื่นตลอดอะค่ะออแล้วดีขึ้นไหมตอนนั่งก็ดีขึ้นค่ะอาจารย์นั่งนั่งได้นานขึ้นก็ค่ะก่อนนี้คือก่อนนี้นั่งไม่ได้เลย ต, ตอนที่เข้ามาใหม่ใหม่ใช่ยค่ะตอนนั้นที่ที่เข้ามาใหม่ๆก็คือ เข้าใจว่าตัวเองนั่งสมาธิได้เพราะว่านั่งแล้วหลับอย่างที่อาจาใย์อกว่านั่งแล้วหลับก็เข้าใจว่าตัวเองลงพขวังแต่ที่เขาฟังอาจารย์มากๆฟังบ่อยๆบ่อยๆเขาก็เข้าใจว่าอ๋อการที่นั่งเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นการหลับเพราะเราไม่มีสมาธิแต่พาะถ้าเราก็ค่ะไม่มีสติพอมันมีมีสติแล้วเวลานั่งเราก็จะจะรู้ตัวเจ้าค่ะอาจารย์รู้สึกตัวตลอดเวลาก็ค่ะ แล้วมันก็จะนั่งได้นานขึ้นนะคะพระอาจารย์เหมือนก่อนหน้านี้ที่เคยเคยนั่งสมาธิมาเนี่ยตอนที่ไม่หลับก็คือจะนั่งได้นานแต่พอพอเราหลับเข้าใจว่าเป็นการหลงพลังก็ขอกรพริบพระอาจารย์นะคะได้มาได้ได้แม้แม ว, วทางดีดีค่ะแล้วตอนนี้มันก็เหมือนกับมันคึกเคิลมากขึ้นก็พยายามเพียงเรื่องสติแล้วก็เรื่องหยุดหยากรนะคะพระอาจารย์ฮะดีพยายามต่อสู้กความเอยาก รูปเสียงกินลดนะ <Okay. S 2> รูปเสีงกินลดต่างๆ <Okay. S 2> อยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นพยายามตัดมินไป <Okay. S 2> ให้ําใจให้รับกับสภาพได้นอน ก, <Okay. S 2> นะก็ได้น้ำก็ได้อยู่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ไอไปดิ้นรก็ค่ะเดี๋ยวสาวอาจารย์นะคค่ะมากน้อยสันโดษด้วค่ะพระจารย์โอเ ค, อเคดีจ้ะสาธเจ้าค่ะ เนี่ยแต่ที่่านตอไปคุณหนุ่มเลยหนุเลยอยู่ที่จังหวัดเลยเลยคุณหนุ่มเลยกดอันมิวครับตรงกลางน่าจะ อ, อ, อยู่ใต้หวันก่อนครับออใต้วันนะครับอยู่ที่ไทเปเลยหรือไหนอยู่ทไทเปครับแต่ว่าอยู่ดิงภูรครับ ด, รดิงูเหรอครับดิงภูไปทางานอะไรเลยเ ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับทำงาน iphone โทรศัพท์ไอโฟนครับเปิดด้วยไอนะครับครับขับนมัสการกัรือว่าเพราะติดตามน้องพ่อมานานแล้วครับแต่ว่าเข้าหลายทีแล้วครับแต่ว่าเข้าไม่ได้ตะกีจะเข้ามาซูมนะครับวันนี้เข้ามาได้นะครับเธ <laughs> <c oughs> อหอ ม, มีอะไรไหมมีอะไรอย่าถามไหมก็มีเด็ด ตั้งแต่ไปถวายผ้าไตหลวงพ่อมาที่ชนบุรีก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้ามาแล้วก็จนมาถึงตุกวันนี้ครับก็แต่ยังไม่ได้สมาธิสักทีเลยครับก็พยายามทำไปเรื่อยๆฝึกสติให้บ้างๆตอนจะนั่งพยายามฝึกสติคอยควบคุมใจอย่าให้ลอยไปลอยมา ให้สร้างมัน อ, อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุโทโธนี่อยู่กับการทํางานของร่างกายครับเนีย่ยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไมจะเป็นต้องคิดเนี่ยตัดมันไปให้หมดใช้พุโทโธแทนถ้าจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุโทโธพุโทโธไล่มันไปครับมีอะไรจะถามให้ไม่มีเลยก็ ก็มีก็อยากทำเรื่องนึงครับเวลา น, นั่งไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับก็จนเรารู้สึกว่าตัวเราจะล้มลงแล้ว่อยรู้สึกตัวครับก็รู้สึกตัวว่าเรานั่งมันนั่งจะหลับอาจารจะล้มไปครับมันกำลังจะหลับคระ<น>มาณชั่วโมงได้อยู่ชั่วโมงนั่งไปเพื่อใจนิ่ง ใ, ใจสงบ แต่ถ้าขาสติมัน ก, ก็มันก็อาจจะล้มล้มได้แสดงหมดสติมันก็จะหละับแต่ถ้ามีสติมันก็จะไม่หลับมันก็จะนั่งตัวตรงได้ตัวครับนะพยายามครับพยายามนั่งไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะต่อไปเราจะได้ควบคุมจิตใจของเราได้ ให้จิตมันสงบมาแม่มันมา ก, ก่อนแล้วมันไหวให้ทำเราโอเค okay, นะตันนี้ก่อนนะวันนี้ดีใจมากครับที่ได้มาโทรติดหลวงพ่อสาธุสาธุครับหลวงพ่อโอเคเห็นไปที่ท่านตอบไปคุณประเวศจากด l ลลัสเท็กมัสยาง็าจ่มาฟังคำแต่พระอาจารย์ครับอยู่ทางไกลก็ ทำให้กระตุน้นจิตใจให้ดีขึ้นครับมีสติมากขึ้นครับตั้งแต่ได้ฉีดวัคซีนก็รู้สึกว่าน่างกายมีคุมคุูมกันแล้วใช่ไหมมีมีความมั่นใจว่าเรามันเกินสองเดือนแล้วครับอาจารย์ก็ทั้งครอบครัวก็ฉีดไปหมดทุกคนแล้วก็ตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ฉีดไปแล้วต้องหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตแล้วของคนประเทศครับอืเขาต้การเจดสิบเปอร์เซ็นต์นี้นะ ครับเขาต้องการให้ได้เจ็ดิห้าเปอเ็นมันก็จะดีกับคนสายเม็ดการเพราะทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นนอหมอได้ครับออนั้นมั่นใจว่าพอฉีดแล้วนจะไม่ติดแล้วใช่ไหมยังไม่ติดตรงนี้ฉีดฉีดแล้วก็ยังติดอยู่นะครับก็เหมือน เ, ออเป็นหวัดครับฉีดยาหวัดก็ยังเป็นหวัดอยู่ดีครับ เ, ออเพียงแต่ ว, ว่าเรามีเชื้อที่ป้องกันตัวทําให้การที่จะเป็นเนี่ยมันมันยากขึ้นแล้วก็ มันจะไม่หนักเหมือนกับคนไม่ได้ฉีดครับผมมันจะมีแค่ตรงนี้ครับยังยังใส่หน้ากากอะไรอยู่อะไปแล้วไปยังยังทำเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเราก็ล้างมือเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับผมคําคํานั้นหายไปจากใจครับเพราะว่าเราเชื่อว่ายาที่เราฉีดน่ะมันพอเทคเราได้ถึงเจ็ดิบห้าหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงหกเดือนครับ โอเคดีมามีอะไรอยากจะถามไหมวันนี้อยากอยากให้พระอาจารย์ลงอีกข้อหนึ่งครับในทางเว็บไซต์หรือเป็นทุกที่พระอาจารย์ลงสามนาทีสีนาทีเรื่องเกี่ยวกับว่าวิธีการทําสมาธิเนี่ยเพื่ออะไรแล้วก็วิธีการเข้าปไปบัตดทันทางไตรักษณและจะดูอัศวะเนี่ยเพื่ออะไรครับอยากให้พระอาจารย์ลงในเว็บไซต์จะได้เป็นบทเรียนไว้สําหรับคนที่อยู่บ้านนอกแบบพวกผมจะได้มาใช้เวลามีข้อปัญหาติดเข้านะครับ จะบอกท่านที่ช่วยทําให้อยู่ท่านอาจจะฟังอยู่ตอนนี้ก็ได้มีพระท่านเ่อนคนทำคลิปเหล่านี้อยู่ขอบคุณมากครับอยากจ ะ, จะเป็นบทเรียนอยากจะฟังเรื่องสมาธิเรื่องเจริญปัญญาครับแล้วก็เรื่องที่ว่าการเข้าปฏิบัติธรรมแล้วทําดูอัษพ้าเนี่ยเพื่ออะไรจุดหมายเพื่ออะไรจะได้ให้เป็นบทเรียนไว้สําหรับคนที่อยู่ทางกายแบบบ้านนอกแบบผมนี่จะได้มีจุดยืนว่า เราทำมาทั้งนี้ถูกทางหรือเปล่าครับมันเป็นบทเรียนที่ดีครับอตอนนี้ก็บอกก่อนก็ได้การพิจารณาสุภาพก็เพื่อลดการมาลง sexual sexual desire ให้มันน้อยลงคนมางคนนี้ถ้าไม่มีดูสุภาพเลยเนะเห็นใครก็สวยวางอกงามว่าหล่อก็อยากจะได้มาเป็นแฟนอาจจะไปทำผิดศีลผิดอะไรมีครอบครัวแล้วก็ยังอยากไปมีนู่นมีนี่ ถ้ามีการได้พิจารณาสุภาพดูความไม่สวยงามของร่างกายแล้ให้มันจําได้บ้างเวลาเกิดความอยากอันนี้มันก็มือนให้นึกถึงภาพที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายมันก็จะลดละความอยากตรนี้ได้นั่นคือเป้าหมายของการพิจารณาสุภาพแล้ถ้าเป็นพระนี่เป็นผู้ที่ถือศีลแต่ก็เพื่อจะนด้ตัดเลยไม่ให้มีการเสกกามเลยท่านั้นนี่คือเป้าหมายของกาสุภาพ เวลาสังโยชน์สังโยชน์คือกามากามาราคะเป็นสังโยชน์ข้อที่สี่ต่อจากพระโสดามันหลังจากเป็นโสดาบันแล้วขั้นต่อไปก็ทํอมาพิจารณาสุภ า, าตัดกามาราคะกับปฏิฆะปฏิฆะก็คือความโหดเนี่ยเวลาเกิดกามารมมันก็โหดเหียนใช่ไหมถ้าเราละกามกามาราคะด้วยสุภาได้ปฏิฆะมันก็จะหายไปพร้อมๆกัน ความนี้ก็จะหายไปสำหรับภาพนาความนีนี่มันหายแบบถาวรเลยต่อไปเห็นใครที่ไหนไม่ไกลที่ว่ามันสวยมันงามเพราะมันจะว่าที่ว่าสวยงามมันก็เห็นมาสุภาพขึ้นมาทันทีอออืืแต่เขาก็ยังมีโกรธอยู่หรือเปล่าครับก็ยังมีอยู่แต่พาะยังต้องยังไม่ถึงขันนนะ้นอาาเนีงยแล้วมีความอยากได้นู่นได้นี่อยากเป็นนู่นไป น, นี่แล้วถ้าใครมาขัมันก็โกรธได้ ต้องพอเป็นบ้านแล้วนะที่ยังไม่มีโกรธ่ะเพราะความอยากต่างๆหายไปหมดจากใจแล้วไม่มอะไรจะมาเป็นเหตุทําให้โกรธได้ต่อไปเพราะไม่ได้หวังอะไรจากใครแล้วไม่ต้องการอะไรจากใครดังนั้นดีครับย่าครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรผมยินดีครับได้ว่าอยากจะพูดอะไรพูดต่อไปนะ ครับผมขอฟังครับขอฟังขอจะออกมาฟังข้างนอกครับจะได้ไม่รบกวนคนอื่น ต, ต่อไปขอบคุณมากครับโอเคสตาร์ทกุณวีรวิทย์ชื่อผู้ชายใชไหมครับสวัสดีครับนวัสการ์คระบอาจารย์เห็นผมคิดว่ามีผมยามวก็ทำโบก็ทำอะไระม้วนอะไระป้าเขาพอดีมันมันป่งแน่ก็เลย ก็เลยมาดไว้มาดไว้ครับก็วันนี้พอดีเพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาฟังวันแรกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่อยู่กรุงเทพครับราชบังโอเคไม่อไรอยากกระถามแมก็พอดีไม่ได้ปฏิบัติมาสิบกว่าปีแล้วครับเพิ่งมามาดูตัวเองเมื่อไม่นานวันนี้ครับเมื่อมาฝึกพุทโธพุทโธตามดูลมหายใจก็ก็ยังไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติ จริงจังหลืออะไรก็ได้แอ่ในชีวิตประจําวันนะครับก็ก็คิดว่าโอเคครับก็มีสติอยู่กับตัวทุกครั้งที่นึกได้ครับก็พูดโธพูดโทตามดูก็ดีดีเริ่มเริ่มต้นทํางนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ปฏิบัติได้มากขึ้นไปเรื่อยๆครับผมอ๋อไม่มีอะไรไม่ไม่รบกวนพี่ๆดีครับพระอาจารย์มีอะไรจะให้ช่วยเหลืออะไรไหมครับ ทางวัดไหนทางไหนนะทางวัดทางอะไรพอดีผมเป็นสถาปนิกครับเป็นผู้ละหมาอะไรเนี่ยเผื่อช่วยทํำพงน้ําทําอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อตอนนี้ยังไม่มีล่ะทํางวัดขอสมบูรณ์ขอบคุณนะเผื่อช่วยทําบุญครับผมถ่ามีจะมีอะไรจะมาขอคําปรึกษาเดูไปได้นะได้ครับผมดีได้ได้มาเจอพระสุปฏิบันโนอาทุกครับเจอมาสวัดีครับ ไปที่ท่านต่อไปคุณแทมคุณแทมอรัญญามัตอรัญญามัตกับธรรมศั ก, การครับอาจารย์อชื่อพิ่พักครับอาจารย์พอดีว่างวันนี้ครับผมครับชื่ อ, อของแทนมาใช่เลยพอดีใช้นูดบุ๊กของเราครับออจากปุรดธานีครับอาจารย์โอเคมีอะไรไหมคือวันนี้มีคําถามยศครับอาจารย์เียผมควรถามอาจารย์ครับ คื อ, อบางทีได้ไปทําบุญกับกับญาติธรรมเนี่ยครับบาครั้งเขา mm hmm. เขาก็มาเล่าหรือว่าพูดให้ฟังวา่ามีความสุขแบบปิติจนน้ําตาไหลผลลุกผลพองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้พอมาดูกับตัวของผมเองเนี่ยก็คือมีความเป็นเป็นความสุขนะครับเป็นความสุขที่เป็นปกติไม่ได้ผลลุกผลพองหรือน้ําตาไหลเนี่ยเรียว่า ไปผมผิดปกติหรือเปล่าครับอไม่หรอกแต่ละคนอาจจะมีปฏิปฏิกริยาต่อการทําบุญที่ต่างกันแล้วก็อาจจะเป็นเราเป็นบางวันละมันไม่เป็นทุกวันะเราบางคราวถ้าเราไปทําอะไรสักอย่างที่มันประทับใจเรามันก็อาจจะเกิดปิติขึ้นมาได้เช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดเรากําลังกินข้าวอยู่เราเห็นคนเดินเดินมาไม่มีข้าวกินเนี้ย แล้วเราก็ตัดสินใจยกข้าวจานที่เราจะกินใอ้เข้าไปนะจะเกิดความรู้สึกขนลุกเกิดความรู้สึกเพิ่มปฏิกิขึ้นมาในใจก็ได้ที่เรายอมอดข้าวเพื่อให้คนอื่นก็ได้กินข้าวแทนเราอะไรทำนองนี้ยมันต้องทําอะไรบางอย่างที่มันประทับใจแล้วมันถึงจะเกิด mm hmm. เกิดความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นไรคุณก็ทำํำไปของคุณตามตาม ตามเหตุตามผลของขุดไปอาจจะทําน้อยไปตองลองทำบ้งางๆดูเลยอา จ, จอาวย์ไหถ้ามันทําทําแล้วมันยังไม่รู้สึกอะไรลองดีลองเบิ้ลนดูดิลองเบิร์นเคยทำท่า น, นี้มันยังไม่รู้สึกอะไรก็ลองเบิ้ลเอาสักสองเท่าเลย สองเท่ายังไม่ได้รู้สึกอะไรก็เอาสามเท่าสี่เท่าไปเดี๋ยวมันต้องได้มีความรู้สึกอย่างอย่างอย่างหนึ่งแน่นอน <c oughs> นะแต่ถ้าเราไม่มีกำลัง <c oughs> ก็อย่าไปทำนะเดี๋ยวเราจะปดตายซะก่อน <c oughs> ตามตามกำลังของเราไปก็แล้วกันคร <c oughs> ับอาจารย์ก็วันนี้ก็มีคำถามเพียงเท่านี้ วันนี้จะไปเร็วหน่อยเนาะหกสิบเ็ดคนวันนี้เพิ่งผ่านเพิ่งผ่านไปได้ประมาณยี่สิบคนนึงเยอะใหั้งสองหน้าเนี่ยไปที่ท่านต่อไปนะอาจารย์ครับคุณนทัทวุฒิคุณหมอนทัทวุฒิจะยืนหรือปเปล่าเชอัอเป็นอันอันนี้ว่าออย่างผมผมอสอันนี้วะคุณหมอดูตรงหน้าหน้าจอตรงกลางตรงกลางหน้าอโอเคมาเลย ไ, ได้ล ถ้าเช่นอ๋อครับัเอาวันนี้พอดีมีสามคำถามครับแต่ว่าเรื่องเดียวกันขอถามรวมไปเลยนะครับก็คำถามที่ราคาเท่ากันเดียวกันไ ด, ได้ครับไหมอะแรเป็นเบสิกพื้นฐานอะไรกับเ e อ็กซิเลตคืออะไรครับกิเลตก็คือตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราเอ็กิเลต์เครื e ค่องเศร้าหมองตัวที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองไม่มีความสุขก็คือความโลภความโกรธความหลงครับ คนันนี้คิเลตมันมีแบบชั้นกลางชั้นหยาบชั้นละเอียดคันนี้บอชั้นหยาบเนี่ยเราดูนะจะรู้จะว่าพวกชั้นละเอียดที่เราจะพิจารณาอย่างไงครับในวิธีปฏิบัติครับพวก ส, สังโยชน์นี่ก็ถือว่าเป็นชั้นละเอียดนี<อ>่ยสักกายาทิฏฐิสีลปัปสสปะระมาอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นส<อ>ังโยชน์เป็นคิเลตที่ละเอียดการการที่เราดูว่า ไอ้กระแสใจของเราไปยึดอะไรพวกนั้นครถือว่าเป็นกิเลสไหมครับบางทีมันก็เป็นอันที่อถ้าไปถือว่าเป็นของเราปั๊มเนี่ยเป็นกิเลสนะเป็นความหลงรดลถเป็นของเราบ้านเป็นของเราร่างกายเป็นของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสนะก็คือก็คือละอุปทานนจากทุกทุกอย่างทั้งหมดต้องใช่ไหมถ้าเราไปถ้าเราใช้นัไป ครับถ้าใจไปไปยึดอะไรเราก็ไปใช้แต่รักไปจับแล้วก็แล้วก็ดูกระแสเจตตามใช่ไหมครับใช้ไม่เทียมก็ได้ใช้ไม่ใช่ของเราก็ได้มันก็จะปล่อยคใช่ทุกข์ก็ได้ครับอ่ะก็คือใช้ใช้ตัวสามอันนี้เวลาเราเราก็ดูดูว่าเอเป็นอริยสัจถ์ถ้าเป็นอะไรเราทุกเรื่องอะไรก็ก็ดูตรงนั้นแล้วก็ถ้ามันจะใจไปว่าก็ให้รู้ว่ามันเกิดจากกิลสของเราครับอะความทุกข์เกิดจากกิเลสความอยากของเรา ค, ความอยากได้จริงทั้งจริงนี่ครับครับแล้วการช่ากิเลส ก, ก็คือการหยุดมันเนี่ยก็คือพิจารณาใจรักใจรักแล้วก็หยุดมันไม่ก็คือต้องฝืนครับอ่ะพออยากได้นู่นได้นี่ไปแล้วเป็นตใจรางมันก็จะไม่อยากได้ทันทคีครับอันที่ท่านเคยกล่าวในวพระพุทธเจ้าท่านกล่าวในที่สอนอ่าโมคคลละก็คือสุญญโกโร หล ก, กลคังก็คือก็คือมองทุกอย่างให้เป็นไม่ใช่เราใช่ไหมครับม อ, รมองให้ว่า ง, ว, างว่างจากประธานไปทุกอย่างเนื่อ ง, งการเป็นตัวเป็นตนเป็นเช่นของเราครับครับอ่าหนึ่งก็น่าจะเข้าใจถูกต้องครับเขาก็สมองเข้าใจแหละครับไม่มีอะไรเป็นของเราเปนของสมมติทั้นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับได้คำตามมาแล้ว ได้คำตอบครับอันนี้วิธีปฏิบัติก็คือมีสติตามดูแล้วกถ็ถ้าเราใจไปนึกอะไรที่มันที่มันกระแสใจที่มันออกไปจากเอ้จากฐานของเราเราก็ก็พิจารณาเป็นเป็นสิบเปนอนิจจัทงทุกครังแล้วกลเป็นตายรักไปใช่ใชแล้วก็อย่าลืมมันเกี่ยวกับคำอธิฐานให้ให้ไปจะรู้เฉยเห็นเงินกองเท่าภูเขาก็ให้รู้เฉยเฉยว่อมันไม่เที่ยงได้มาแล้ว เ, เดี๋ยวต้องทุกข์กับมัน คมันก็จะได้ตัดความอยากได้ไปได้เห็นตําแหน่งอะไรที่เขายื่นมาแล้วนี้ก็เห็นว่ามันก็ไม่เที่ยมเป็นของสมบูรณเป็นของชั่ ว, วคราวเวลาได้ก็ดีใจเวลาเสียไปเวลาหมดก็จะจะเสียใจมันก็จะกลับมาที่ฐานคือให้ฐานก็คือให้รู้เฉยๆเป็นผู้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไป พิดนีอย่างบางทีเราทํางานเราก็มันก็มีแบบต้องมานั่งเขียนตําราเขียนวิชาการเขียนอะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกมันก็มันก็ดึงเรามาจากอองา้ที่เราควรจะทำเลยแต่ว่ า, า, ามันก็มันเป็นหน้า ท, ที่มันเป็นหน้าที่ก็ต้องทําไปถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทาํามากิจของเราอย่างต้องเลี้งปากเลีงท้องอยู่แต่ไม่ได้ทําเพื่อหวังให้เรามีนิสัเกียรติมีหน้ามีตาได้รับอะไรคเป็นวนตอบแทน ทำไปตามหน้าที่ได้ครับขอบคุณพระอาจารย์ครั บ, รบแต่ถ้าทําไปแล้วคนอื่นก็อยากจะมอบอะไร Halo. ให้เราก็เป็นเร oui. ื่องของเขาไปอาจจะให้เราเป็นศาสตราจารย์หรือเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไปเรามีหน้าที่ทําหน้าที่ของเราก็ทําไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยขอให้ได้เงินเดือนก็แล้วกันเราทํำเพื่อเดืนเดือนเลี้ยงปากเลี้ทอง ถ้าถ้าเราทําพวกนั้นแล้ว เ, เราก็อยู่มีพยายามมีใจอยู่กับเรื่องเดียวมันก็เป็นการปฏิบัติได้นี่ครับใช่เป็นการควบคุมใจไม่ให้โลกไม่ติดครับไม่ให้สติอยู่กับเรื่องนึนเป็นครับอืมนะครับได้แรงมาประยุกตใช้ไหนครับเป้าหมายรพระพุทธเจ้าสอนก็คือเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นรู้ อ, อะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ต้องไปมีปฏิกิริยากับมัน ่ครับไม่ใช่ลมีไม่มีตัวไม่มีตนวางแล้วก็วางอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับสิ่งทั้งหลายที่เราได้พบปะได้ครับขอบคุณครับโอเคนะบอท่านต่อไปวันนี้คุณอภิวันใช่ไหมคุณอภิวันแช่คุณอภิวันครับว่ามาเลยพูดได้เลยท่านัพพระจันย์ อ, อยู่ที่ไหนขอถามก่อนกำแพงเพชรครับผมกำแพงเพชร อ, อยู่ห่างจากวัดดอยลักนาแค่สี่ห้ากิโลครับอาจานย์กรดดใช่ไหมครับผมอเคผมพยายามเข้าหลายครั้งแล้วครับก็ เ, เลยให้ลูกเขาสอนครับว่าเข้าแบบไหนทำแบบไหนครับผมวันนี้คนเข้าเยอะนะหกคนด้วยกันครั บ, คบางทีก็ สางทีก็มาไม่ท้อเหมือนกันขอเอาเร็วๆหน่อ ย, ยนะ<ำ>มีอะไรจะถาไมไหมครับวันนี้ร่อ น, น, นหน่อยขอนะครับผมเพราะว่าเป็นปัญหาค่าใจผมอยู่นะครับคือข้อแรกเวลาผมทำงานนะครับทำงานประจำวันผมก็จะเปิดวิญยุหลวงตาแล้วก็ธรรมะทุกๆอย่าง ท, ท, ท, ที่ที่ผ่านมาครับ ก็ฟังที่นี้มีบางคนก็ว่าผมไม่เคารพในธรรมครับผมคือการฟังทำการฟังทำจริงให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็คือต้องฟังแบบจดจ่อไม่ไปทําอย่างอื่นเลยครับผมถ้าเราไปทําอย่างอื่นนี่เราจะไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่เพราะใจเรายังไม่ได้อยู่กับธรรมตลอดเวลาเพราะ เ, ราเอาใจเราไปทํางานอยู่ แล้วก็ฟังไปด้วยแล้วมันก็เลยได้ครึ่งได้ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งก็ได้งานครึ่งหนึ่งก็ได้ธรรมะแต่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นการไม่เครารวะหรื่องอะไรแต่เดีว่ามันจะไม่ได้ไประโยชน์เต็ม <c oughs> ที่ถ้าจะได้ไประโยชน์เต็มที่นี่ควรจะเอาเอาเวลาที่เราว่างไม่ต้องทํางานไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ตั้งตั้งใจฟังอย่างเดียวเลยเหมือนตอนเนี้ยตอนนี้เราส น, นทนาธรรมเราก็ต้อง สนานาอานี่ยถ้าเราสนทนาด้วยแล้วทำอะไรเปด้วยเนี่ยมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่ตั้งแต่ปีห้าสี่มานี่ผมก็เริ่มเริ่มปฏิบัติมาเริ่มฟังทำทางของหลวงตาบ้างของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจาราย์หลายๆหลายหลายองค์นะครับผมก็ พอช่วงจังหวะที่ตอนเย็นอย่างเงี้ยผมก็จะมีช่วงจังหวะก่อนก่อนนอนที่จะจะมาสวดมนต์ฟังธรรมแล้วก็อ่านั่งสมาธิแล้วก็พอได้เวลาก็นอนครับผมได้นำนี้ได้อยู่ถ้าเราไม่ทำทำงานอย่างอื่นแล้วเราก็สวดมนต์ก็ได้ฟังธรรมก็ได้ครับผมแล้วมีอีกข้อหนึ่งนะครับผมคือ เวลาผมนั่งสมาธิไปได้ประมาณตั้งห้าถทีสิบนาทีเนี่ยมันจะมีอาการที่ว่าเหมือนกับมดทั้งหลังอะขึ้นมาไต่ตัวผมเป็นมานานนะคะรับมันเป็นกินเลสของเราอย่าไปสนใจปรุงแต่งขึ้นมาเจ็บมันปรุงแต่งขึ้นมาเราให้เราพุโทโธพุโทโธไปยัไปงไม่สนใจมันจะมีทั้งหลังมันก็ให้มันมาตัดมากินร่างกายเราทั้งตัวไปเลยก็ได้นะปล่อยมันไปไม่ต้องไปกลัวมัน ครับไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ก็เป็นก็เข้ามาเข้าหน้าใหม่ได้นะเข้ามาทานได้มาสักการครับวันนี่คนยากจริงๆต้องเรีบเรียบหน่อยพีเจนพีบเจนตาไปเจนพูก่ครับอิที่พูดเก่นแล้วเจนครับผมนำมาสการครับพระอาจารย์ครับอดีผมเพิ่งมีโอกาสฟังอ่ มี่งการฟังธรรมพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นวันดีก็ได้เข้ามาสนทนากับพระอาจารย์เลยเ อ, อขอขอถามเลยนะครับพระอาจารย์ครับอยู่ภูเก็ตครับครับผมเออผมปกติช่วงนี้ผมพยายามที่จะที่จะภาวนาครับโดยเริ่มที่สมถะภาวนาแล้วก็มีปกติผมจะชอบเ อ, อดูลมเออานาปันสติครับผมแล้วก็เป็นคนที่ปกติเนี่ยมีวิตกวิจารณ์เยอะก็เลย ใช้การบริกรรมร่วมด้วยแต่การบริกรรมของผมนะครับบางวันมันก็ชอบที่จะนับนับตัวเลขบางวันก็ชอบที่จะพูดโททีนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ผมทาแบบนี้แล้วก็มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ใจมันชอบเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังครับผมก็ในแต่ละครั้งเราจะเลือกแบบไหนก็ได้แต่อย่าเปลี่ยนมันในขณะที่เราทำเช่นเรานแบบับ นับหนึ่ ง, งสาแล้วก็เปลี่ยนมาทำอย่างอื่นนี้วันนี้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่เราทำไปเลยเพียงอย่างเดียวครับผมครับแล้วก็ช่วงนี้ผมพยายามที่จะสร้างอธัธยาศัยในการในการภาวนาครับผมขออนุญาตพระอาจารย์ช่วยแนะนําเอ อ, อะไรสักเล็กน้อยในการที่จะช่วยให้ในการสร้างอธัธยาศัยในการภาวนาครับผม ก็ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆสนทนาธรรมเข้ามาในสูมฟังคนเลยเขาปฏิบัติแล้วมันก็จะทําให้เราได้ความรูม้ความคิดอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นทําให้เราเกิดมีฉันทาวิยะตามมาได้มีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติไปหมั่นฟังเทศฟังธรรมหรือสนทนาธรรมอยู่เรื่อยๆก็ะจะทําให้จิตใจของเรา มีความสนใจมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเข้าใจไหเข้าใจครับผมเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่อย่างเช่นเวลาที่ผมภาวนาครับถ้าเกิดว่าบางวันเนี่ยผมก็จะตั้งว่าวันนี้อยากจะภาวนาครึ่งชั่วโมงวันนี้หนึ่งชั่วโมงหรือบางวันเนี่ยก็ไม่นับเลยว่าแล้วแต่ว่าใจมันอยากจะอยู่นานเท่าไหร่อย่างนี้เหมาะสมไหมครับในช่วงเบื้องตน้น ก็ได้แล้วแต่ว่ากําลังของเราทำได้เท่าไหร่ล้วก็ทําไปตามกํากลังของเราก่อนก็ได้ครับผมครับหมดแล้วครับพรอาจารย์ครับโอเคสาธุท่านต่อไปคุณสุภาพรเชิญคุณสุภาพรจับนมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็ขอไปเร็วๆนะเจคะทุกคนนี้ก็คือว่าครั้งที่แล้วที่ลูกเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าลูกเห็นแยกเป็นส่วนๆนะใช่หมเ้าคะคือกายเวทนาแล้วก็สังขารแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าให้นําตรงนั้นน่ะมาใช้ในชีวิตจริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกิดด้วยเวทนาขึ้นมาทีนี้หลังจากคุยกับพระอาจารย์ลูกก็มีอาการปวดท้องแล้วค่ะเพราะหนัก ก็ลูกก็เลยใช้ตรงนั้นเนี่ยมาพิจารณาว่าเวทนาไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยคือมาสอนใจตัวเองอย่างเงี้ยเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะอืมถูกต้องเพื่อให้ใจเราไม่เป็นทุกข์กับมันอืมแล้วค่ะ ก, ก็ก็ลูกก็เห็นกับเวทนาที่ที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือปวดท้องเนี่ยประมาณสองวันนะ ล, ลูกก็ไม่ได้ทานยาแล้วก็จะพักแล้วพอวันที่สองตอนเย็นมันก็หายของมันไปเองอะไรเงี้ยเจ้าคะ่ะมันไม่เที่ยงไงเวทนาไม่เที่ยง อัตตาเราไปบังคับมันไม่ได้แล้วค่ะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยตัวรู้มันไม่ชัดเท่ากับตอนนั่งสมาธิอาจารย์ค่ะตอนนั่งสมาธิมันจะเห็นเวทนาแบบแยกออกมาชัดแต่พอชีวิตจริงพอปวดท้องตัวรู้มันไม่ชัดเหมือนในสมาธิไม่ต้องไปดูตัวรดูตัวดูตัวเวทนาตัวที่มันชัดเนี่ยดูแล้วเพื่อปล่อยวางมันอย่าไปทุ่มกับมัน แล้วค่ะก็สอนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเราสามารถที่จะละได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้จนกว่าเราจะเฉยๆกับเวทนาได้เจ็บแค่ไหนเราก็เฉยได้ไม่กลัวไม่หวาดกลัวมันอยู่กับมันได้เจ้าคะ่ะก็กลัวเนาะก็กลัวน้อยลงก็ก็ก็กลัวน้อยล ง, ลยลงแต่ยังรู้ว่าตัวเองยังยังยึดยังติดอยู่อ่เจ้าค่ะก็ยังไม่ได้นั่นค่ะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะคือธรรมาก็เป็นไปเลยอาจให้ําใาจให้อยู่กับมันให้ได้ ไม่ทำเตียนนะมันไม่ไม่อยากจะหนีมันไม่อยากจะให้มันไม่มาอะไรตา่างๆนี้มันจะทําก็ปล่อยมันมาเจ้าค่ะก็มีเท่านี้แหละเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะครับโอเคจ้คาที่คุณพัททร์เนธเดชเชนเนี่ยนิวัฒการกับกพันจางครับอยู่ที่ไหนอยู่นครสวรรค์ครับมีคําถามไหม เชิญเชิญถามได้เลยในคาถามครับจะถามเกี่ยวกับอานิสงส์ของบุญนะครับอาจารย์ครับพอดีว่าผมกับเพื่อนๆนะครับไปร่วมกันเอฟุตบอลน้าบาดาลให้กับเด็กๆที่จังหวัดต่ากครับเป็นเอเด็กบนเขาครับเด็กบนดอยครับจะถามว่าอานิสงส์เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์และสามารถอุทิศบุญได้หรือเปล่าครับในทรงแบบนี้ครับได้อาจารย์ที่เป็นทานนี่อุทิศได้หมดทําทำบุญทำทาน เสียสละแบ่งปนันนี้เราสามารถที่จะทิ้งบุญได้ครับอันนี้สองก็คือความรู้สึกในใจเรานะั่นแหละความรู้สึกอิ่มใจสุขใจอันนี้เป็นอันที่สองอันแรกอนนันที่สองอันที่สองตายไปก็ไปสุขสวรรค์นะบุญมีมากกว่าบาปครับอันที่สามกลับมาเกิดพบหน้าถ้าเราก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องน้ําเรื่องอะไรเราเคยทําอะไรให้กับใครเรื่องเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเรา ก็มีอยู่สามตอนด้วยกันอันนี้สองของบุญตอนตอนแรกก็ใจเรามีความชิปสุขใจอิ่ใจนะตอนที่สองถ้าตายไปบุญก็จะพาเราไปสวรรค์ตอนที่สามตอนเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะไม่ขาดแคลนในสิ่งที่เราเบริจาคให้คนอื่นไปบริจาคอาหารเราก็จะได้อาหารกลับมาเ ย, อ, เยอะแยะบริจาคน้าเราก็จะได้น้ากลับมาเยอะแยะเป็นต้น เข้าใจไหมเข้าใจครับหายข้อข้องใจแล้วครับอาจารย์ครับโ <Okay. S 2> อเคครับขอบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับได้ไปที่ด้านต่อไปนะคนไอโฟนคนไอ ฟ, อ น, น, ไอฟอนนั่งหลับตาได้ยินไหมโอเคอาจารย์พูดได้เลยปลาร้ามาปลาร้าพูดได้เลยพัธการจะขออาจารย์เปลี่ยนชื่อแล้ว ปล่ะอาจารย์ยังชื่อเดิมค่ะไ่ดูมันเป็นอะไรค่ะอาจารย์โทรศัพท์ไม่มีคำถามเหมือนเดิมค่ะไม่มีนะถ้าไม่มีไปที่ท่านต่อไปนะคุณชุดดีมาเชิญคุณชุดดีมากดอันนิ้วได้เลยเยนะยังสวัสดีค่ะนามสกานอาจารย์ค่ะก็เพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกค่ะวันนี้ก็ อจอยากจะถามเพราะว่าเพิ่งจะมาหัดปฏิบัตินะคะแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มรักษาศีลแปดนะคะอยากถามอยากถามว่าเรารักษาศีลแปดไปเพื่ออะไรนะค ะ, ะเพื่อเพื่อทําให้ใจเราไม่มีเรื่องไม่มีปัญหากับเรื่องราวต่างๆนั่นเองอคือถ้าเราไม่ถึงศีลแปดเราก็จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มเนี้่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับไปเสพ ย, ยาเสพติด ของโมนี้มันให้ความสุขชั่วคราวแล้วทำให้เราติดเราต้องคอยเสกอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาใดที่เราไม่ได้เสกเราก็จะทุกข์พอเราเลิกเสกได้เราก็จะไม่ทุกข์ที่เรามาถือสินตัต่อไปเราไม่ดูละครเราไม่มีละครดูเราก็ไม่ทุกข์เราไม่มีงานเลี้งไปเราก็ไม่ทุกนตไปไม่มีที่ไปเที่ยวเราก็ไม่ทุกข์ ว่าตอนนั้นว่าศีลห้าก็คือรักษาศีลห้าเพื่อไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทีนี้พอมาลองรักษาศีลแปดดูก็เหมือนไม่รู้ว่าทำไปเพราะอะไรเพราะคนถามก็ตอบไม่ถูกเงี้ยทำเพื่อตามติดพันกับการหามอามสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วก็ทำให้นามีเวลามาปฏิบัติทําได้ทาให้รามีเวลาว่างที่จะมานั่งสมาธิปฏิบัติทําได้ พราะถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลงกันเราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบททัติธรรมเข้าใจค่ะ อ, อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนลืมอยู่เพชรบุร<ป>ีค่ะอยู่เพชรบุรีนะครั้างแรกวันนี้ครั้งแรกค่ะแล้วก็เมื่อก่อนก็จะเป็นทํางานเซลค่ะก็ค่อนข้างเที่ยวเยอะนอ่อพอพอเหมือนมีโควิดมาก็ว่างๆก็เลยมาลองรักษาศีลดูว่า อยู่บ้านด้วยไม่ได้นั่นก็โอเคแต่ว่าทำก็ยังไม่รู้ว่าทำเพราะอะไรอยู่ออโอเควันนี้ขอบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะได้คำตาแล้วนะได้แล้วคะ่ะได้แล้วค่ะสาธุดคุณชลินทานเชนาคุณชินทานในมรสการพระอาจารย์เจ้ค่ะโยมโยมก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์พอดีว่าเมื่อกี้ที่พระอาจารย์เล่าเรืเออ่องอนิอนิสงบุญเพอดีโยม ร่วมปัจจัยกับพี่ชายทําบุญอสร้างกุติกับหลวงพ่อสืธรรมแล้วบังเอิญว่าพี่ชายเขาโอนเงินไปสองครั้งก็เดี๋ยวย่อมจะไปบอกพี่ชายเรื่องอันสมการทําบุญเพิ่มว่าเป็นยังไงเขาจะได้รู้เพราะว่าเขากลับมาบอกโยมบอกอ้าวโอนไปสองครั้งไม่รู้ก็เลยเดี๋ยวไปร้อยเขาฟังอาจารย์คะตอนที่ เวลาเรานั่งสมาธอิอะคะ่ะแล้วพระอาจารย์บอก ว, ว่าเวลาที่นั่งเข้าไปแล้วมันถอนออกมาก็ให้นั่งพุทโธพุทโธ แ, แล้วก็กลับเข้าไปอีกก<ส>ลับเข้าไปอีกให้ได้นานๆบ่อยๆแต่ถ้ามันถอนออกแล้วใจมันไปคิดถึงเรื่องพวกพิจารณาธรรมอะค่ะพระอาจารย์พิจารณาธรารมก็ได้รเราพิจารณาใช่ไหมคะ ไ, ไม่ไม่ใช่ว่าพราะโยคเหมือนมันจะตั ด, ต, ดตัดมันทิ้งตัดมันทิ้งแต่ ม, มาดูแล้วก็เอ๊ะมันก็เป็นธรรมหรือเราควรจะตามดูธรรมหรือเราควรจะ หยุดแล้วกลับไปนิ่งเหมือนเดิมอะค่ะก็แล้วแต่เราต้องการอะไรเราเลือกได้ถ้าเราต้องการนิ่งเราก็กลับไปนิ่งถ้าเราต้องการปัญญาความฉลาดแล้วก็พิจารณาให้เห็นว่าเป็นใจรักไปใช่ค่ะเพราะว่าบางทีวความคิดขึ้นมายมพิจารณาเป็นไตรักแต่พอกลับมามองดูเอาตัวรู้มาดูไตรักก็มานั่งคิดว่าเอ้ยนี่เรานี่เราคือจิตเรานิ่งหรือเปล่าหรือว่าเราต้องกลับไปนิ่งแล้วอย่างนี้โยมจะทราบได้ยังไงคะว่าอันนี้เป็นวิปัสสนึกหรือคือปัญญาคะ ก็ถ้าเราดับที่เห็นได้ก็เป็นวิปัสสนาถ้าดับไม่ได้ก็เป็นวิปัสสนาเกี่ยวมันเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาค่ะพระอาจารย์แล้วยอม<ช>ความพิจารณาเป็นตันคือถ้ามันเป็นความคิดแล้พิจารณาไปด้วยเฉยมันก็ยังเป็นการทําการบ้านอยู่คือมันต้องจะมีความทุกข์แล้วเราพิจารณาแล้วดับความทุกข์กันได้ก็ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาแต่ถ้ามันเกิดในสมาธิอะค่ะพระอาจารย์มันมันยัง ก็อย่าไปนสนใจแล<ะ>้วกินในสมาธิเราคุณจะอยุดในไม่ควรที่จะไปนสนใจมันเราควรจะไม่จิตพิจารณาไม่พิจารณาพิจร า, าจรณ า, าในสมาธิแต่มาพิจรารณาในความเป็นจริงแล้วก็ใช้ใช้ปัญญาเดินเดินปัญญาเอาทางนั้นแทนใช่ะคะ่ะอืมแล้วก็อย่างเมื่อเมื่อสองวันก่อนนะคะโยมไปยกขนดินขนดินจะไปปลูกต้นไม้แล้วไม่รู้มันไปผิดท่าหรือเอ็มันผิดยังไงครานี้ปวด ปวดจนกระทั่งยืดตัวไม่ได้ก็เลยมาลงมานั่งในสมาธิเอาพอนั่งในสมาธิแล้วเหมือนกับกําหนดที่ลมหายใจมันก็ไม่เจ็บเลยไม่มีความรู้สึกเจ็บใดใดทั้งสิ้นก็ทําให้อยากจะนั่งบ่อยๆอยากจะนั่งไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะแต่เวลาจะนั่งไปมีโอกาสนั่งเมื่อไหร่ก็นั่งไปค่ะก็ก็เลยกลายเป็นว่านั่งนั่งพราะนั่งแล้วมันไม่เจ็บแต่พอมันออกมาแล้วมันเจ็บไม่ว่าจะเป็นปวด ขาหรือว่าปวดหลังมันอยู่ที่ลงตลอดเวลาอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ถูกแล้วดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเวลามันนิ่งมันก็ไม่คือก่อนที่มันจะวูบลงไปเราก็รู้แล้วว่ามันกําลังจะลงรักพอพิจารณาว่ามันกําลังจะลงแล้วมันก็้ตัวทั้งหมดมันหายไปหมดเลยะคะ่ะอาจารย์แล้วมันก็เหลือแต่เบอร์เบอ ร, อรว่างๆอยู่ข้างในสว่างๆอยู่ข้างในอย่างนี้ก็ให้ให้ยังคงอยู่ในนี้ต่อไปเรื่อยๆ ใช่ไม่ะอาจารมันมันมมีความสงบก็พอถ้ามีความสงบก็อยู่เหมือนไปมันเบาเบาอะค่ะแต่เบาไม่รุ่ะมันมันสบายใจเราบกเบาใจก็อยู่เหมือนนั้นไปนี่ค่ะแค่นั้นเองแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็เข้าไปใหม่อีกเท่านั้นเองใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไปเรื่อยๆเลยมันจะได้ไม่ต้องออกมาวุ่นวายเวลาออกมาจิตมันมักจะวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะค่ะค่ะถ้างั้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะโอเค ถ้าข้ามทีวีไปต้องขอยอภัยด้วยนะนีน่กลับมาเมื่อกี้เห็นหลายคนที่มาเสกข้ามไปคุณจอยนะคุณจอยก่อนจอยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่อยู่ใหม่เรียบร้อยดีไหมก็ยัยงไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ค่ะลบมันเยอะค่ะอ๋อก็ยังว่าอะไรอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีปัญหาแน้นอนค่ ะ, ะทาใจนะทําใจมว้อยู่ก็มันไป แกได้ร็แกไปแกไม่ได้ก็อยู่ประมาณไปทําใจบอกว่าก็ทําใจเยอะมากเลยค่ะอ่าเพราะว่ามันจะนนมันจะมันจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยเรื่อยที่ไหนก็ไม่ดีเท่านั้นอ่ะใช่ไหมคะอ่าต้องอยู่ให้ได้ใช่ไหมต้องอยู่ให้ได้ถ้ามันไม่มันไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตต่อร่างกายเราก็อยู่ไปเถิดแต่องจากว่าถ้ามันเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราก็ต้องก็ต้องหนีอ่ะที่มัน ย, ย้าย จะเป็นอันตรายกับกิเลสแล้วก็ฝืนมันอยู่มันไปแล้วแล้วคนแล้วคนรอบพางเอย่าง ค, คนก็ไม่ค่อยปกติกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไเราไปหาก็เองเมื่อก่อนเราอยู่ที่นี่ที่เราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราเดินไปหาก็เองใช่โมโ น, ห, นหาเรื่องหรือเปล่าไม่นูนั่นนะแหละเราก็ต้องโทษตัวเราเองหนูก็คิดจุดหนูก็ อ๋อหนูลองคิดว่าก็ลองฝึกตัวอีกรอบนึงแบบถ้าผ่านถ้าผ่านจุดนี้ไปได้ก็คงผ่านหมดแล้วก็ ค, คิดอย่างนั้นเออต้องอยู่กับมันให้ได้นั่นก็ต้องหนีอยู่เรื่อยต้องย้ายอยู่เรื่อยใช่ย้องอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเออความสุขใจมันอยู่ที่ความพอใจความที่ความพอพอยิน ด, ดีตามตามีตามเกิดเล็กสันโดษ โนก็จะลองไปบัตรแล้วก็ถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้เนยก็คงก็ค ง, งหมดแล้วได้ผ่อยวางเข้าใจจะเบาเหมือนชื่อของคนเมื่อกี้นี้ผ่อนวางแล้วใจเบานะปล่อยอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้แหละครับเอาตามมีตามเกิด เรไม่อยากอะไรเลยจะปล่อยให้เป็นไปตามที่จะเป็นแล้วค่ะเออด็กค่ะไ ม, ม่อะไรค่ะเออทนันนีก่อนนะมัดจังะใจค่ ะ, าาะเออมาเยี่ยมเยนมาทักทายเพื่อนฝูงนะค่ะค่ะโอเคลาเค่ะว่อคุณปตลาพรเชิญคุณปตลาพรมุ่สุขเอีอ่ากับการเจ้าค่ะหลวงพ่อมีอะไรหมวันนี้ เบื่อนายสังขารมากเลยเจ้ค่ะเบื่อก็ต้องอยู่กับมันอย่าไปฆ่าตัวตายนะผิดนะค่ะดูมันอยู่ดูดูมันนะะเห็นมันแล้วก็ดูมันโอเคเวลาที่มันให้ความสุขกับเราเนี่ยตอนที่มันให้ความสุขกับเราไม่เห็นเบื่อเลยพอมันให้ความเุ้กับเราก็เริ่มเบื่อเลยเห็นว่าต้องต้องดูแลรักษามันอย่างนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อ ก็เ<ม>บื่าก็อยากกลับมาเกิดเท่านั้นน่ะต้องฆ่าลูกพยายามปฏิบัติตัดกิเลสให้หมดนะชาติหนาจะได้ไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมีสังขารนี่ต่อไปเจ้าค่ะแต่การฆ่าฆ่ามันไม่ได้ทําให้เราหยุดการเกิด น, นะฆ่ามันจะแล้วกลับมาเกิดใหม่นะอย่าฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายมันไม่ได้ร่างกายไม่ได้เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือกิเลสความอยากเจ้างองฆ่ากิเลสฆ่าความอยากต่างๆให้หมดแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิด เจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะเจ้าค่ะกาบสาวทูนเจ้าค่ะโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะวันนี้ต้องรีบวนลอยกันะขอบคุณเจ้าค่ะคุณมาลีชคุณมาลีตาเลยเ้หลวงพ่อค่ะหลวงพ่อหนูก็ปฏิบัติเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าน้อยน้อยลงแล้วตอนนี้ต้อง ไม่ได้ไปทํางานเขาให้ให้มาเวิร์กอยู่ที่บ้านนะคะหลวงพ่อ mm hmm. เพราะเพราะว่าคนที่ออฟฟิศมีมีติดติดแล้วค่ะหลวงพ่อแต่ว่าจะเข้าไปเป็นบางวันทีนี้เวลาที่เราจะปฏิบัติเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะว่าเราต้องคอยมามาฟังสิ่งที่เขาจะลิงก์มาให้เราว่าต้องทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็เลยน้อยแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ทิ้งหลวงพ่อคะแล้วช่วงสี่วันเนี่ยหนูไปไปทําบุญ ไปเอาอาหารไปถวายพระปฏิบัติที่ที่หนูไปปฏิบัติมาค่ะเพราะว่าแถวนั้นเขาติดโควิดแล้วเขามีเหมือนคําสั่งว่าไม่ให้พระไม่ออกบินทบาทนะคะหลวงพ่อหนูก็ไปประมาณสี่วันแล้วหนูกลับมาวันเมื่อวานเมื่อวั น, วนแล้วแล้วทีนี้หลวงพ่อคะเอ่อคาว่าบ้าบุญเนี่ยมันเป็นแบบไหนคะหลวงพ่อบ้าบุญเป็นยังไงก็จะทําแต่บุญอย่างเดียวไม่ทําอย่าง อ, างอางื่นีไม่รักษาศีลไม่ภาวนาใกบ้าน อ oh. มันต้องทำทําทั้ทั้ ง, ท, ง, ท, งทั้งบุญด้วยต้องรักษาศีลด้วยแล้วก็ต้องภาวนาด้วย oh. อ๋อค่ะหลว่อคือหนูไปทำทีเนี้ยมันเหมือนบางทีก็คิดว่าเอ๊ะมันเยอะไปหรือเปล่าหมายหมายความว่าคือหนูเป็นห่วงพระที่ไม่ได้ออกบิณฑบาตกลัวท่านไม่มีอาหารอะไรเงี้ยคะ่ะ หนูก็เลยไปไปสี่วันติดแล้วก็พอกลับมาก็ยังมาปฏิบัติเหมือนเดิมบางคืนก็นั่งได้นานชั่วโมงชั่วโมงครึ่งรู้สึกดีมากมายแต่พอพอหนูหยุดไปหยุดไม่ได้ไปทำก็รู้สึกว่าเออกังวล น, นิดนึงว่าเอ๊ะพระจะมีอาหารไหมอะไรเงี้ยแต่แต่เหมือนได้ข่าวว่าท่านเริ่มออกบิณฑบาตได้แล้วค่ะหลวงพ่อก็ทำอะไรทำให้มันมีเหตุนิดหน่อยก็ระบไปทาด้ว ย, ด, วยด้วยอารมณ์ ค่ะหลวงพ่อค่ะแล้วต้องรูว่าการปฏิบัติเนี่ยมันนอกจากทําบุญแล้วมันต้องมีรักษาศีลมีภาวนาด้วยค่ะหลวงพ่อหนูยังทําครบทั้งสามอย่างค่ะหลวงพ่อค่ะเหมือนกินเวลากินข้าวเราไม่ได้จินแต่ข้าวอย่างเดียวกินข้าวกินกับกินขนมกินอะไรครบชุดนะค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อครัตอนตอนที่พักปฏิบัติ เวลาจะฉันอาหารนะเขาจะมีพิจารณาอาหารใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่แล้วทีเนี้ยวันเนี้ยหนูกลับมามาตอนกินข้าวอะ่ะมันก็นึกถึงว่าไอ้อาหารที่เรากินเข้าไปอะ่ะตอนที่ยังไม่กินนะมันสวยงามหลวงพ่อมันเหมือนมีความคิดแวบเข้ามาอ้ามันสวยแต่พอเราเคี้ยวเราอะไรเงี้ยมันก็เละเละลงไปแล้วคือเหมือน เหมือนตั้งแต่ปากเราถึงคอถึงกระเพาะถึงลำไส้อะไรเงี้ยหลวงพ่อมันมันก็คือคิดคิดขึ้นมาประมาณแบบนี้ค่ะหลวงพ่อว่ามันไม่สวยไม่งามมันคือจริงๆเข้าไปมันก็คือเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็เป็นเน่าไปเสียอะไรในร่างกายเราแบบนี้ถือว่าเป็นปัญญาไหมคะหลวงพ่อคือมันเป็นปัญญาเพื่อระดับความความอยากในอาหารความ อ, อยากกินให้มันอริดอร่อยอะไรอย่างี้แต่ถ้ามันกินเพื่อ เพื่อเลี้งปากเลท้องนั่นไม่มีความอยากกินนี่มันก็ไม่ต้องปรินาก็ได้ อ, อันนี้นนหรือว่าหรือว่าเวลาเราถือศีลแปดแล้วตอนเย็นหิวก็ให้ปรินาอาหารที่ไม่น่า ก, กินมันก็จะทําให้ความอยากกินอาหารมันหายไปได้ความหิวหายไปได้ หลวงพ่อคะหนูตั้งแต่ที่มาฟังเรียนธรรมกับหลวงพ่อหนูก็ที่หลวงพ่อสอนเรื่องศีลแปดหนูก็ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้กินข้าวเย็นเลยหลวงพ่อก็คืองดไปเลยแล้วก็มีอาจจะมีน้ำน้ำน้ำหวานบ้างนิดหน่อยอะไรแค่เนี้ยคะ่ะหลวงพ่อดีดะดก็คือปฏิบัติแบบนี้ม า, ม า, ม, ามาตั้งแต่ที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าจะก้าวหน้ามันต้องมากกว่าศีลห้าก็ต้องไปไปแปดอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็แปดมาตลอดตั้งแต่ หลวงพ่อไปเลยค่ะน่าดีขึ้นไหมนะด้วยการปฏิบัติในขึ้นระบาก็ดีขึ้นค่ะมันมันเขาเรียกว่ามันตัดปัญหาเรื่องกินไปได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับมันใช่ค่ะหลวงพ่อก็คือเราตัดไปเลยบาง<ไ>ถ้าเป็นบางวันเราแบบเราเราก็กินแค่มื้อเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อดีแล้วเวลาเรานั่งปฏิบัติน่ะมันหลวงพ่อเขามันหนูว่ามันมีสติมากมากกว่าตอนที่เรากินครบสามื้อหลวงพ่อ ได้เพราเวลาเกินก็มันอิ่มแล้วมันขี้เกียจเนี่มันอยากจะนอนะค่ะหลวงพ่อค่ะหนูก็ปฏิบัติอยู่ค่ะหลวงพ่อทำไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อมีอะไรไหมอ๋อไม่ไม่แล้วค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมีรายงานแค่เนี้ยค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวจะไปที่ด้านต่อไปนะอคุณกล่อยใจคุณกล่ยใจเชิญคุณกล่ยใจได้ยินไหม ใจกดกดปุ่มอันมิวเลยค่ะน้ามัสการค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนบ า, บางใหญ่บานจังหวัดเลยอหรอเสียงหายเวลาต้องอันมิวใหม่ก ด, ดี ด, ดีฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วที่ อ๋อค่ะพระอาจารย์ก็กําลังคิดถึงพระอาจารย์อยู่ค่พะพอดีช่วงโควิดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติแล้วไม่ค่อยก้าวหน้าค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าโทสะมันจะแรงก็เลยอยากจะปรึกษาพระอาจารย์ว่าเรารู้สึกว่าเราเมื่อห้าปีที่แล้วมีคอมเมนกันเรื่องเรื่องหมาเรื่องแมวภายในหมู่บ้านเนี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยมันรู้สึกว่าอาเราจะรู้สึกโกรธเขามากเลยอะไรเงี้ยพระอาจารย์หลังๆมาแล้ว คือมันแก้ไม่หายพอเห็นหน้าเขาปุ๊บคืออยู่หลังบ้านแต่จิตเห็นจิตตัวหนึ่งที่มันวิ่งออกไปดูหน้าเขาข้างหน้าบ้านเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะแก้ยังไงบางทีก็รู้สึกว่ามันมันไม่หายโทรศัพมันแรงนะคะเดินใจเรากลับมาอย่าไปคิดถึงเขาใช้พุโทโธพุโทโธแล้วสวดสติปีสปรวไปอย่าไปคิดถึงเข า, างอนนี้เราต้องหยุดคิดถึงเขาก่นอนบางทีได้ยินเสียงนิดนึงก็ไม่ได้พระอาจารย์แบบ มันวิ่งไปเห็นคือคือแยกได้แต่คือโทรศัพท์มันเร็วโทรศันกลับมาใช่พุทโธนึงกลับมาท่องพุทโธพุทโธไปแล้วสวดสติปิเศไปได้ค่ะพอาจารย์จะพยายามรู้สึกว่ามันจะแรงแรงมากเลยช่วงนี้แบบอะไรแบบไม่กล้าหน้าแต่มันจิตตกมากเลยมันแรงเราก็ต้องไปแรงเรวต้องใช้สติให้มันแรงต้องใช้สติให้มันแรงยังไงอะคะพายจันคือดูพุทโธอย่าไปอย่าไปหยุด อย่าไปหยุดโอเคได้ค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมันจะหยุดคิดเป็นคนเรื่องคนที่เราโกรธเราถึจะหยุดพุทโธได้บางทีแผ่เมตตายังแผ่แบบไม่เด้าไปเลยเนี้ยตอนนี้ต้องหยุดบัรเทงอย่างเดียวใช้พุทโธอยู่างเดี้วก็ท่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปได้เจ้าค่ะพระอาจารย์แยกได้ตอนโทรสะแต่ตอนปกติจะแยกไม่ได้เลยว่ามันเป็นเราทำใจให้เป็นปกติก่อนใช้พุทโธทำใจให้นิ่งก่อน แล้วก็ยังก็แผ่เมตตาต่อไปให้ภคยต่อไปได้อืมได้เจ้าขาพระอาจารย์ไม่มีแล้วเจ้าขาพระอาจารย์ขอนุโมทนาค่ะโอเคมันบางใหญ่นี่อยู่ที่นนทบุรีใช่ไหมใช่ค่ะตรงเวสเกตเนี่ยค่ะเช่นท่านเวสเกตเนี่ยค่ะพระอาจารย์ดใกล้กันเลยใช่จ้ะทุกท่านต่อไปใครเอ่ยคใครยินแต่กุศลทัศนต์นิศทันี้นิศกุศลทันต์นิ นั่งนิ่งเหมือนกับเป็นภาพนิ่งเลยแต่แสดงว่าจิตสงบดีนะจาธรรมศาสการพระจานทร์ค่ะวันนี้นหนูไม่มีคําถามเจ้าค่ะอเข้า<พ>มารับฟังเงจ้าค่ะจเจ้าค่ะเข้ามาฟังแล้วมีความสุขดีเจ้าค่ะดีดีการสนทนาธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งนะการเล่นธรรมมาสากัศช้าธรรมมังตัลมุตตมังค่ะพระจานทร์ค่ะ โอเคขอไปที่ขั้นต่อไปคุณมาเรศเชิญคุณมาเรศกราบและมัทสกการหลวงพ่อครับมาเลยมีอะไรว่ามาเลยก็ช่วงนี้ก็ทําทุกวันครับสวดมนต์นั่งสมาธิอาจจะได้มากได้น้อยแหละครับพยายามจะลึกถึงทุกวั น, นก็กรรมาฐานที่ใช้บ่อยๆก็พุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุส ต, าา ต, าา ต, าาติแล้วก็มรณะนุสติอานาปนสตินี่ก็ใช้แบบแล้วก็พิจารณาร่างกายบ้างอย่างนี้ครับหลวงพ่อดีๆทาไปเรื่อยๆนะ ชอบมโนนานุสติมากเลยเวลารู้สึกว่าเราโกรธใครพอคิดมโนนานุสติเราไม่ได้ใช้เมตตานะแต่พอใช้มโนนันุสติมันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับในที่สุดก็ตายกันไปหมดในชะ่ยหมมีเรื่องมีราวหรือไง ห, หรือว่าเห็นใครแบบทำชั่วแค่ไหนก็แบบเขาคิดวแบบ่าเอแบบอแบบถ้าเขาทําชั่วถึงแม้เขาจะไม่รับกรรมบนโลกมนุษย์แต่เขาต้องรับกรรมในนรกแทนแล้ว พ, พอเราเชื่อโกรแห่งปุถุเราก็จะไม่แบบอาฆาตใครอะครับหลวงพ่อ เป็นกรรมฐานที่ดีมากเป็นปัญญามานานนิสติดับกิเลสได้เยอะครับหลวงพ่อครับแล้วที่ที่หลวงพ่อบอกว่าคาดรัวตายนี่ก็เลยเห็นแบบว่าพระอาจารย์รุ่นหนึ่งบอกว่าเป็นเพราะกําลังใจเหมือนเรากําลังใจน้อยเทียบกาลังใจกับที่ตัดแบบนั้นไม่ได้คือยังไงครับหลวงพ่อไม่รำก็ไม่สร้างมืนกันท่านท่านหมายถึงอะไรหมายถึงว่ากําลังใจเรากําลังใจสาับ ไปตัดสินกำลังใจของผู้ที่ปัตถนามุทธภูไม่ได้อย่างนั้นนะครับอันนี้เราไม่รู้นะเราไม่ไม่ได้ไปคิดเป็นเอกระดับนั้นผมว่านั้นแหละหลวงชาติชาติก่อนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่เคยตัดคอตัวเองสั ก, กาชาติหนึ่งผมว่าคิดอยู่อย่างนั้ น, นการฆ่าตัวตายมันเป็นไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาต้องฆ่ากิเลสตัวที่ทำให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันที่ตลาดชีวิตเพื่อ คือให้ได้ทําคือยังไงครับหลวงพ่อก็หมายถึงว่าถ้าเราถ้าเขาจะมาฆ่าเราเราก็ไม่ไปฆ่าเขาไงปล่อยให้เขาฆ่าเราไปเราก็จะได้ทําหมายความว่าบางทีเราต้องโดนเป็นคนโง่อย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่ออแเราเร า, เร า, าเรายอมเสียชีวิตเพื่อรักษาความดีไม่ไปไม่ไปเขาจะมาฆ่าเราเราไม่ไปฆ่าเขาเรื่องหนึ่งที่สงสัยเกี่ยวกับ เรื่องเงินนะครับพระคือห้ามยุ่งกับเงินในรูปแบบไหนเหรอครับหลวงพ่อก็ถ้าไม่ยุ่งงะไรดีที่สุดไม่มีอะไรดีที่สุดเวลาจะทําอะไรก็ถ้าไม่มีไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำอ๋อครับท่านทำบุญร่วมทําบุญไปกับหลวงพ่อครับผ่านคุณหลาไว้นะครับอ่ได้ได้รับทราบแสาธุาเดี๋ยวไม่รบกวนละครับท่านอืนอ่นๆสาธขอบขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับโอเคท่านต่อไป คุณนารุมนน่ะนารุมนชคุณนารุมนอยู่ที่ไหนอำนานจเจริญเจ้าค่ะการบรฒนการอลวงำนาจเจริญอ่าทางแรกค่ะก็ดูตลอดค่ะแต่ไม่ได้เข้าซูมค่ะคืออย่างนี้ค่ะว่าอาจารย์มีวันประมาณสามวันที่แล้วค่ะคือปกติตั้งสมาธิเนี่ยก็จะได้เกือบทั้งคืน เดินจงกรมก็ไล้ทั้งวันทั้งคืนแล้ววันนั้นในขณะที่คือเราใช้ชีวิตปกติประจำวันปกติจิตมันตกสู่ความว่างคือมันว่างมากจริงิงว่างวางจนว่างจนลูกคิดว่ามันคืออะไรแต่แต่พอพอให้หลังจากนั้นก็เลยมาคิดว่าอ๋อมันเป็นความว่างไม่ทราบว่าลูกเข้าใจถูกต้องไหมเจ้าคะ ถูกต้องแล้วแหะมันว่าง ก, ก็ว่างเค่ะคือมันว่างแล้วไม่มีอะไรเลยใช่แล้วก็เบาสบายแล้วลูกก็อ่าชีวิตประจําวันก็คือดูลมหายใจได้ตลอดเกือบทั้งวันค่ะไม่ได้เฉพาะตอนที่เรากําลังทํางานนะคะดีเวลาทํางานก็ดูการทํางานไปแทนดูดูการทํางานค่ะดูมือดูทา่าดีปฏิบัติถูก ถ้ามีสติเวลานั่งสมาธิจิตมันก็จะว่างได้ค่ะแล้วอ่าตัวที่หมายถึงว่าลูกเข้าใจไม่ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องไหมตัวปัญญาเนี่ยเราต้องคือถ้าสมมุติว่ามันมีปิ้งขึ้นมาเนี่ยเราต้องเดินต่อเลยไหมเจ้าคะ่ะก็แล้วแต่เราถ้าเราถ้าเรามันปิ้ขึ้นมาแล้วเราสามารถเอามาใช้ในการปล่อยวางตาทิเลได้ก็ามาใช้ค่ะ เออ่จริงๆลูกอ่การปฏิบัติก้าวหน้าในช่วงที่ได้มาฟังธรรมของหลวงพ่อที่บอกว่าให้ลดความอยากก็เลยมาดูพออะไรเกิดขปั๊บก็บูมันเป็นความอยากหรือเปล่าแล้วก็หยุดคือดับเลยค่ะอราใจก็สบายค่ะก็ใจสบายขึ้นเยอะแต่ก่อนเป็นคนใจร้อนแล้วก็ขี้โมโหเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นแล้วค่ะ พยายามตัดไปเรื่อยๆตัดกีเลตตัดความโลภความอยากไปเรื่อยๆค่ะแล้วแล้วไอ้ความว่างที่ท <Okay? ี่ลูกเรียนถามหลวงพ่อตะกินเนี่ยค่ะถ้ามันเกิดในในในช่วงเวลาต่อไปเนี่ยลูกควรจะทํายังไงเจ้าค่ะก็ประคองมันไว้ให้มันว่างมันได้โอ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะเข้าใจแล้วเจ้ามันเป็นที่พื่งของใจเป็นที่พักผ่อนของใจเข้าใจแล้วเจ้าค่ะค่ะ ขอบพ่อคุณหลวงพ่อค่ะการม <Okay. S 2> าสักสาธะท่านต่อไปคุณนายโฟนคุณนายโฟนเชิญนำมาสการครับหวมพ่ อ, อว่ามาอะไรมีคําถามอะไรเชิญอืมวันนีม้มาฟังครับเพิ่งเข้ามาวันแรกครับมาจากที่ไหนจังหวัด น, น่านครับจังหวัด น, น่านนะมาใกล้โ okay. อเคอยากจะถามว่าเวลาดําเนินชีวิตเนี่ย แ่ทุกวันก็จะมีการมารมความกำหนักอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะใช้วิธีไหนกำจัดมันไปครับก็ใช้อสุภาษนึกถึงอาการสาสสองของร่างกายบาไม่ใช่แต่เห็นแต่เฉพาะภายนอกเห็นข้างที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นนึกถึงโครงกระดูกนึกถึงปอดถึงตับหัวใจลำไส้อะไรต่างต่างนี้ ไก็จะทําให้การมารวมมันลดน้อยถอยลงได้แล้วนึกถึงซากศพก็ปปได้เราก็ไม่อยากจะนอนกับซากศพใช่ไหมครับแต่คนที่เราคิดว่าสวยว่างามนี่ต่อไปก็ต้องเป็นซากศพใช่ไหมครับอราคิดยังไงก็ได้อืผมผมยังไม่ไม่เข้าใจว่าเวลาเรานั่งสมาธิไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆเนี่ย เราเราเราจะหลุดพ้นได้ยงไงครับก็นั่งสมาธิอย่างเดียวหลุดไม่ได้ครับหลุดการนั่งสมาธิใจก็หลุดชั่วคราวใจสงบใจก็ไม่ไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆแต่พออยากสมาธิมาก็ทุกข์กับเรื่องเรื่องนี้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตายแล้วเห็นตายแล้วก็จะปล่อยวางได้ก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องต่างๆได้ครับแล้ว อืมผมอยากจะทราบ ว, ว่าเวลาเราอยากจะแบบว่าไม่กลับมาเกิดอีกเ้วจนะตัดความอยากไปเรื่อยๆตัดความอยากให้หมดไปความอยากได้ลาบย่นลเสริญ ต, ตัดมันไปความอยากมีอยากเป็นตัดมันไปแล้วมีแบบทางมีทางลัดไหมครับหลวงพ่อเดี๋ยวลัดที่สุดเลย สินสมาธิปัญญาทานสินภาวนาเนี่ยมันทางรักที่สุดนะครับทําไม่ได้เดียวเดียวยว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีก็บรรลุได้ถ้า ท, ทําจริงๆหมายถึงว่าเราแบบถ้าทางรักก็คือแบบสลละทางโลกไปเลยอะไรเงี้ยมันเป็นทางรักทางรักแล้วก็กวกกกไปด่วนเลยครับอืมมีมีอีก คำถามหนึ่งครับว่าที่ผมดูใน u ู u ู e อย่างหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ที่แบบว่าเขามีอภินิหารว่าเออไปสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าได้ไปสนทนาธรรมกับพระอริย ะ, ะที่ที่ที่มรณ า, าภาพไปแล้วได้อะไรเงี้ยก็ไม่อยู่ <ผม S 2> ก็มไม่เชื่อ เราจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรมันมันมัถ้าเรายังไม่รู้ไม่เห็นเองเราก็ไม่ต้องไปเชื่อก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องเชื่อเวลาทายเขาพูดอะไรให้เราไปพิสูจน์ก่อนบเพราะว่ามันเชื่อได้ยากอยู่นะผมเ อ, อ, อ, อันนี้ของนี้บางทีเราต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราอาจจะเห็นตามที่เขาพูดก็ได้นะถ้ายังไม่เห็นก็ไม่ต้องไปเชื่อเฉยๆฟังหูไวหูไปก่อนก็แล้วกัน แต่อย่าไปปฏิเสธแล้วบางทีก็อาจจะเป็นทุนเรื่องจริงก็ได้นะเรื่องที่เรายัางมองไม่เห็นก็ได้ครับแล้ ว, แ ล, วแล้วเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกที่ว่าเวลาเราเราถือสีลแปดเราไม่กินอาหารเย็นเราไม่ไม่กินให้อิ่มมากอย่างเงี้ยมันมันมีผลต่อการปฏิบัติไหมครับหลวงพ่อมีเสดมันทําให้ไม่ง่วงนอนเงี้ยไม่ขี้เกียจ แต่กินมากๆกินอิแล้วมันจะง่วงนอนจะที่เกลียดจะไม่อยากจะปฏิบัติมันอยากจะนอนครับวันนี้ผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเนาะเอ อ, เ อ, อมีอีกเรื่องนะครับหลวงพอ่อเ อ, อ่เ อ, อที่ที่ลูกประคํานะครับเวลาเราบริกรรมเนี่ยผมเห็นพระทาทงเหนือเขาเวลาบริกรรมก็นับลูกประคําไปด้วยเนี่ย<ม>เขาใช้ยังไงครับหลวงพอ่ออ๋ออันนี้เป็นเป็นการให้รู้ว่าเขานับไปถึงไหนครับ ท่นั้นเองเขาเขาสวดติปิโสรอบหนะึ่งแลก็จับรูปประคำไปรูปหนึง่งจับไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบอต่เราไม่ต้องไม่ต้องนับก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องใช้รูปประคมา็ได้เราสวดไปเพื่อหยุดความคิดปูแต่งนั่นเองครับผมก็ <Okay S 2> จะลองนะพยายามดูครับครับครับ ไ, ได้ลองฝึกสติไปพูดโทพูดโทไปนะ โ <Okay, S 2> อเคท่า น, นต่อไปคุณชายพาสิทธิ์ชายภาสิทธิ์เชิญอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ระยองครับผมมีอะไรไหมต่อมีนิดหน่อยครับอาจารย์ถามว่ามาเลยเออคือขณะที่เราอ่าเราเราทําสมาธิเนี่ยพอเราเข้าสมาธิปุ๊บจิตมันจะเข้าไปปัญญาเลยอย่างเงี้ยมันมันจะถูกต้องไหมครับคือเรานิ่งไปปุ๊บเมื่อมันมีสิ่งใดอย่างหนึ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ เออ่ตัวรู้เราอ่ะจะไปพิจารณากับไปตัวที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยเออตัวนี้มันมันไม่ใช่ธรรมนะให้เราไปวางนี่อันนี้มันทุกข์นะให้เราไปวางนี้มันมันถุกไหมครับมันไม่ถูกหรอกเพราะมันจิตยังไม่สงบเต็มที่มันทําให้มันสงบเต็มที่แล้วมันจะไม่คิดอะไรเลยแต่ถ้ามันโผล่ขึ้นมานี่คือเราก็ไย่ไปสนใจอย่าไปสนใจดูลมต่อไปแนึกบุโธต่อไป และอีกอย่างหนึงครับอาจารย์ผมไม่รู้ว่าทําถูกหรือเปล่าก็คือขณะที่มันเข้ามาเอ๊ะเราฟุ้งซ่านมากๆเราเอาอําบริกา ร, รที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นแป๊บหนึ่งเลยมันจะเข้าไปสมาธิเลย อ, อย่างนี้ถูกไหมครับ<ำ rejection> <writ S 2> ถูกถูก<ต>ถูกจิตเข้าสมาธิได้ไหมก็ถูกอ๋อครับไปอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเข้าตัวนี้ปุ๊บเรานั่งสมาธิานานๆแล้วเกิดเวทนาขึ้นมาปึ๊บเมื่อเรารู้แล้วเวทนาเกิดขึ้นเราบังคับมันไม่ได้เราก็ทําอะไรมันไม่ได้ผมก็เลยลุกขึ้นไปเดินจงกรม อ, อย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกแสดงว่าเราบังคับมันแล้วบังคับให้มันหายไปด้วยการลุ ก, ออกถ้าจะไม่บังคับไม่ได้ก็ต้องนั่งต่อไปให้มันหายของมันเองอพอต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ปด่วยเราก็บังคับมันไม่ได้ใช่เลยถูก็อีกตรงนี้แหละครับตรกลงเราทําถูกไหมก็คือถ้ามันที่เราเห็นเวทน า, นาขึ้นมาแล้วเราพิจารณาที่ฉีกขาดูตรงที่มันปวดมันก็ไม่มีอะไรตกลงอยู่ที่ใจเราจะไม่เหรือว่าเราจะ ปล่อยวางมันอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรก็ต้องอยู่กับมันไปต้องอยู่เฉยๆอย่างนี้มันอย่างนี้มันเดินโยกลมือก็เป็นเหมือนกันแต่เราก็ไม่ต้องหนีใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราไปเปลี่ยนยายาบดทําให้มันหายไปก็ทั้งวันวันี้มันเไปปล่อยมันอยู่ไปอย่าไปให้มันหายให้มันหายมันเองเราตัวที่เราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันครับแล้วเกิดว่าเอเราเห็นเราแยกคาคคันหมดแล้ว ด้วยทุกอย่างว่ามันมันว่างมันไม่มีอะไรคือมันแยกกันเป็มบทแล้วก็คือต้องการให้เราอยู่กับความว่างใช่ไหยครับอาจารย์คือให้เราตัดให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายครับแล้วร่างกายเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปมันจะแก่ก็ปว่อยมันแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันจะตายไปครับอาจารย์โอเคครับอาจารย์แค่นี้แหละครับผมนคือไม่ไม่ต้องไปทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ถ้าจเราเห็นว่ามันเป็นความว่างมันไม่มีตัวตนมันไม่มีเราในร่างกายเข้าใจไหมปล่อยให้มันเป็นของมันเองให้มันหายไปเองมันในที่สุดมันก็จะมันก็จะกลายเป็นที่เท่าที่ถ่านไปร่างกายโอเคไปที่ด้านต่อไปคุณไอโฟนเหมือนกันที่ไอโฟนอยู่ที่ไหน อ่าพูดได้เลยอ๋อยู่กรุงเทพเจ้าค่ะท่านอาจารย์เอ่มีอะไรไหมค่ะพูดมาฮะจะขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเออหนูงดอาหารเย็นได้แล้ววนะันนั้นเจ้าค่ะแต่ว่ามื้อที่สองเนี้ยค่ะจะเป็นหลังเที่ยงนี้จะมีความแตกต่างกับการที่เราต้องรับประทานก่อนเที่ยงไหมเจ้าค่ะมีเพราะว่ามันมันมันก็คือมันจะทําให้มัน เมือนกับกินอาหารเมื่อเย็นใหอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปรับให้ได้เป็นก่อนถ้าถ้ามันถ้ามันช้าทักชั่วโมงถ้าสมมติถ้าเราต้องทํางานแล้วเราต้องเวลากินอาหารต้องรอให้พักเที่ยงแล้วมากินอย่างนี้ก็อารมณ์มันได้ชั่วโมงนึ่งนี้แต่ถ้ารอไปถึงสองสามโมงสี่มงนี่มันก็เหมือนกับกินอาหารเย็นนะ โอเคแต่ถ้าไม่เกินสามโมงก็ควรจะต้องปรับให้เป็นตอนเที่ยงใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้ติดเรื่องงานใช่ควรจะให้มันตอนเที่ยงดีกว่าเพาื่อความจริงการถือสินแปนี่มันควรจะทําในวันที่เราไม่ทํางานจะดีกว่าเพราะว่าการถือสินแป้นี้เพื่อมนสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมของเราเราจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องเรื่องกินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติอย่างเต็มที่หลังจากเที่ยงวันไปเลย อ๋อเจ้าค่ะแต่ถ้าเรา ไ, ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไปทํางานก็ถือแค่สี่ห้าไปก็ได้หรืออยากจะถือศีลแต่ก็ไม่ห้ามมันก็ไม่ต่างกันเพราะเวลาทํางานเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูหนังฟังเพลงแลใช่ไหมอ๋อค่ะคือตอนนี้เรื่องดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้<อ>ไม่ได้ดูมานานแล้วะคะ<อ>่ะพียงแต่ว่า อ, อ, อาหารบางทีหนูก็จะทานใบสองอะไรประมาณเนี้ยค่ะ แต่ก็ไม่ควรถ้าอยากจะดื่มซีนแต่ให้มันให้มันเพ่งก็เอาแค่เทียงวันก่อนเที่ยงวันยกเว้นยกเว้นว่าถ้าเราทำงานแล้วเขาให้เรากินหลังจากตอนเที่ไปแล้วถึงกินก็อันนี้ก็อารมล์ไปได้อเจ้าค่ะเท่านี้เจ้าค่ะท่านจานเดี๋ยวไปท่านอื่นค่ะขอบพระคุณค่ะใช่เลยท่านต่อไปอาทิตอาทิตย์ทองค่ะ ครับนำมัชการครับอาจารย์ครับเออเชิญครับผมอาทิตธรครับ uh huh. เลียนเลียนถามพระอาจารย์เรื่องการวางวางใจวางกายในสถานาการณ์โควิดเนี่ยครับเพราะว่าบางทีเราระวางมากไปมันก็กลายเป็นวิตกบางทีพอเราปล่อยมากไปการปล่ยไปเป็นว่าเราก็ไปทำให้สังคมเขาเดือดร้อนหรืออย่างแบบพออยากจะฉีดฉีดวัคซีนก็กังวลว่าเอ๊ย มันฉีดแล้วมันจะมีผลกระทบแต่ถ้าเราคิดว่าเออถ้าไม่งั้นเราไม่ฉีดไม่สนใจเดี๋ยวมันก็ไปมันเหมือนมันไม่รู้ตรงไหนมันเป็นกลางดีครับะอาจารย์คือบางทีกลางไปมันเหมือนก็ปล่อยปล่อยเพอปล่อย ป, อย ป, อยปุ๊บมันก็กลายเป็นภาระกับคนที่ทํางานเขาก็มอง e อีกแบบยังไงดีครับอาจารย์อ๋อเราก็ต้องมีมมคาวามรับผ<ม>ิดชอบต่อส<ม>ังคมเมื่อสังคมบอให้เราฉีดแล้วก็ต้องฉีดเมื่เราจะน่าจะเป็นภาระกับสังคมไปท้าทุกคนก็เดืดร้อนจากการไม่ฉีด วัคซีนของเราครับแม้ว่ามันจะเกิดผลกระทบกับเรานะครับอาจารย์เราก็ไม่รู้อีกเหรใช่ไหมเราก็คินอนี้ครับผมเพว่าโอกาสที่จะมีผลกระทบจากการฉีดวัคซีนนี่เหมือนกับการโอกาสที่จะถูกวัคซี่รางวัลที่หนึ่งแล้วโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากจากตัวโควิดนี่มันไม่ถูกเลในท้ายสองตัวครับครับ ยิ่งโอกาสที่มันมันไม่ฉีดนี่มันจะทําให้เราติดเชื้อได้ง่ายกว่าครับอันครับผมอันนี้อันนี้ผมก็ได้ยินเขาประชาสัมพันธ์กันนะครับพี่ตังว่าเหมือนนี่ก็ฉีดไปเถอดถ้าเกิดเป็นกรรมของเรามันจะต้องมีแพทย์ทางจากวัคซีนก็ถือว่ามันหนึ่งในล้านคนเนี่ยนนานๆจะมีสักคนหนึ่งท่านจะเป็นเราก็ถือว่าเป็นความช่วยของเราก็แล้วกันครับก็ก็ก็ก็คือเหมือนกับว่าประมาณว่าได้ ได้ได้ทราบอกว่าถ้ามุเราไม่ได้มีกรรมอะไรเราไม่ต้องกังวลผมก็เลยแบบที่มันเราก็ไม่รู้ว่าเรามีหรือไม่มีกรรมเกี่ยวกับโลกนี้แต่ว่าก็พยายามสวดรัตนสูตรตลอดนะครับอาจารย์เออคือเวลาก็ฉีดไปเถิดบางอย่างนั้นมันก็ไม่ไปทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนจากการไม่ฉีดของเราการไม่ฉีดแล้วติดเชื้อบางทีไม่มีอาการเล่วเาไปแพร่ใ ห, พให้พ่อให้แม่ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับนี่ตรงกวนตรงนี้เพราะที่บ้านคุณแม่ก็อายุมากนะครับน่าดีส งั้นฉีดเถิดและที่ว่าเป็นการเสียสละเพื่อเพื่อดูแลพ่อแม่ของเราก็แล้วกันครับผมได้คร right. eh ับอาจารย์คร so ับครับแล้วพระอาจารย์ได้ฉีดอย่างหรือยังครับก็เราได้ลงทะเบียนได้วันที่เจ็ดเนี่ยต้องราถึงวันที่เจ็ดอ๋อรอบแรกเหมือนกันเลยครับพระอาจารย์ครับสาธุครับครับนมาสการครับเราก็ไปรู้ฉีดแล้วจะแพ้หรือเปล่าไปรู้แพ้ก็แพ้ตายก็ตายี้ไม่ไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายสักวันหนึ่งนะสาธุครับนะ ครับโอเคนะขอบพระคุณมากครับรมว่าราชการคือเราได้ทั้งสองอย่างครับถ้ามีฉีดก็ฉีดถ้าไม่มีฉีดก็ไม่ฉีดอ๋อครับผมไม่ต้องไปดิ้นนมีงคนบางคนอยาไปดิ้นรนไปหาที่ฉีดไม่ไปล่ะถ้ายังไม่ถึงเวลาให้ฉีดก็ไม่ไปฉีดนะครับมีมีเพื่อนเขาไปที่อเมริกาครับเลยฉีดไฟเซอร์ครับสมัยเรียนนอครับนั่นก็บ้าไปอย่างนั้นบ้าวัคซีนอย่พวกนี้ก็มีให้ฉีดก็ไม่ฉีดก็ บางกลัวัคซีนีกบางกับภรรยากันใช่ไหมครับผมให้คิดที่ทำให้คิดจากทำธรรมดานดีกว่าเพราะเจ้าเราเกิดมาเราต้องแก่กันต้องเจ็บต้องตายเนการทุกข์ทุกข์แค่นี้จบได้ครับบางกัวต่างๆมันก็จะได้หมดไปนะฉีก็ได้ไม่ฉีก็ได้ครับแต่ถ้าฉีดแล้วเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นเขาติดเชื้อจากเรามันก็ควรจะฉีดไม่ไปทําเป็นภาระให้แก่ผู้อื่นเขา ครับได้ครับอาจารย์ครับััคร บ, บ <c oughs> โอเคครับต่างตั้นต่อไปใครถึงกลางวันอะไรครับกลางวาัาอะไเช่นตัดนาาา้ำสกัดค่ะแต่ว่ามาเลยยมรายงานเลยนะคะก็คือยมคือตั้งข้าวตั้งหลายครั้งแล้วว่าจะถึงสินแปดเมื่อวานนี้วันพักก็เลยถือว่าโอกาสดีก็เลยถึงสินแปดเลยคะ่ะ หลักๆ ก, ก็คือกังวลเรื่องการทานอาหารว่าปกติจะเป็นคนทานทานครบสามมือจ้าค่ะแต่เมื่อวานเนี้ยไม่ได้มีความผิวอะไรเล ย, เลยแล้วก็สามีก็เลยก็เลยอดตามไปด้วยเป็นคริสก็เวลาช่วงระหว่างวันนะคะโยมก็นั่งฟังทำไปสามีก็สวดของฝั่งคริสไปมันก็เลยทําให้บรรยากาศเมื่อวานนะคะมันดีมันสับพอร์ตกันดีเจ้าค่ะก็ดีแล้วทําให้การปฏิบัติเราดีขึ้นไหม ดีขึ้นค่ะอะหลักๆเลยคือถ้าป้าเปิดคลิปพระอาจารย์ฟังอะค่ะจะนั่งนิ่งมากเลเจ้าค่ะทีนี้ยมยองไปเปิดคลิปของของหลวงตาบัวค่ะอ่าแต่ยมฟังจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าน่าจะเรื่องของภาษาธรรมจะจะไม่ถึงยมไปเจออ่ธรรมะบรรยายเรื่องของแว่นดวงใจเจ้าค่ะยมพยายามฟังก็แต่ยมฟังไม่เข้าใจก็เลย เลยว่าเดี๋ยวสั่งตอนนี้สั่งหนัสือมาอ่านแทนค่ะเออลองลองลอ่านหรือลอฟังใหม่ๆแล้วแลายรอบเดี๋วก็ได้จะค่ะถ้ายังไม่เข้าใจก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องจากปฏิบัติไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็แพร่ไม่ก่อนก็ได้ก็ <c oughs> คิดว่าเดี๋ยวถ้าสั่งห น, อยอยนงงังสือมาอ่านบ่อยๆนะค่ะอาจซ้ําๆกันก็น่าน่าจะสักวันหนึ่งน่าจะเข้าใจมากขึ้นเราบางทีท่านพูดถึงเรื่องจิตเรื่องภายในจิตเนี่ถ้าเรายังเข้าไปไม่ถึงเราก็อาจจะไม่เข้าใจได้ ทำปฏิบัตินั้นเวลาไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปวิตกกังวล น, นะเอแต่ว่าบางทีจิตเรายังการปฏิบัติเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นเ็นแล้วกันแค่ะทําไปเรื่อยๆครั บ, อรบโอเคนะท่านต่อไปคุณประยูนเหรอคุณปรยูนถามก็ยังบางทีประยูนถามถาไปแล้วทํามไปแล้วเนอะเปลี่ยนชื่อไหมครับถามไปเมื่อกี้ออกไปแล้วเข้ามาใหม่ครับอ๋อได้สิ ได้ได่ถามมานด้นี่คุณสภารพเชนสภารพรค่ะคุณนั่งหน่อยได้ไหมได้ยินไหมคะเข้ามาใกล้าหน่อยสนค่อยไปไหน่อยหรือว่าเครื่องไม่ดีไหมคะโอเคดีแลวได้ยินแล้วว่าคือะจะมารายงานการปฏิบัตินะคะ ก่อนหน้า น, นี้จะจะสู้กับเวทนาในการใช้สติใช่ไหมคะแล้วพอดีเมื่อสองวันที่ผ่านมาคือช่วงที่กับจากเขาเนี่ยจะไม่ได้ปฏิบัติหนึง่งแล้วก็พอดีเอ่อเมื่อสองวันก่อนมีโอกาสก็เลยก็เลยลองลองมานั่งใหม่ค่ะว่าใช้วิธีการพิจารณาอ่อัญญาที่ที่พอจะเข้าใจค่ ะ, ค ะ, ะผลที่ได้ก็คือว่าเวทนาก็จะมีเกิดกันระยะระยะ แต่ว่ามันก็จะสงบตัวไปค่อยๆสงบตัวไปแต่ว่ า, าสังเกตได้ว่ า, าคือจิตมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้สงบรวมแบบลึกๆอะไรมากเหมือนกับสมาธิมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ชัดมากแต่ว่าสามารถาพิจารณาทางปัญญาได้ตลอดทางคือมันจะมีเวทนาเกิดขึ้นกันระยะๆะะเราก็ ช่วงที่เรานั่งเนี่ยเราไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆค่ะมีเกิดขึ้นปุ๊บเราก็คิดไปมีเกิดขึ้นปุ๊บเราก็คิดไปจนจนตหลอดเลยก็ให้เราอยู่กับมันให้ได้ก็จะมาเพื่อเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราหนีมันไม่พ้นหนีเดี๋ยวมันก็ตามมาเราอยู่เรยๆดงั้นเราอย่าไปหนีมันคะอยู่กับมันไปไม่ต้องไปกลัวมันค่ะค่ะก็มีมีเท่านี้ค่ะ โอเคแล้วแล้วเป็นงไงพอชีวอยู่กับมันได้ใช่ไหมถ้ารับพิจารณาแล้ก็จะอยู่กับมันได้อยู่กับมันได้อะอยู่กับมันได้ไม่ทุกข์กับมันใ่ไหมอันนี้คือเป้าหมายของการพิจารณาะนะแต่ว่าเอสังเกตได้ว่าตัวสมาธิที่มีอยู่กับตัวนี้ก็อืก็ไม่ได้มีสมาธิมากเพราะว่าคือควาหาแน่นของ ที่มันมันทดสอบได้ว่ามันมันไม่ได้หนักแน่นมากถ้าเราพิจารณาได้เรแสดงว่าเรามีสมาธิพอสคมควรทำไงมีสมาธิเราจะพิจารณาไม่ได้ออ่เต้องต้องเล่าไหมคะว่าพิจารณานยัางไงไม่ต้องเวลาวันนี้เวลาเวลามันค่อ น, น, นข้าที่จะมีน้อยอยังมีคนรอพูดอยู่หลายค น, ย น, นได้ค่ะได้ค่ะท่านอาจารย์นะมีเท่านีค่ะโอเค ก็ถูกแล้วนะใช้สติก็ได้หรใช้ปัญญาก็ได้ปัญญาก็พิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปควปบคุมมังครับมันไม่ได้<ะ>มันจะอยู่ก็ต้องอาดอยู่กับมันไปอย่าไปลังเกยียจอย่าไปอยากให้มันหายหเพราะมันจะทําให้ใจเราเครียดค<ะ>่ะ อ, อ๋อเราก็สังเกตได้ว่าเออคือถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสมาธิแต่ว่าตัวตัวสติเออ เราเราไม่มีทางจากจะคิดเรื่องอื่นได้เลยเพราะว่าเออวทนาที่มันส่งเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราถ้าเราออ่ไม่มีสติคุมและพิจารณาเนี่ยคิดซอกแซกไปเรื่องอื่นเนี่ยมันมันจะมันจะสู้กับเวทนาไม่ได้ไม่ได้ไม่ก็จะอยากจะลุกขึ้นมาแทนที่ก็เลรู้สึกว่าเออสติเราในวงจํากัดเรื่องกสติปัญญามันมันมันจะบังคับเวลาท่างใช้สติกับปัญญาอย่างเดียวเพื่อเพื่อให้อยู่กับมันให้ได้ ออโอเคน ะ, ะ, ะท่านนี้ก่อนทำมาทุกทางมาถ้าไม่ใช่สติก็ใช้ปัญญานะความหมายก็คือไม่ใจเราทุกข์กับมันออโอเคท่านต่อไปคุณใบห ย, ยกภูผาบุกไห ม, มน้ามาส ก, การค่ะมาสการ์จ้าค่ะ เป็นยังไงบ้างสบายดีเหร อ, อวันดีครับคือว่าวันนี้สบายดี<ม>ค่ะคือว่าวันนี้ผมมาขอคำมาพระอาจารย์สุชาติครับครับพระอาจารย์ขอขอาำมาหลวงการเรื่องเรื่องเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วอะครับผมตอนท้ายผมทําไมครับผมผู้เสียวเวลาครับผมก็เลยผมก็เลยมองมองท่าน ผมว่าเลยถือศีลเจ็ดวันก็เป็นการชดเชยค่ะขอเข้ามาเดย์นี่ถือศีลอะศีลห้าแล้วศีลแปดศีลแปดครับเรากินข้าวเย็นหรือเปล่าศีลแปดไม่กินครับนอนเต็นกลางเป็นนอกบ้านอนเดแล้วเป็นไงดีหดีมากครับก็อยู่ได้ครับ ไม่ได้เล่นโทรศัพท์เจ็ดวันครัครับแค่มียุ่งกัดกับตอนเที่ยงก็ร้อนๆครับไม่มีพัดลมให้ด้วยครับบอกแล้วไม่มีพัดลมเลยครับอ่าดีมากถ้าอยู่กับธรรมชาตินะถ้าอยู่แบบมากน้อยสันโดษยินดีตามมีครับเดี๋ยวจะได้รับอนุญาตเข้าบ้านเพราะว่าจะได้มากราบตาบอกความจริงในรูปถภาพไปเลยโอเคต่อไปจะทําอีกไหม ไม่ไมแม่บอกว่าครั้งนี้แค่สิบวันถ้าครั้งหน้าเดี๋ยวให้นอนตลอดเลยขาวนขาวันเลยโอเคมีอะไรจะถามไหมวันนี้มีม่ลูกหนูเริ่มรู้สึกงงๆกับการที่เขาบอกว่าวิธีการนั่งสมาธิที่ถูกวิธีหนูก็เลยอยากรู้ว่าหนู นั่งถูกหรือเปล่าอย่างนั้นนะคะ่ะหนูนั่งยังไงล่ะตอนหนูหนั่งแล้วทีนี้หนูก็แบบบอกตัวเองว่าปล่อยใจแล้วมันก็ปล่อยจริงๆแล้วทีนี้หนูก็พุดโธรรัวๆเลยอะคะ่ะแล้วก็เพ่งเพ่งจิตแบบว่าให้จิตอยู่กับพุดโธรอย่างเดียวะคะ่ะไม่ให้คิดอะไรอย่าไม่ที่ราไรถูกต้องใหอง้อยู่กับพุดโธไปอย่างเดียวถูกต้องแนละ้วหลวงต า, าสุชาติครับหลวงตาสุชาติครับเมื่อหาตก พื้นพื้นแก่งของพุโทโธได้แล้วอย่างนี้ควรทําไว้ต่อเลยครับก็รักษาไว้เถิดรักษาใ ห, ให้มีอยู่ไปเรื่อยๆ อ, อย่าให้มันหายไปอย่าให้มันโหดหายไปเก่ง <Okay. S 2> นะครับให้มีพุโทโธอยู่ต้องการเรียกพุโทโธมาเมื่อไหร่ก็มาได้เวลาโกรธใครก็ใช้พุโทโธหยุดความโกรธได้ เวลาเสียใจก็ใช้พุโทโธหยุดความความเสียใจใได้พุโทโธนี้เป็นเหมือนยารักษาใจเวลาใจไม่สบายท่องพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะสบายขึ้นมาเข้าใจไหมค่ะลุงาเจ้าค่ะคือโยมโยมสอ ง, งวันสองสามวันนี้โยมความรู้สึกว่าอพอนีโยมฝันค่ะแล้วโยมก็มาพิจารณาถึงความฝัน ว่าโยงฝันถึงอะไรแต่โยมไม่เล่าดีเทลของญาติแม่รีโอเพราะจะได้สั้นลงค่ะแล้วโยมก็เอาความฝันนั้นมาพิจารณานึกถึงต้นไม้ใบหญ้าโยมรู้สึกเหมือนว่าตัวเราเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนใบไม้เหมือนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้นไม้ที่มันร่วงหล่นใบไม้ที่มันร่วงหล่นลงมาแล้วมันก็หิเหี่ยวมันก็แห้งแล้วมันก็กลายเป็นปุ๋ยไป<ะ>ต้นไม้ก็เปรียบเหมือนโลกใบนี้เนี่ยโยงรู้สึกไม่โยมคิดผิดเข้าใจไปเองหรือเปล่าแต่ว่าโยมรู้สึกแบบนั้นแล้วถ้าไมโยงรู้สึกว่า ตัวของเราเนี่ยจริงๆเราอันเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยจริง ๆ, ๆมันไม่ใช่ของเรามันคือของธรรมชาติของโลกใบ น, นี้เพราะฉะนั้นอ่าก็ต้อ ง, ออ ง, องไม่กินน้ามันไฟค่ะโยมก็รู้สึกคิดว่าต้นไม้ก็เปรียบเหมือนโลกใบ น, นี้ที่เวลาฝนตกน้ําแดดท่าทีมาส่องเขาก็ได้รับธรรมชาติแล้วเวลาใบไม้มันร่วงมัมา ใบอื่นๆที่อยู่ในต้นเขาก็ไม่ได้รู้สึกอุตสาอะไรกับใบไม้ที่ล่วงใบนั้นก็เปลี่ยนมืนชีวิตของโยมที่วันหนึง่งถ้าโยมตายไปเพราะโลกใบนี้ก็ยังดําเนินอยู่ของมันไปเราก็จะกลายเป็นดินน้ําเป็นปุ๋ยไปที่ไม่มีใครก็ไม่รู้จักเราแล้วอย่างนั้นนะค ะ, ะก็แล้วโยมก็เลยทำให้โยมแบบพยายามใช้บอกกตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดโยมก็พยายามเดินตรงกรม บ, บ้างแล้วบ้าพยายามคือแบบพยายามปฏิบัติ เงี้ยคะ่ะแล้วก็เวลาที่โยมปฏิบัติอะโยมก็คิดว่าโยมก็กินจินตนาการเหมือนกับบอกตัวเองว่าเรากําลังเดินตามทางของตุบ า, าอาจารย์เงี้ยค่ะเพื่อให้กับให้กําลังใจตัวเองว่าอย่าท้อหอยบางทีมันก็มีเขียดอะค่ะหลังตาใ ห, <laughs> ให้ให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายนะร่างกายเป็นดินน้าลมไปเป็นธรรมชาติเราเป็นผู้รู้ผู้กับครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย แล้วเวลาที่เยอะเราแบบอย่างโยนนั่งสมาธิอย่างเงี้งยค่ะโยนก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้ายัางอยู่ที่เดิมอยู่ค่ะคือคือว่านั่งนั่งไปก็คือพยายามนั่งให้มันมันเรื่องเรื่องของการความทรงานได้แค่นั้นแต่ว่าถามว่านิ่งยังนิ่งมากไหมก็ยังไม่เท่าไหร่บางวันก็ยังแบบอุดอัดบ้างค่ะก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นฝึกสติอยู่เรื่อยๆ ก่อนจะมานั่งก็ต้องฝึกสตินะอย่าคิดให้ท่องพุโทโธพุโทโธไปนึกเฝ้าดูว่าเราร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ <Okay. S 2> แล้วเวลานั่งสมาธิจิตต้งจะสงบได้เือกขึ้นได้มากขึ้นต่อไปได้นานขึ้น ยม อ, อยากขอความแนะนําว่าทำไมเวลาโ ย, ยมนั่งสมาธิแล้วยองตัวบางทีตัวชอบเอียงอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงถึงจะไม่ไม่เอียงพราะเอียงแล้วมันชอบเผลอบุกมันจะหลับอย่เงี้ยใช่ก็สติแล้วไม่ดีไงพรานั่งมัน้องบ้างสติไม่มีมันก็มันก็เลไม่มีอะไรควบคุมร่างา ก, กายก็ไม่เป็นไรฝึกสติไปเรื่อยๆต่ อ, อไปมันจะไม่เอียงนะแล้วก็อย่าหยุดพุดโทโธถ้าหยุดพุดโทโธไปล้เดี๋ยวมันก็เอียงได้ ค่ะโอเคนะอันนี้ก่อนนะค่ะต้องการรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะอายนนะคะแก่การปลอดภัยทุกคนนะขอให้พม่สุขชาีอายุยืนยืนร้อยี่สบปีเอาเลยอาท่านหร่ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นขอบคุณค่ะอาทิตย์หน้ามาใหม่ค่ะสาธุคุณซิริวัฒน์คุณซิ ศิรวิทย์ใช่ศิรวิทย์ได้พูดอะไรอย่างนนี้อย่างครับเชิญเลยอนนี้ครับเข้าเกมเข้มครับามาแล้วเามาว่ามาเลยมีอะไรไหมไม่มีครับเข้าไปเฉครับอยู่ที่ไหนขอนแก่นครับขอนแก่นนะใครถ้าไม่มีงั้นก็ขอขอข้ามไปที่ท่านต่อไป้ะมีใครไม่หมดแล้ว่งเห็นคุณบทบทธรรมกรณนะครับ บทควารสมจิตน ะ, ะเปิดๆนะจออ่อใครอพูดไหมฮะคุณบทมากระสมจิตกดอันมิว้วเลยฮะอ่ามาเลยเชิญมาังอา่อ า, อามีอะไรไหมมีคำถามอะไรเลปล่า ยานไม่ค่อยดีเลยอาจารยเสียงมันอาดารไลน์ไปตอนนี้ได้ยินแล้วนะลองพูดดูได้มีอะไรถามได้เลยหายไปนี่นะลองลองลองเลื่อนโทรศัพท์ไปทางอื่นดูนะฮะหาหาคลื่นอ่ะญานไม่ค่อยดีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีคําถามเลยอาจารย์โอเคถ้าไม่มีก็ขอไปไม่มีคําถาม ได้ได้ได้ยินแล้วเจ้าคขาไปที่ท่านต่อไปเลยนะคุณมนทาใช่ไหมคุณมนทาเรื่องนคุณประยูนได้พูดแล้วใช่ไหมคุณประยูนได้พูดแล้วครับคุณประยูนตนนี้คุณมณฑาครับคุณมณทากดกดอันนี้เลยคอ๋อกล่าวในวัฒการพระอาจารย์ค่ะเอ่อยู่ที่ไหนค่ะอยู่ชลบุรีค่ะเอมีคําถามไหม ค่ะก็สืบเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะที่ท่านพาอาจารย์ให้คาแนะนําหนูไปในการปฏิบัติในเรื่องของการนั่งสมาธิซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์แนะนําว่าให้เราไปนั่งสมาธิเนี่ยให้เก็บอารมณ์ความรู้สึกความสงบให้ได้มากที่สุดคือที่ผ่านมาหนูอาจจะทําผิดก็เลยลองมาปฏิบัติตามนะคะว่าที่ทํามาก็คือเราเรามาพิจารณาธรรมในการทํานั่งสมาธิแต่คราวนี้ ได้ทําตามที่พระอาจารย์แนะนํานะคะว่าก็พอดีเป็นช่วงโควิดก็มีเวลามากได้วิเวกอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะก็ได้นั่งสมาธิเพิ่มเวลาขึ้นค่ะจากครึ่งชั่วโมงเป็นเป็นชั่วโมงแล้วก็เดินสลับไปนะคะมันเป็นสั ป, ปยามากเพราะว่าเราไม่ต้องทํางานคราวนี้ผลปรากฏว่าจากที่เราได้ทําตามที่พระอาจารย์แนะนําไปก็คือ ความสงบก็เกิดขึ้นแต่ว่าจิตเนี่ยมันถ้ามันไหลออกไปหนูก็ใช้วิธีการดึงกลับมาเหมือนเราก็คือเหมือนเราจรินตนาค่ะว่าเราเราดึงเชือกรัดใจเราให้กลับมาแนบแน่นอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจก็ได้ผลนะคะว่าใจมันสงบขึ้นนะคะอยู่ในความสงบได้อารมณ์ใจเนี่ยเก็บได้ดีขึ้นพอหลังจากนั้นเราออกมาหาเราก็มาพิจารณารรทรทำที่หนูนํามาพิจารณาคือมันมีคําถา ม, มในใจตลอดเวลา ว, ว่าเราเกิดมาทําไม คราวนี้ก็เลยลงไปหาบทธรรมหรือว่าข้อธรรมของพระพุทธเจ้าอะคะ่ะก็ไปได้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาว่าวงจรของการเกิดชีวิตมันเป็นมาอย่างไรพอได้เข้าไปรขครนุนค่อยๆหย่างใจใขควลไปนะคะคือสิ่งที่ตัวเองพบมาจากหนึ่งอาทิตย์ที่ที่ได้ทำตามพระอาจารย์แนะนำก็คือว่าหนูเห็นถึงความมิตะเบียดเบียนนะคะพระอาจารย์ใจเรามันมันเหมือนมันสลดกับคาว่า เราอยู่เนี่ยมันคือคําว่าเบียดเบียนตลอดหนูก็เลยรู้สึกว่าทําไมเรามองอะไรไปใจแม้กระทั่งณนะเวลานี้ภาวะใจตอนนี้ยมันรู้สึกแบบมันเศร้าหมองแต่เราก็เลยมาพิจารณาว่าถ้าเราเศร้าหมองเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเราต้องเบิก บ, บานผ่อสายแล้วเห็นตามความเป็นจริงของโลกว่าที่เราเกิดทุกข์ยังไงแต่ก็อยากจะขอคําแนะนําพระอาจารย์ต่อนะคะว่า ในการที่เราจะต้องประคองใจต่อไปในการที่เราจะพิจารณาทำให้มันก้าวกระโดดข้ามขั้นขึ้นไปคือตัวเองคิดว่าลองผิดลองถูกค่ะว่าแน่นอนเราไข้ควนไปแล้วมันก็ยังมันเศร้าค่ะมันเหมือนแบบมีแต่คาว่าเบียดเบียนเบียดเบียนใจตัวเองแล้วเราก็รู้สึกเราส่งหายใจเนี้ยไปเบียดเบียนใจคนที่อยู่คลองพบกับเราตอนนี้มันมีเรื่องสภาวะของครอบครัวคือลูกขึ้นมาพอยิ่งเราลงเข้าไปไข้ครวนหรือว่าเรานําบทธรรมมาจับเนี้ย หนูกลับเห็นว่าการเกิดมันมีแบบเบียดเบียนนะคะมันมันกําลังจะขอคําแนะนําพระอาจารย์ว่าหนูจะประคองใจยังไงต่อไปในการที่จะพิจารณาทำให้ก้าวหน้าขึ้นค่ะก็ให้เราเห็นว่าการมาเกิดของเรานี้มันเกิดจากความหลงความหลงที่คิดว่าความสุขอยู่ที่การมีร่างกายเพื่อที่จะได้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ซึ่งมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่เราต้องไปเบียดเบียนกับคนอื่นไปแข่งแย่งชิงดีกันเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่การิย่าความสุขจากการไปมีร่างกายเรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบกำจัดความโลภความอยากต่งตางๆให้หมดไปจากใจ นใจของเราจะมีแต่ความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนไม่ต้องไปแต่งแยงชิ้นดีอะไรกับใครอีกต่อไปเข้าใจไหมแลวถ้าตอนนี้เรายัางอยู่ในภาวะที่เรายังมีธาตุขันเนี่ยค่ะนอาจารย์แต่แต่ใจเราอะ่ะมันได้ได้พิจารณาไปแต่พอบอกว่าท่านอยู่กับอยู่กับใจแต่ตอนนี้เรามี เราจะประคองยังไงคะทั้งกายและใจเราที่มันให้มันบาลานซ์กับชีวิตเนะคะ่ะร่างกายเราก็เรียกมันดูด้วยปัจจัยสี่ก็พอคืออาหารเครื่องนุ่มผมที่อยู่อาศั ย, ยารักษาโรคไม่ต้องหรูหราไม่ต้องไม่ต้องน่ํารวยไม่ต้องวิเศษวิโสอะไรพอมาเป็นทําหน้าที่ดูแลปกป้องรักษาร่างกายให้มันอยู่ไปวันวันหนึ่งได้ก็พอ นั่นแหลก็จะได้มีเอาเวลามารักษาใจําจัดความโลภความอยากต่างๆด้วยการปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาค่ะพระอาจารย์คะแล้วแล้วอยากได้คําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าในเมื่อเราพิจารณาแล้วมันคําว่าเบียดเบียนเนี่ยแล้วมันทําให้เราเศร้าหมองเราจะตะคองยังไงดีคะคาว่าเลิกปเลิกเลิกให้ควรเลิกพิจนารณาหรือว่า เราก็แ ผ, แผ่เมตตาเราหั ด, หดจะเราหัดบัดจารบทแผ่เมตตาอัปยาปัชชาหุนตุไว้สัตว์ทั้งหลายจงอย่าเบียดเบียนกันเถิดพระอาจารย์ไหมแล้วเราต้องมอง้ว่ะแล้วเราต้องมองว่าคนที่เรากําลังพิจารณาเช่นครอบครัวเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเราค่ะทุกคนที่เกิดมาทุกคนก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองกัน ทีนี้นอกจากว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถดูตัวเขาเองได้ถ้าเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือไปตามกําลังของเราถ้าช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไปแต่เราตัดเราที่ใจใช่ไหมคะพระอาจารย์ตัดใจเรากับกับสิ่งที่เรากําลังรู้สึกเปลี่ยนเปลี่ยนเราจะได้ไม่ไปเศร้าหมองกับการที่เรา อ, อยู่แล้วมันเหมือนแบบมันสวนทางอะคะพระอาจารย์ความรู้สึกหนูมันเหมือนแบบ ถ้าเราอยู่แบบนั่งน้อยสันเดิดเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนใครเราต้องหัดอยู่แบบนั่งน้อยสันเดินเราเท่าที่เท่าที่จําเป็นมีเท่าที่จําเป็นถ้าเราไม่จําเป็นไม่ต้องมีก็อย่าไปมีมันเราก็จะเราก็จะลดการเบียดเบียนพู้ื่ได้มากหรืออาจจะไม่ต้องเบียดเบียนใครเลยก็ได้ ก็คือให้มีการแผ่เมตตาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใ ห, แให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาแล้วก็อยู่แบบมากน้อยสันโดยคืออย่าโลภมากอย่าอยากได้มากอย่าอยากมีเงินมากอย่าอยากจะได้นูน่นได้นี่มากให้มีทัพที่จําเป็นเท่านั้นเองแล้วเราก็จะลดการเบียดเบียนผู่นได้แทนที่จะหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญเราก็มาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบ เราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับใครครัอาจารย์คะขออีกคําถามเดียวสืบเนื่องว่าแต่มันขึ้นคือเอาแบบอารมณ์ที่เราเราลองทํามาแล้วอะค่ะว่ามันเหมือนแบบคําว่าเบียดเบียนอ่ะมันมันขึ้นแต่ ว, ว่าเราโอเคเบียดเบียนคนอื่นด้วยแต่สิ่งที่มันขึ้นในใจเราเวลาเราสงบแล้วแล้วเราพอให้คนทํามันเห็นแต่คําว่าเราเบียดเบียนตัวเราอ่ะเราเบียดเบียนใจเราอ่ะ มันมันรู้สึกมันเหมนแบบเศร้าอยู่ที่ใจเราค่ะอาจารย์อันนี้เราก็ต้องถามว่าเราเบียดเบียนเราอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนเราเบียดเบียเราอย่างไรนะมันเหมือนเป็นเหมนแบบเรารู้สึกว่าเรามาเนี่ยมันเราอยู่ของเราดีๆอยู่แล้วอะ่ะมันอยู่สบายอยู่แล้วในภาวะใจที่สงบ แต่เมื่อเราต้องออกมาจากสภาวะแค่ความสงบแค่สมบในสมาธินะมันยังรู้สึกสงบแล้วถ้าสงบถึงความสุขที่สุดของบาย d u c t ของพระพุทธเจ้าก็คือนิพพานใช่ไหมคะคงจะสุขมากกว่านี้แค่เราแตบแค่ความว่าสมาธิเรายังสงบแล้วใจเราสงบสบายแต่พอเราต้องออกจากความสงบนั้นเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกไม่ว่าจะต้องมาอยู่กับผู้คน นะคะการงานครอบครัวมันการว่ายใจนะ่ะมันเห็นจากความว่าเราเปลีนเปลนตัวเองเปลนเปลนใจตัวเองก็เลยจะวิ่งกลับไปหาแต่ความสงบอยู่ตลอดเวลาก็กลับมาอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจคนะมันเหมือนนั้นไม่อยากจะรับรู้กับสิ่งที่พอพอเราไปพิจารณาธรรมอ่ะใจมันไหลไปอ่ะมันรู้แล้วมันทุกข์อะคะ่ะมันไม่อยากไปอ่ะมันจะวิ่งกลับมาแต่ความก็ดีจะได้ไปบวชได้จะได้ไม่ไปยุ่งกับใครเราจะได้อยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียว หนูเคยมีโอกาสบวชมาแล้วอะค่ะครั้งหนึ่งก็ได้สิบกว่าวันมันได้ได้เห็นอะไรคือพอเราได้อยู่กับความสงบแต่พอเราต้องกลับมาเป็นครือข่ครองเรือนเราเห็นถึงการโทษของการอยู่เนี่ยคือเราไม่เบียดเบียนตัวเองเดียวไม่พอมันส่งกระแสเพิ่มเมืนจะมีลูกเราก็ต้องไปแบบจำเจจ้จำายต้องบอกความดีความให้เขารู้จักการใช้ชีวิตซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันเราหนูรู้สึกว่าเราไม่สามารถสอนใครได้ เราจะสอนใจตัวเองมันก็เลยก็เลยมีความขัดแย้งนิดเหนือค่ะที่ตอนนี้หนูกำลังจะไปทหาเส้นตรงนี้ค่ะว่าหนูจะวางใจของหนูยังไงให้มันอยู่กับสภาวะที่เรายังต้องเป็นคลึงหัดคลองเรือนกับในขณะที่เราก็วิเวกอยู่ในใจเราบางทีมันก็หลุดหลุดคือแล้วเราก็รู้สึกเศร้านะคะอย่างที่บอกค่ะจ่าท่านลดความอยากลงๆเวลาจะเกี่ยวข้องกับใครก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ไปเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนเขาก็มันเป็นเรื่องในอย่างลูกเนี้ยมันมันมันของอ่อนมากเลยค่ะจะมันมันนิดเหนื่อยมันพอเราจะไม่ํามันเราก็ดูแลไปเลี้ยงดูเข้าไปแต่อย่าไปอยากให้เข า, เ ป, าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นไม่เป็นก็เรื่องของเขา หนูก็จะวางใจตรงนี้แล้วค่ะพระอาจารย์เพราะหนูรู้สึกว่าเราจะติดปีเกินไปมันเราก็จะไปไม่ถึงไหนใช่เราก็สอนเขาทําหน้าที่เป็นครูไปเขาจะฟังเราก็ฟังไปเขาไม่ฟังก็เรื่องของเขาไปต้องวางใจลงค่ะพระอาจารย์อย่ามีอารมณ์ต่ใครทําทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลแต่อย่าไปมีอารมณ์ทำตามหน้าที่นะหนูจะประคอง ขอบคุณพี่อาจารย์มากค่ะคมีโอกาสก็กลับเข้าไปหาความสงบบ่อยๆนะที่นั่นดีที่สุดสหรับใจค่ะโอเคถ้า่งนั้นก็คิดว่าทุกคนได้ถามหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ก็เอา <Facebook. S 1> เอาเฟซบุกต่อนะอีกสามชั่วโมงนะเดี๋ยวจบเฟซบุ๊กอาจจะต้องขอจบรายการไ้สำหรับคืนนี้ เดี๋ยวไม่ได้หลับได้นอนไม่ใช่เ้าสองอยาง Facebook มีแม่คุณหล้าเชิญเลยมีคำถามทั้งหมดสิบสี่คำถามจากทาง facebook และ YouTube เจ้าค่ะถามมาเลยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีทั้งหมดห้าคำถามคำถามแรกคือเวลาลมหายใจไปอยู่กับความว่างตรงปลายจมูกช่วงแรกๆกจะชอบเผลอไปดึงลมหายใจ หนูจึงหยุดความคิดความอยากและปรับใจให้เฉยๆทําให้ไม่ไปดึงลมหายใจก็จะอยู่กับความว่างได้จมลมหายใจกลับมาอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะหรือหนูควรทา <ำ S 2> อ, อย่างไรต่อไปต้องให้รู้เฉยๆไปให้รู้เฉยๆมีลมก็รู้ไม่มีลมก็รู้กับความว่างไปคําถามที่สอง สภาวะช่วงที่อยู่กับความว่างและและหากมีความคิดก็หยุดคิดอันนี้เป็นสมาธิใหม่เจ้าคะหรือต้องมีอาการเหมือนตกจากที่สูงก่อนเจ้าคะอ ย, ยังเรียกเป็นส ต, ต, อส ต, ตอิอยู่มีสติอยู่หยุดความคิดแต่ยังแต่ยังไม่ใช่เป็นสมาธิสมาธินี้มันเจะความคิดจะหายไปเลยแล้วจิตจะนิ่งสงบอาจจะตกล้มตกบ่ก็ได้หรือไม่อาจจะไม่ตกก็ได้ จิตรวมกับสมาธินี้แตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะอันเดียวกันอันเดียวกันเป็นปนาสมาธิกับอนิกษ์สมาธิแสดงรวมรวมสัม้นๆรวมเดียวเๆได้เพราะอนิกษ์สมาธิรวมได้นานเรียกว่าปนาสมาธิคำถามข้อที่สามในการนั่งสมาธิหนูจะดูลมหายใจและอยู่กับความว่างจนออกจากสมาธิ แล้วดูลมหายใจกลับเข้าไปใหม่สองถึงสามรอบหากเพิ่มการสวดอิติปิโสอีกหนึ่งร้อยจบและดูลมหายใจอีกรอบจะเหมาะสมหรือไม่เจ้าคะก็ดีนั่งให้มนนานานๆดูกลับไปทำนู่นทำนี่นั่งสวดมนั่งทำใจให้สงบนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในในขั้นนี้นะขั้นสมาธิพยายามให้มันอยู่บ่อยๆให้มันสงบบ่อยๆ น, น, น, น, น้นๆข้อที่สี่ ช่วงท้ายของการสวดมนต์และอยู่กับเวทนาหนูเห็นใจดิ้นมากเลยปรับใจให้เฉยๆก็ทำให้สงบลงและสามารถอยู่กับบทสวดมนต์และเวทนาได้อันนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถูกต้องทใจให้สงบอย่าไปดิ้นรนกมนอที่ห้าปัจจุบันนั่งสมาธิวันละสองรอบ สลับกับการฝึกสติเดินจงกรมและสวดมนต์หนูควรเพิ่มรอบการนั่งสมาธิเป็นสามรอบโดยการลดการเดินจงกรมและสวดมนต์ลงไหมเจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงแล้วนั่งได้มากขึ้นก็นั่งนั่งดีกว่าเดินนเดีกว่าสวดมนต์แต่ถ้ายังนั่งไม่ได้ก็สวดมนต์ไปแล้วเดินไปก่อนคำถามต่อไปจากคุณมานิตกราบขออนุ ญ, ญาตเรียนสอบถามครับ ผมปฏิบัติธรรมมาเจ็ดปีเป็นติดลงที่ปิติสุบแล้วไปต่อไม่ได้ช่วยแนะนําด้วยครับกราบสาธุครับถ้าใช้พุโทโธก็ต้องพุโทโธต่อไปอย่าหยุดพุดโทโธเวลาเวลาได้ปิติได้สุบก็พุโทโธต่อไ ป, อ ย, ไ ป, อ, ยไปอย่าไปอย่าไปหยุดถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าหยุดดูลมคำถามต่อไปจากคุณปุ้ยสันสนีกราบน้ำมัศคารพระอาจารย์ค่ะ ช่วงนี้ปิดเทอมค่ะลูกเล็กกวนมากช่วงหนูหลับช่วงลูกหลับก็ต้องทำงานบ้านใจอยากนั่งสมาธิมากนะคะพอไปนั่งเด็กๆก็เข้ามาหากอดคอบ้างส่งเสียงบ้างรบกวนพระอาจารย์แนะนำวิธีฝึกช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตปกติค่ะขอบพระคุณค่ะก็ต้องยอมรับสภาพของเราว่าตอนนี้เรา ยังมีกรรมอยู่ยังมีภาระมีอะไรเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่ก็พยายามให้มีสติประคับประคองใจอย่าไปรำคาญอย่าไปโกรธใครเขาจะมาก่อนเราลริมาทำแล้วก็เล่นกับเข้าไปมีสองคำถามจากคุณซีคำถามแรกการท่องอาการสามสิบสองแล้วนึกภาพตามไปด้วยสามารถใช้ในการฝึกสติได้ไหมคะ ได้ได้เหมือนกับการสวดมนต์เหมือนกับการบริกรรมพุทโธคำถามที่สองพุทโธแนบใจคือการมีสติบังคับให้จดจ่อกับพุทโธใช่หรือไม่คะใช่ใ ห, ให้ให้ใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นการแนบพุทโธให้อยู่กับใจ คำถามต่อไปจากคุณชิดทำสมาธิรู้สึกหนักแน่นไปตามจุดที่กําหนดจิตผมเดินมาถูกทางไหมครับในในอุน้งอ้าวไหมนีม่เข้าใจทำสมาธิรู้สึกหนักแน่นไปตามจุดที่กําหนดจิตผมเดินทางมาถูกไหมครับไม่เข้าใจคำว่าหนักแน่นนี่หมายความว่ายังไงไม่กล้ า, ต อ, าตอบไม่ทราบจะตอบยังไง คำามต่อไปจากคุณธนัตกราบในมัสการพระอาจารย์ครับขออนุญาตถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิน้ำตาไหลและหาวเกิดจากอะไรครับก็ง่วงนอนมันก็หาวเลยกินมากเกินไปหรือเปล่าหรือพักผ่อนน้อยเกินไปถ้าฝืนไม่ได้ก็หยุดการปฏิบัติชัว่วคราวเราไปพักผ่อนหลับนอนซะก่อนให้มันร่นางกายได้พักผ่อนพอแล้วค่อยกลับมาปฏิบัติ คำถามต่อไปจากคุณชวาร์ลตเรียนถามสุขเวทนาทุกเวทนาอัตุขมสุขเวทนานิพพานคือตรงไหนครับ อ, อ๋อมันก็เป็นเรื่องกันนิพพานนี่เป็นเรื่องของจิตที่สงบปราศจากความโลภความโกรธความหลงในวันนิพพานส่วนเวทนาทั้งสามนี่ก็เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นทางร่างกายของเราเวลาร่างกายหิวก็เกิดเป็นทุกขเวทนา เวลาร่างกายอิ่มก็เป็นสุขเวทนาเวลาร่างกายไม่หิวไม่ไม่อิ่มก็เป็นอัตุกรมะสุขมะเวทนาเป็นเวทนากลางกลางไม่สุขไม่ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาคำถาม ต, ต่อไปเหรือสองคำถามเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากคุณพงประพัฒน์กับเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลากลัวเจ็บกลัวตายคุดแก้ไขอย่างไรครับ ก็ใช้การสวดมนต์ด้วยช่องบริกรรมพุ่โธไปก่อนก็ได้อย่าไปคิดถึงความเจ็บความแก่ความตายนำใจก็จะหายกลัวชั่วข่าวถ้าอยากจะให้หายกลัวอย่างเท้าก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้แต่มันไม่ใช่เราเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้มาครอบครองร่างกายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตาย เราก็จะไม่กลัวกลัวกลัวความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราคำถามสุดท้ายจากคุณนิพาเรียนถามพระอา จ, จารย์เจ้าค่ะเวลาที่เราภาวนาพุโทโธมีตัวกระเพื่อมตัวกระเพื่อม น, นี้เป็นธรรมหรือเป็นกิเลสเจ้าคะก็ยังไม่สงบตัวกระเพื่อมแสดงว่าจิตมันยังไม่สงบก็อย่าไปสนใจให้ภาวนาต่อไป ถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพูดโธก็พูดโตต่อไปอาจารย์เจ้าคะ่ะมีคำถามเพิ่มเข้ามาเจ้าคะ่ะครับตอบไปเลยว่าไปบลยคะคุณประยูนอภิญญามีจริงไหมครับพระอาจารย์แล้วถือเป็นอวิชชาไหมครับอภิญยาก็เรียกความสามารถพิเศษของจิตเนี่ยเช่นรับเ ล, ลือชาติได้ติดต่อกับเทวดาได้ติดต่อกับดวงวิญญาณได้อันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษของจิต สำหรับผู้ที่สามารถปฏิบัติถึงขั้นอุปจารสมาธิได้ก็สามารถที่จะมีอภิญญาเกิดขึ้นได้มีอีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งคถามเชื่อค่ะจากคุณแซมอุเบกขาของพรหมวิหารสี่และอุเบกขาของอุเบกขาบารมีต่างกันไหมครับอั น, นเดียวกันั น, นเดียวกันแล้วอุเบกขานี้มีสองแบบ อุเบกขาที่เกิดจากสมาธิเกิดจากสติกขาอุเบกขาที่เกิดจากปัญญาเรอุเบกขาที่เกิดจากสติมันจะเป็นอุเบกขาชั่วคราวเราอุเบกขาที่เกิดจากปัญญามันจะเป็นอุเบกขาที่ถาวรหมดแล้วหน้าคำถามมี ม, ม, มีเพิ่มเข้ามาเจ้าค่ะหนึ่งคำถามเจ้าคา่ะมามาจากคุณสามารถ กับนมัตการขอถามว่าถ้ากําหนดภาวนาพุโทโธพร้อมลมหายใจเข้าออกแล้วต่อมาไม่รับรู้ถึงลมหายใจต้องทําอย่างไรต่อครับถ้าพุโทโธได้พุโทโธต่อไปถ้าไม่พุทถ้าพุโทโธไม่ได้จิตมันเองก็ให้มันอยู่กับภังเน่นไปนไหมดแล้วเจ้าค่ะไหมวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาแนละ้วก็นี้ก็สามชั่วโมงกว่าแนละ้ว สาชั่วโมงสิบห้านาทีถ้าใครอยากจะถามอะไรก็เราให้พบกันอาทิตย์หน้าก็แล้วกันนะอ่าตอนนี้ก็คิดว่าควรจะเลกลากันกลับไปนั่งกลับไปนอนหรือถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศอาจจะต้องถึงเวลาไปทํากับข้าวแล้วไปทําอะไรก็จะได้ไปทํากันได้แล้ว <c oughs> ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปนี้พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป t u n